มาเจริญพนท่านสาธุชนราชการเจ้าค่ะวันนี้เบากันอีกครั้งหนึ่งมีแปดสิบสองคนแล้วน้อยเด็กนุกใครจะเข้ามาก่อนวันนี้วารินาริวริมาก่อนมาตักขัครับผมมาไหมมีอะไรไหม ก็มีครับก็เพิ่งกลับมาจากเ อ, อปฏิบัติธรรมสองอาทิตย์นะครับหลวงพ่อก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้เจริญส ต, ติมากขึ้นก็เลยสังเกตว่าตัวเองมันมีอะไรที่ผ่านมาอะไรที่ทําผิดทําถูกก็เหมือนทบทวนตัวเองอะครับก็ได้ฝึกส ต, ติอย่างเช่นการกวาดวัดรู้สึกว่าทําให้มีส่วนขัดเกลีวจิตใจมากขึ้นเยอะเลย มันเกี่ยวข้องันยังไงหรอครับการปัดกวาดเช็ดถูทําอะไรให้มันสะอาดมันจะรู้สึกว่าเอ้กิเลสมอนเราก็ไปกับเวลานั้นเหมือนกันนะครับหลวงพอ่ออะไรที่ยังไงม่เข้าใจเวลาทําความสะอาดวัดหรือปัดกวาดเช็ดถูมันรู้สึกว่าทําให้จิตเรามันละเอียดมากขึ้นมันเหมือนส่งเสริมในการภาวนาด้วยครับหลวงพอ่อก็ดีเลยก็มันมีไว้เพื่อเป็นการเจริญสติ ปิบัติเือไม่ให้ไปถ้าอยู่อยู่กับคนนั้นคนนี้มันก็คุยกันไปแน่นกันไปมันก็ไม่มันก็ไม่เนิ่งพออยู่คนเดียวมันทํางานคนเดียวมันก็ไม่พูดไม่คุยกับใครไม่คิดเรื่องอะไรมันก็จิตมันก็เนิ่งมากขึ้นเย็นมากขึ้นสบายมากขึ้นอันนี้ก็แล้วก็มัน ก็ได้ความสงบมาระดับหนึ่งก็รู้สึกว่าความสงบนี้มันอธิบายไม่ค่อยถูกแต่รู้สึกว่ามันสุขใจมากกว่าปกติครั บ, ก, ยย ก, บ, บก็จะพยายามกลับมาบ้านก็จะพยายามนึกทําให้เกิดอารมณ์นั้นไว้เนือ ง, งครับออารมณ์นั้นเกิดึกไม่ได้มันต้องเจริญเหตุที่ทําให้อารมณ์นั้นมันเกิดไม่นึกถึงอารมณ์นั้นไม่เกิดมันต้องมันต้องใช้เหตุที่ทําให้อารมณ์นั้นมันเกิด ครับเลยต้องมีสติคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆความคิดความคิดนี่แต่มนไม่เกิดแล้ธรรมดามันกลับมาบ้านมันครับบรรยากาศมันก็เป็นอีกอย่างครับสติมครับเป็นไปอีกอย่างมันก็เลยอยากให้มันบรรยากาศนี้เกิดขึ้นกลับไปใหม่นี้ครับ อพจะเอาแบบสบายมันไม่มีทางกลับมาบ้านแล้วมันนึกถึงมันให้มันเกิดขึ้นมามันไม่เกิดคออกครับที่มันเกิดเพามันมีบรรยากาศที่วิเวกกายวิเวกจิตก็วิเวกเห็นไหมพอกลับมาบ้านมีนู่นมีนี่ฝนฝนนี้มุ่นไม่หมดแล้วมันจะวิเวกับอะไรไม่นันึกยังไงมันก็ไม่เกิดออกนะโยม นึกว่ามันเกิดจากอะไรอย่างนี้ครับหลวงพอ่อเราจะได้ทําสร้างปัจจัยนั้นให้เกิดกับตัวเองนั่นคือสติสมาธิปัญญาอย่างนี้ใช่ครับหลวงพ่อมันท้าเป็นเรื่องของจริงมันก็เห็นอยู่แล้วมันมันเกิดเพราะอะไรอเกิดเพราะไปอยู่คนเดียวยคนเดียวใช่ครับอย่างท่านเกดีล้วกลับไปอยู่คนเดียวอย่างนี้ครับตั้งสมไปก่อนครับเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนครับหลวงพ่อไม่โลกเรื่างนี้ไม่โลกเรื่องนี้ไม่โลกอเรื่องโลก เั่อ ง, งเงินทองนี่โลกไม่เก็บเงิไม่ไม่เก็บอะไร ก, กสมน้อยอยากโชคลีภวันที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อก็สอนใจตัวเองนึงเนืองว่าถ้าเราตายในวันนี้เราจะทำอะไรเป็นอย่างสุดท้ายมันก็สามารถกระจัดความปรุงต้านได้ดีเลยครับเมื่อคิดอย่างนี้บ่อยๆครับหลวงพ่อต้องทำไปเรื่อยๆนะอย่างเอามาที่ผ่านมาเป็นอดีตนะอย่างานนั่งคุย ค, คุยไม่เกิด ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับตอนบทพระนี่พวงกับศิสอง้อยี่สิบเจ็ดแต่พอศีนแปดมันหายพวงทําให้รู้สึกเจริญสติได้ง่ายขึ้นนะครับหลวงพ่อหรือเป็นพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราไม่ต้องมากังวลกับศีนที่เราไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่สินสองอยี่สิบเจ็ดข้ามันก็เป็นเรื่องระเบียบกฎระเบียบอะไรต่างอ๋อครับกข็ขอให้มันมีระวังสินทำเป็นพระกับสินสีข้อแรกกรับพ่อ ครับพลัทิกสีครับก็นึกขอบคุณหลวงพ่อขอบคิดตรงจิตขอบคุณหลวงพ่อตลอดครับก็มาแค่นี้แหละครับขอบพระคุณพระหลวงพ่อเช้าที่เออกนิดหนึ่งครับหลวงจินึกเพิ่งนึกออกครับการพุทธเจ้าบอกการปฏิบัติบูชาคือการทําเพื่อพุทธเจ้าสูงสุดแต่ปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าไม่ได้อะไรแต่คนทํานั้นได้เองแล้วทําไมถึงบอกว่าถึงอย่างนั้นนะครับหลวงพ่อ ก็พระพุ้ญญาแล้วไม่ต้องการอะไรจากเรานอกจากเห็นเราได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมอ๋อที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมปวกเราเราก็เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมนั้นแจะได้บรรลุธล<อ>รรมนั<อ>่นพระพุทธเจ้าท่านบรรลุแล้วท่านไม่ต้องการอะไรจากใครแล้ว อ, อ๋อครับก็ น, นึกถึงคําตอบหลวงพ่อหลวงพ่อบอกอที่อยู่ไปทุกวันนี้อยู่เพราะธรรมะถ้าไม่มีธรรมะไม่รู้จะอยู่ยังไงชอบคาตอบนี้มากที่สุดเลยครับออนี่ส่วนผมก็อยู่ไป ผมก็อยู่ไปเพื่อให้ได้ธรรมะที่ยังไม่ได้ไนั่นก็คงเป็นความหมายของชีวิตที่ผมยังอยู่ครับก็จะสร้างทําให้เกิดขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั 2, ้นสูงสุดขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับสาธุอาจารย์ต้อมพิไลใช่ <c oughs> เป็นยางไงวันนี้กลับนมัสการคพระอาจารย์ค่ะก็สองวันวันนี้ก็ได้มีบท พอสอบจิตตัวเองได้รู้สึกว่าผ่านไปได้สบายค่ะเพราะว่าวไปตรวจร่างกายอันนี้นักเกค่ะตรวจร่างกายแล้วก็พบปัญหาค่ะแล้วก็วันนี้ก็ไปตรวจปัญหานั้นซึ่งจะต้องไปฟอลโล่ต่อในวั น, ใน ว, นในวันเสาร์ปัญหาใหญ่ไม่มันอยู่ที่ใจเราใจเราเป็นยังไงมันก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าอะไรมันใหญ่ไฮะก็ะเลยทางเราก็รู้สึก ถึงตอนนี้ก็ยังก็สบายไม่ได้มีตกกังวลไม่ได้เป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นกันเลยว่าเราก็แบบไม่ค่อยได้เ อ, อสนใจกายเท่าไหร่ละสบายๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือมั น, นไม่ผ่า น, น, นเราจิตใจเราวุ่นวายก็แสดงว่าเนะี่ยปัญหาปัญหาที่แท้จริงคือ<ฆ>ควาวุ่นวายของใจค่ะา<ฆ><ฆ>งการมันก็เป็นไปตามสภาพของมัน่ ก็เลยรู้สึกว่าออสบายปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมานี่มีประโยชน์กับตนเองมากค่ะอย่าหลงประเด็นประเด็นของเราคือใจดูแลรักษาใจ<ะ>ส่วนใหญ่เลยก็ดูแลปาา<ะ>ตลายตามรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องไปล่อยให้ไปท<ะ>ําเรื่องของมันแต่ใจที่เรารักษาได้เราต้องรักษาให้มันไม่หวั่นไหวไม่ให้รุ่นวาย ค่ะก็ได้ปฏิบัติอยู่ค่ะก็รู้สึกสบายใจดีค่ะเอาวัน้ไหม้บุญไหวก็แสดงว่าเราสอบตรงค่ะเมื่อกี้เดวิดโทรเข้ามาเดี๋ยวช่วยช่วยเวิดโทรไปบอกแคหน่อยนะว่าเราตอนนี้ไม่สะดวกที่จะรับสายขอบครับได้ครับเพื่อนเพื่อนโทรเวลาเคยเจอ ตอนนี้จำอะไรค่อยๆได้เพื่อนให้ไปดู u ู u ู e แทนนะเฟซบ o ๊ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรกรับคนกาแฟกาแฟต่อกุราทานีวันนี้ไม่ไม่มีอะไรครับแต่ว่าอยากถามให้ให้คนอื่นแล้วก็ตัวเองสงสัยด้วยแต่เรื่องตัวเองไม่มีรู่นวายแต่ว่าไม่มีครับ มีแบบว่าเวลาเราไปไปล่อปลาอย่าเงี้ยครับเขาจะชอบปล่อยปลาดุกกันลงลงแม่น้ําซึ่งซึ่งไปศึกษาว่ามันเป็นสัตว์น้ําที่แบบว่าไปกินสัตว์อื่นเนี่ยเขาอาจจะได้บุญตอนที่น่าเขียงแต่ว่าบุญที่มีปัญญาที่เลงว่าแบบว่าควรเอาอะไรไปไว้ที่ไหนนี่คือมันจะน้อยไหมครับเพราะว่าเวลาผมทําอ่ะผมก็จะไปซื้ออะไรที่มันเหมาะกับธรรมชาติตรงนั้นแล้วก็เลือกเลือกสถานที่ก่อนนะครับ บางทีต้องเลีอกตัวที่กำลังจะถูกฆ่าอนะตัวไหนกำลังจะถูกฆ่ารีบไปช่วยตัวนั้นก่อนแต่ตัวที่ยังไม่ถูกฆ่าก็รอไว้ก่อนก็ได้อ๋อเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่มันมันอยู่ที่การช่วยเหลือชีวิตของผู้ครับไม่ได้อยู่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสถานที่ไหนจะขอให้มันรอดรอดรอดพ้นจากความตาย แ, ตแล้วเราก็ไปปล่อยมันไปอ๋อ โอ้ลึกล้ําไปเข้าใจแล้วครับคือถ้าเถียงยังนั้นก็เถียงกันไม่จบถ้าถ้าพูดแบบพระอาจารย์จบครับปุ่มสาธุครับใครเดือนร้อนใครเดือดร้อนมากก่อนกันเอาคนที่เดือดร้อยมากที่สุดช่วยเหลือให้เขาร อ, อดครับที่ยังยังไม่ถึงคิวก็รอไปก่อนก็ได้เรื่องนี้คนทําไม่ถูกต้องกันเยอะครับไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายตใช่ผมก็ขาชีวิตครับจะได้เป็น จะได้เป็นคํำมาตรฐานของคําตอบเนี้ครับคนอื่นก็จะได้ด้วยขอบพระคุณครับอาจารย์ครับคุณหมอพระสนะกลับบ้านแล้วหรอยังยังค่ะอาจารย์ยังอยู่เขาชีอวอนค่ ะ, ะาอาจารย์ค่ะวันนี้วันพุธศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์มันพุธห้าวันกับวันศุกร์ค่ะมาอาทิดหนึ่ง ก็มีมีสองคำถามนะคะพระอาจารย์ก็คืออันอันแรกก็คือว่าคราวนี้มาก็พยายามตั้งใจคือเจริญสติก่าว่าจะให้แบบให้แบบแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นก็คือทำไปทั้งวันกายภาพตาสติแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญานี่ก็พยายามเจริญนอนข้างหลังคือนิโชคดีอะค่ะก็คือว่าพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยตอนแรกๆมาเนี่ยมีเจ็บมีเจ็บตอนเจริญปัญญาก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโชคดีจังเลย มีเวทนาเพราะว่าจะได้แบบจะได้ดูลองปัญญาก็เลยพอดีไมไฟังคลิปอาจารย์เรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องกระสินไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีเขาที่แล้วที่เจ็บเนี่ยตัวเองนี่ถึงธาตุไฟอยู่พอดีครานี้ก็เลยลองเอาลึงปัญญามาใช้แบบท่าดินน้ำลมไฟแล้วก็เผาไปทั้งตัวก็คือพอเผาก็คือพอเผาทุกจุดของร่างกายเผาไปหมดปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นแบบเย็นสบายโล่งอะค่ะก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าอันเนี้ยมันคือเหมือนกับตะอปัญญามาใช้แก้ปัญหาดประมาณอย่างงี้ใช่ไหมค ะ, ะอาจารย์ ก็ลองดูเสียนี่เราไม่ลองไม่รู้หรอกคือเาขา <อ S 2> <บ>ทำแล้วค่ะพระอาจารย์ <IS C 1> หายเลยคือแต่ว่าไม่ได้โกรธเจ็บหรือดาวน์เราถามทำไม ก, ก็คือว่าคือที่อาจารย์ให้เจริญปัญญายเนี่ยคืออยากจะก็คือหมายถึงว่าเวลามีปัญหาทุกอะไรต่างต่างก็คือเอามาเจริญแบบนี้ใช่ไหมพระอาจารย์มันมันทำให้เราโลง่งรู้สึกว่าไอ้กายมันแยกคือแบบเราไม่สนใจกายมันคือยอมยอมกายหายไปได้อะไรย่างเงี้ยยอมเผาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็มัน รู้สึกดีมากเลยทำยังไงจะตอบยังไงได้สาทิติโกค่ะเป็ น, น, นคนนนืออันนี้เข้าใจเลยพระอาจารย์อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะพระอาจารย์พ ร, รพอเราดูแล้วล่ะพอเราเราไตรักที่ที่กายได้เราพิจารณาการที่กายไต่ลักที่เวทนาได้เนี่ยก็อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่า ง, งนั้นเนี่ยพอเดียพ่อกลับบ้านเน่ยเราพิจารณาไต่ลักในธรรมลมเพืาา่อจะได้เพื่อจะได้รับความอยากอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้ได้รัเอ่อพิจารณาเอ่อไตรักของ ธรรมลมในในจิตในในกในจิตเพื่อจะละแต่ความอยากไม่ในของที่เราอยากได้ทุกอยากเลยเรื่องการมตัญหาแล้วก็แล้วก็เรื่องของโลกโกรธหลงอะค่ะคือการจะทำตรงเนี้ยอยากจะเป็นอิมเพนเดย์แบบที่พระอาจารย์บอกเราอยากได้อะไรได้อะไรก็ต้องใช้ใช้ใช้ใจรักมาสกัดอยากละอยากละสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข เพราะว่าทุกตอนนี้อันนี้ยทุกเข้ามาในใจแล้วอาจารย์คือเข้าใจความว่าทุกเลยค่ะสมัยก่อนมองไม่เห็นทุกนึกว่าสศกเออคือตอนแรกคิดว่าเรยไม่มีความทุกข์อ๋อพราะตอนนี้ยเข้าใจเรื่องทุกแล้วอาจารย์อ๋อเกิดก็ทุกกระบวการขันท่าอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจแล้วแล้วก็เลยอยากละเลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทําเรื่องจิตเพื่อจะละเรื่องของสมุทัยเนี่ยอันนี้มันคือตรงประเด็นใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือรอดูใจรักของของจิตใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันอ น, นี้ต้องดูต้องมันต้องดูด้วยตัวตัวที่มันเป็นตัว ตัวที่เราไปยึดอะตัวที่เรายอยากได้อยากได้ทองไงตัวต้องดูทองเป็นตายรับไมันจะไปดูจิตเป็นไตายรับอืออยากได้ผัวเนี่ยต้องดูผัวเป็นไตายรับไม่ใช่ไปดูจิตเป็นไตายรับอ๋อแล้วลแล้วแล้วจิตแล้วพิจารณาจิตในในสติ ป, ปัฏฐานเนี่ย อ, อ๋อยังมันยังไกลเลกตอนนี้เ อ, อ๋อคุณยังยุ่งเกี่ยวกับของใบนอกเยอะแยะไปหมดคุณจัดการกับของใบนอกให้มันหมดก่อน พอเอาเการมั่นตัญหาก่อนเอาความอยากเงินก่อนใช่ไหมล่ะไม่รู้รูปเสียงกลิ่นรถคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยอะไรทั้งหมดเนี่การบ้านการเมืองเลยหนัาที่คุณเห็นผ่านทางสื่อต่างๆดูนล้วใจยังลุกเป็นไฟขึ้นมาหรือเปล่าดูแล้วยังคุณวายใจหรือเปล่าจริงๆพวกนี้ไม่มีแล้วเพราะไม่ได้ดูเลยตั้งแต่สือสินตั้งแต่ตั้งแต่ทำ ม, ม, มาเป็นปีก็ไม่ได้ดูเลยค่ะอาจารย์แล้วพอถือสินไปก็ยิ่งไม่ได้ดูเลย เดี๋ยวแต่ว่าจะลองมาเอาให้มันชัวร์วก่อนเลยว่าแบบมันหายไปได้จริงๆอย่างที่พระอาจารย์บอกยังไม่ต้องลองพี่ที่พูดได้ฟังก็หมายถึงว่าให้ดูสิ่งที่เราไปอยากได้อยากมีอยากเป็นว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันไม่ของไม่ใช่ของถาวรของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงให้เราอยู่แบบไม่ต้องมีอะไร ไม่ได้ไอ้เรื่องดูจิตไม่เที่ยงดูเที่ยงมันมันมันไม่ได้เป็นสาระตอนเนี้หรอกตอนนี้เราธรรมลมเหมือนการนั่นน่ะไม่ทำใไปสนใจเราเขาเรื่องภายนอกรูปเสียงกลิ่นล้อราบยนต์สรเสอสัตว์ตัวคนต่างๆเนี้ยะที่คนเกี่ยวข้องอยู่ทุกวันมัน ก็คือว่าดูว่าคือตัดพวกเนี้ยคือเราต้องดูตรงช่วงนี้เรื่องโรค ก, กดหลงพวกตัญหาพวกนี้ก็คือดูที่ใจใช่ไหมพระอาจารย์ว่าเอ้ยถ้ามันเริ่มมีตรงรต้องตัดออกให้ได้เรความโกรธความลหลงอะไรพวกเนี้ให้เราให้เราดูตรงนี้ให้มันแบบาก<ห>าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีแล้วพระอาจารย์ตอนนี้แบบไม่มีเลยสมัยก่อนแล้เป็นเดี๋ยวเนี้ยไม่มีพระอาจารย์แบบคือตอนนี้คือแบบเราบอกอันนี้อยู่ที่เขาละทําไม่ทําแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งแตาทำมาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเพราะว่า เหมือนกับว่าเราเดีวกับลูกกับแฟนเนี่ยแบบมันเหมือนกับว่าอยู่กันแบบคือเราเราไม่ไม่ไปไม่ไปอยากให้เขาเป็นนั้นเป็นนี่แล้วอาจารย์แล้วลูกเขาก็รู้สึกดีอ่ะคือลูกเขาก็สบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอ่าอันนี้ก็พูดเป็นตัวอย่างนะมันดูพวกนี้ไม่ต้องไปดูจิตนราแล้ เขอ่านเยอะแล้วบอกมึนต้องถามพระอาจารย์พราะว่าเขอ่านอ่านอ่านเยอะๆแล้วมันจะแบบมันเหมือนจะแบบโดนล่นเหมือนอ่านหนังสือสอบแบบพระอาจารย์มันเยอะไมหมดเลยเต็มไปหมดต้องทำอะไรเยอะๆไปหมดค่ะแต่พอพระอาจารย์บอกมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ไปทําทีละสเต็ปสเต็ปค่ะได้ค่ะพระอาจารย์อันนี้นะหมือนกัเลยองานนี้ไปที่มณฑลภาต่อการนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์ ค่ะวันนี้ลูกขอโอกาสมีคําถามแล้วก็กราบเรียนพระอาจารย์ว่าวันพุธหน้าลูกจะไปปฏิบัติที่เขาชีออนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็คําถามของลูกคือลูกฟังเทศพระอาจารย์อ่ะเจ้าค่ะแล้วลูกติดใจคำหนึ่งพระอาจารย์มีมีเนื้อไม่แน่ใจถ้าอาจารย์พูดว่าให้ทําเหมือนกับเราเป็นวิญญาณทําทําจิตเหมือนกับเรามีแค่วิญญาณ แต่แต่เราเหมือนกับว่าตัวนี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปสนใจร่างกายใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ในการขยายความตรงนี้อ่ะเจ้าคะ่ะอันนี้ลูกฟังเทศเ ก, เก่าๆของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเพราะเราเรามันเป็นวิญ ญ, ญาณอยู่แล้วร่างกายไม่ได้เป็นเราเนี่เราเป็นหลงที่ว่าร่างกายเป็นเราเราเป็นวิญ ญ, ญาณที่มาเกาะร่างกายเหมือนเป็นมนุษย์ล่างหนมาขี่มา้าอย่างนี้ แล้วก็ไปคิดว่าตัวเองเป็นม้าไปค่ะแต่ตัวเองไม่ได้เป็นมา้าตัวเป็นคนขี่มา้าแล ว, วิญญาณก็มาขีร่างกายกระสับให้ร่างกา ย, ำากายทำโน่นทำนี่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือรับลูกเสีงยงหยินรอดเข้ามาเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจจ้ะค่ะเพราะเพราะบางทีลูกเหมือนกับว่าที่ปฏิบัติระหว่างวันเวลา ตามที่พระอาจารย์ให้เจริญสติมากๆเข้าใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ที่พอกินข้าวมื้อเดียวช่วงนี้ก็คือไปทํางานที่บริษัทแล้วก็เอาช่วงพกักคมาเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ทําให้จิตจิตเราเหมือนกับเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วมันทําให้เหมือนเราไม่สนใจร่างกายประมาณนี้อเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าจิตมันก็อยู่กับจิตมากขึ้นอนะเจ้าค่ะก็ต้องดูดูตอนที่ร่างกายไม่เป็นอะไรตอนนี้มันไม่เป็นอะไรมันก็มันก็ ไม่สนใจได้เดี๋ยวต้อมันเป็นรุ่นเป็นนี่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาถ้าดที่ว่าใจเรายังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วเริ่มกังวลเริ่มหงายเริ่มั น, นจบกังวลหร้นปล่าเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะแล้วต่ยังหงยายยังกังวลก็ยังหลองอยู่เหมือนอเหมือนกับมันเป็นจุดมุ่งหมายที่จะเป็นสักยทิฐิใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ที่เราจะไม่สนใจร่างกายแล้วทําให้ไม่สนใจการ เจ็บแล้วก็การตายได้ในที่สุดใช่ไหมเจ้าขาพระจักก็ต้องพิสูจน์ด้วยแล้ว<ห>ถึงเวลามันเป็ น, แ ล, แ, ลนแล้วมันต้องทดสอบมันมันมันจะนั่งคิดเฉยๆไม่ได้ค่ะ<ห>แล้วต้องลองทําให้มันเจ็บดูให้มันเจ็บดูแล้วนั่งไปงนานๆมันเจ็บแล้วยังอยากจะขยับอีกหรือเปล่า ลองลองนั่งจากจากที่กับเรียนพระอาจารย์อเจจะขาได้ประมาณชั่วโมงกว่าก็ถ้าเป็นเวทนาเบื้องต้นก็ยังยังไม่ไม่มีจิตกังวลกับเวทนาเจ้าค่ะก็นั่งไปได้เรื่อยๆแต่แต่แตเผอิญว่าช่วงนี้ทํางานมันมีเวลานั่งน้อยแต่ยังยังสํานึกในที่พระอาจารย์บอกเจ้าค่ะว่าให้ลองนั่งนานๆกว่านั้นไปเรื่อยๆจนถึงหลายหลายขั้นของความเจ็บอเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ ก็จะได้จะได้รู้ว่ามันเป็นวทนาที่เกิดขึ้นแล้วเราจะทําจิตได้ยังไงใช่ไหมเจ้าค่ะได้ถ้าเกิดจะมันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราเราไปทำํำยังไงตอนนั้นมันมันจะขยับร่างกายยังไงมันก็ไม่หายใช่ไหมไม่เหมือนตอนที่เรานั่งนั่งมาขยับร่างกายมันก็หายไป<ฆ>ถ้าเราไปเกิดอุบัติเหเตุอะไรทำนองนี้นราเกิดอาการจิต ไปสอด ส, ส, ส, ส่วนตางของง่างกายตอนนั้นมัาจะทำยังไงเราจะวุ่นวายแล้วเราจะชืยๆชืจ้จะผ่าอาจารย์ได้จังกแล้วก็อีกคำถามหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับวินัยของส่งเล็กน้อยคือ การประวารณากับพระสงฆ์ที่ไม่ใช่ญาติเจ้าครับอาจารย์ลูกเคยได้ยินว่าการปรวารณาของเรามันมีอายุด้วยใช่ไหมเจ้าคะรู้สึกจะสี่เดือนหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อแม่แล้วแต่เราจะกําหนดคนคนที่จะประวารณาตัวเองที่สามารถกําหนดปริมาณระยะเวลาได้ไม่ว่าช่วงนี้ช่วงคําวภรษานี้ถ้าท่านต้องการขาดหรืออะไรในปัจใจสี่ช่วยกรลณาบอกให้ข้าพาาเจ้าทราบเลยข้าพเจ้าพร้อมที่จะ น้อมถวายอันนี้เป็นการเป็นการกําหนดสิ่งของนละกําหนดเวลาที่จะจะจะตอบตอบตอบสนองความต้องการของท่านแต่บางท่านกา็นะท่านต้องการอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอะไรไม่ได้หมดอย่างนี้ก็แบบว่าปลกว้างถ้าเป็นเช็คก็ไม่ต้องเขียนปริมาณมอย่างนขียนไม่เขียนไม่เขียนไมเขียนเอาเอง อเขียนเราเองอ่ากจะเบิกเท่าไรก็ใส่อเขียนเข้าไปให้บัตเช็คให้สมุดเช็คไปเล่มหนึ่งนั่นขอคุณจัดการเนาะมันไมเป็นหรือให้บัตรเครดิตไปใบเนาะคุณยก็ไปกดเอาตามความต้องการอันนี้แบบไม่มีลิมิตเนี่ยมันก็ภาวนาได้หลายลักษณะแบบมีลิมิตมันระยะเวลาหรือปาวนาสิ่งของบางอย่างอย่างได้อย่างหนึ่งเช่นจีวอนอย่างเดียวอนี้หรือไม่ ก็เป็นการ บ, บอกว่าเราอยากจะสนับสนุนในด้านนี้บางทีก็อยากจะสนับสนุนเรื่องกุฏิอ่ะกุติเป็นอะไรซ่อมแซมขาดอะไรก็บอกมีมีซ่อมจหาช่างมาซ่อมแซมให้หรือถ้าเราอยากจะเปิดบ้านกาถ้าท่านต้องการอะไรก็บอกข้าพเจ้าก็เล่ากัน นี่ฟังแต่กลัไไวจะรับไม่ไหวนี่งค่ะถ้าเกิดไปเจอพระที่ไม่ไม่มากน้อยสันโดก็้วก<อ>็วอย่างเงี้ยเจ้าข้าพระอาจารย์ถ้าเราไปวารณาไปว่าถ้าขันหรืออะไรที่เราพอช่วยได้เราเรารจะเราจ ะ, จะช่วยแล้วถ้าเกิดท่านขอมาแล้วอยู่ในสภาวะที่ปัจจุบันเราไม่สามารถสพอร์ตได้จริงๆอย่างเงี้ยเราเจ้าข้าพระอาจารย์มันจแล้วก็เราต้อบอกท่านตรงตรงเลกเบอกว่าถ้าท่านต้องการอะไรที่ข้าพเจา้พาพอจะช่วยได้ก็ยินดี ถ้าเขาภาวะถ้าเขาขอสิ่งที่เราไม่สามารถช่วยได้เราก็บอกเราไม่สามารถที่จะช่วยได้ะค่แล้วก็มีทางออกอาจจะเป็นวิธีการถ้าที่มีความลูมากก็ได้ค่ะบางทีเจอเหมือนการปรับป้าจ่าพอภาวนาหน่อยก็ขอนุนขอนี่ขอไม่หยุดไม่หย่อนได้เจ้าค่ะจะได้เป็นแนวทางไว้เจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็บพระคุณพรอาจารย์ อสารคือ่ะคุณบอกสุทธาเสนจากกระทรุมใช่ไหมอ่ะแล้วค่ะอาจารย์ค่ะวั น, นวันนี้อ่าลูกสาวมีคำถามแล้วค่ะคำถามได้เลยอาจารย์ชื่ออะไระะน้องฟ้าค่ะน้องฟ้ามีอะไรว่ามาพุญดำดำทำยังไงให้มีชาติตอยู่แบบต่อเนื่ตาเาต้องพูดโทรไปเรื่อยๆค่ะต่อ ทำพุโทโธไปในใจไม่ต้องออกเสียงพุโทโธพุโทโธพุทโธไปพอมีพุโทโธมันก็จะไปใจมันก็จะไม่ลอยไปลอยมาตามความคิดต่างๆมันก็จะมีสติจะรู้ว่าเรากำลังเดินกำลังทำอะไรมันก็จะรู้ตัวทําพุทโธไปภายในใจเ น, นื่อยๆอย่าอย่าให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆ มอพอใจลอยไปก็แสดงว่าพุทโธหายนะเขาเรียกพุทโธกำลังใหม่อม่อม่กี้ใครเข้าว่าเราหน่อยก็มานั่งเสียจบเสียใจเนี่ยว่าไม่มีสติละเพราะว่าเขาผ่านไปแล้วตงงานแล้วแลวยังไปคิดถึงหน่อยเพราะว่าคําเดียวตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วยังมานั่งเสียใจอตอนนี้นแสดงว่าไม่มีสติไม่ยินไม่ได้อยู่กับพุทโธเราอยู่กับพุทโธพุทโธมันเลิไมไปหมดแล้วใครก็ทําอะไรใครเข้าว่าละ เข้าใจไหมเข้าใจค่ะมีท่านี้เลยฮนะมีท่านี้นล้วค่ะลอาทําดูนะแต่บางเวนาถุกคุณแม่ว่าจะได้ไม่ต้องเสียใจคุณแม่ปั๊บมันว่าคำว่ า, วาพุ๊บมันก็ผ่านไปแล้วเราก็พูดโทพูดธทรแล้วไปปล่อยคุณแม่ว่าไปค่ะนะแต่ถ้าคุณแม่ว่าอะไรก็ฟัง บางทีคุณแม่สอนว่า อ, าอย่างนี้ไม่ดีนะหนูอย่าทำนะ<ด> น, นี่เราฟังแล้วก็ทาอย่าไป ท, ทาตามที่อย่าไปทำสิ่งที่แม่บอกไม่ดีนะขอบคุณค่ะโอเคอัลตรนีนะค่ะพัดนขาวันนี้ลูกจะกลับเรียนว่าไปฉีดวัคซีน booster เข็มที่สามราเป็นแอสตาราเจ้าค่ะไปฉีดไปรอดเข็มสามเข็มามันชีโนแวตใช่ไหมใช่ค่ะ ไปฉีดเมืเช้ามานะคะตอนนี้ต้นพ ว, ท, พวที่ฉีเชียนรุ่งล่างนี้ฉีดเโนเวสสองแข็งนะเนยต้องเอาเข่งสามมาสตาดีดีอาการไหมไม่มีค่ะมีปวดแขนนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีความกังวลอะไรเลยเจ้าค่ะรู้สึกว่าอคําสอนของท่านพระอาจารย์มันอยู่ในใจเจ้าค่ะมันรู้สึกว่าทําให้เรามีความเขาเรียกว่า ไม่มีความวิตวิตกกางบนเจ้าค่ะใช้สถิตแต่ว่ารู้สึกจะเป็นปัญญาเจ้าค่ะรู้สึกสบายมากเลยค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดมันจะปวดก็ปวดทุกอย่างไม่เที่ยงพิจารณาปวดแล้วเนี้อมั้ก็หายยมัได้ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องวุ่นวายดน้ำมีครเข้ามาหรือเ่าเข็มสามนี่มันจะช่วยพู่ขึ้นมาเท่าไหร่ มีคนบอกค่ะอ่าเป็นอ่าเจ้าหน้าที่ต่างๆก็บอกมาว่าเข็บไหนรู้สึกว่าภุมิจะขึ้นค่อนข้างสูงเลยเจ้าค่ะมีตัวเลขไม่นด้จำตัวเลขไม่ได้เจ้าค่ะรู้สึกว่าสูงกว่าแอซตากับแอซตาสองเข็มค่ะเ อ, อ่าใช่ดีนี่ก็อยู่ได้ของเดือนนะแล้วในของเดือนนี้นนนเ ร, เรมรอว่าทาไหค่ะสำหรับหลูไม่ไม่มีผลข้านเพียงอะไรเลยตั้งแต่เมื่อเช้าถึงตอนนี้นะคะออแต่รู้สึกปวดบริเวณที่ฉีดนิดเดียวค่ะ ใครก็ยังไม่มีเจ้าค่ะแต่ละคนนี่ก็มีปฏิบัติยาสอยยาไม่เหมือนกันแต่ละคนมีมีภูมิมีกาลังวังชาสขภาพไม่เท่ากันนะค่ะพอบางคนเขาบอกว่าไปฉีดแล้วเป็นไข้หนักมากท่านอาจารย์แล้วก็มีอาเจียนด้วยเจ้าค่ะใช่แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะดีอันนี้หมดคาถามเจ้าค่ ะ, ะสาธุจ้ะขอบคุณค่ะ มีการชี้การชิ้ไต้หวานหรือเปล่าเนี่ยมีบแสงตห้หวานครับไห้หวานครับมีอะไรไหมวันนี้มากราบและมัสการครับวันนี้วันพระเลยเข้ามากราบแลมัสการโอเคสาธุาก็ไม่มีอะไรนะฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันการสนทนารมดรวยการฟังทำนี้เป็นมงคลอย่างยิ่ง ไอ้ํัมมังกรงารล้มตัมมังการเล่นนธรรมสวรรค์แล้วอาการังทั้งการเล่นนธรรมะสาฉาแล้วอาการสนทนาทัารร้งไอ้ํัมมังการมุ่งตัมมเป็นมงคลอย่างนี้มีโอกาสมาันฟังบ่อยๆไม่ต้องรอวันท้าก็ได้สมัยนี้เราช่วงดีที่สมัยก่อนต้องฟังวันท้าเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีสื่อแล้ว ชาวบ้านไม่มีความสามารถที่จะอ่านหนังสือได้ก็ต้องอาศัยไปวัดโดยให้พระท่านอ่านท่องพีให้ฟังแลยแต่ละทันเถรต้องรองวันพระถึงจะไปฟังทําได้แต่สไลด์ที่เรามีสื่ออยู่ในมือถือเราเนี่ยนจะฟังตั้งแต่เช้าจนจนหลับเลยก็ฟังได้ทั้งวันทั้งคืนครับก็ดูพระอาจารย์ถ้าว่างก็ดูครับก็ๆๆทํางาน ดีกว่าดูกันเมืองนะดูการเมืองแล้ววุ่นวายคนนั้นด่ากันคนนี้ด่ากันไปด่ากันมามันก็เหมือนหมาแย่งกระดูกกันนัละมด่กดากันเนี่ยใช่ไหมแย่งผลประโยชน์กัน <c oughs> อย่าไปสนใจปล่อยเขาไป ค, คนเราคนเรโลกกันนะอยู่ในโลกของธรรมะดีกว่าโลกของการดับความทุกข์โลกของกา ร, ากกขการเข้าสู่ความสงบ ไม่ต้องการอลไรจากใครใครจะมาเป็นนายกใครก็ไม่เป็นนายกไม่เป็นประเด็นไหวยขาเป็นไปใครจะรวยใครจะไม่รวยวยก็ไหวเขาไม่คิดเรื่องเราเราขออย่างเดียวขอให้เราไม่มีความทุกข์ในใจของเราเ แ, okay, นะแต่ยังพอโอเคนะคุณ น, นาต่อคุณนาจ่าคุณดรนสาธุสาธุค่ะค่ะกาดมาสการ์ค่ะ ไม่มีอะไรไม่มีคำถามาค่ะคุณชาติกะเชาตกะเขาไี่น่าเข้ามาทีพูดไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ได้เปล่าเลยกราบนมัสการพระอาจารย์คะ่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์คะ่ะคือหนูแพนไว้ว่าคือเดือนหน้าคะ่ะจะไปฝึก สมาธิที่เข่าชิโอนนะค่ะแต่หนูไม่เคยเลยแล้วก็ทีนี้คุยแล้วก็มีแบบพวกพี่ๆเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าไปอย่างเงี้ยค่ะน่าจะต้องมีแบบยังไม่น่าที่จะไปน่าจะมีคนที่แบบแนะนาก่อนก็เลยบอกว่าหนูเปิดของพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์สอนให้พุทโธหนูก็คิดว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วก็เราก็ไปที่เงียบสงบเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิอะค่ะ เพื่อมั น, ม, นมันก็อยู่ที่ว่าเราจะพูดโธรไปได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าอยู่คนเดียวถ้าเกิดเวลาให้พูดโทรคิดนู้นิดนี่เดี๋ยวมันค่งช้างกันมาได้เพราะว่าหนูคิดว่าถ้าอยู่ในนี้ยมันถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูว่ามันน่าจะคุ้มฟังหนูก็เลยอยากไปอยู่แบบเดียเด่ยวๆแบบที่เงียบสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อที่พคาคเขาเรียบร้อยแล้วค่ะรบคไม่ลองก็ไม่รู้นะ ก, ก็ก็เลยแบบ คิดว่าแบบเหมือนอยากจะลองเพราะเห็นพาร์ติจ่าบอกว่าถ้าเราแบบไปที่เงียบสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ะจะไวหนูเพิ่งเริ่มหนูก็เลยแบบอยากยากูจะลืมไปถึงเงี้ยแล้วกูจะเดินพูดโทรศัแต่กัวงวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะพยายามมาค่ะเรพูดโทรก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะที่ที่สงสัยอะคะ่ะในในในตลอดเลยอะคะ่ะคือเอิญ อยู่กับดูแลแม่แล้วแม่แม่ตายอ่ะค่ะแล้วแม่เขาจะเป็นคนนี้แบบธรรมะแล้วก็อนั่งวิปั ส, สนาที่นี้ตอนดูท่นตอนเป็นบมะเร็กอะค่ะตอนอยู่ด้วยกันสองคนอย่างเงี้ยค่ะประมาณตีสองกว่าเนี้ยค่ะแบบปกติไม่ค่อยเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกพวกอะไรต่างๆนะคะมันก็มีแบบ ในห้องน่ะค่ะเห็นแบบเตียงแม่ลอยขึ้นไปข้างบนเลยค่ะตอนแรกหนูก็หนูก็ไม่ได้หลักหนูก็เลนเดินมองดูว่าเอ๊ะเราอาจจะไปโดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สรุปมันก็ไม่ไม่ได้โดนอะไรแล้วหนูก็เลยนั่งคิดไห้แล้วก็บอกว่าเออแม่เขาก็ทําบุญมาเยอะแล้วก็หนูก็อาจจะบุญน้อยถ้าแบบยังไงก็นั้นแล้วก็เตียงนะค่ะมันก็ค่อยๆเลื่อนลงมา แล้วก็หนูก็เลยเปิดอีทีพิโซถึงเช้าแล้วก็หนูก็พอเสร็จแล้วอะค่ะหนูก็เลยตัดสินใจพาแม่ไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็ทีนี้แม่หนูเอาเงินมีมเซ้นหรือยังไงตอนแรกหนูก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วแม่เขาก็จะบอกเหมือนกันว่าเออเก๋ถ้าเก๋ไปตรงนี้นะเก๋อาจจะไปเจอเออจะต้องมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ให้ให้ให้หนูกับแอนเป็นคนตัดสินใจแล้วก็จะไปเจอ หมอผู้ชายที่รักษาอะไรอย่างนี้หนูก็เลยสังเกตว่าหลายทีที่แบบแม่เขารู้ตอนแรกหนูไม่นึกจนกระทั่งแบบแต่หนูก็ดูแลเขาตลอดอ่ะคะ่ะแต่ระหว่างที่ดูแลมตลอดเนี่ยหนูจะนิ่งมากแต่ทีนี้แบบวันที่แบบมีลูกกันหลายคนอะคะ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันหนูก็เลยแบบพอแม่หนูเสียหนูก็เลยบอกว่า หนูไม่เอาอะไรเลยหนูพอเพรว่าตอนที่แม่อยู่แม่ก็ถามว่าอยากได้อะไรไหมหนูก็บอกหนูไม่อยากได้เพราะว่าหนูคือว่าแม่เลี้ยงมาตลอนแล้วก็ดีมันผ่านไปแล้ ว, ละวนะโยมพยายามดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันดีกว่าอย่าไปนะคิดถึงอะไรที่ผ่านไปแล้วให้เมื่อพูดถวพูดถวให้ใจอยู่ในปัจจุบันอยู่กับความว่างความที่แปรดินนะเดี๋ยวก็ดีใจบ้างเสิ้ใจบ้าง คิดไปอนาคอตอนเหลยวก็วิต ก, กบ้างคำนวณบ้างเอย่าไปนะให้มันอยู่ในปัจจุบันแล้วใจจะแน่งใจจะสบายแต่พอแม่หนูเสียหนูค่อนข้างดิ่งมากเลยนะคะพระอาจารย์ดีก็ทําให้มันดิ่งไปเรื่อยๆนิ่งตลอดค่ะแต่ว่าหนูก็แผ่นกันไว้กับแฟนพรหนูไม่มีลูกหนูก็คือหนูลาออกปั้งนานแล้วเพื่อมันดูแบบดูแลแม่แล้ว ก, แวก็แล้วก็เสร็จหนูก็จะบอกกับแฟนไว้ว่า คือเราก็ไม่มีลูกก็คือแบบเหมือนมากอันนี้แล้วก็ไออันเนี้ยค่ะมันก็พอแล้วสําหรับหนูค่ะโอเคเนี่ยเอาท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวนี่ยค่ะค่ะไปจที่คนต่อไปนะเพราะมันคนเยอะเดี๋ยวท่านไปพูดยาวๆแค่เนี้อค่ะโอเคค่ะก็ทําตามที่บอกให้อยู่กับพูดโทรไปตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องไปรอถึงไปที่นั่นแล้วก็พูดโทร คุณโทนนี้ใช้ได้ทุกที่เลยนะคุณโทนแล้วใจเราจะอยู่ในปัจจุบันแต่ตอนนี้หนูก็เริ่มแบบหัดหัดไม่ไม่ไม่ทานออหรือทานทานแค่เที่ยงฝึกไว้อะคะ่ะลองดูลองดูนะ้คุณ่ยินดีต่อคุณยินดีเชิญจากเซาแคลอร์นะีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เดวิดกับสวัสดีสสด้วยค่ะ ก็ขอให้ถ้าอาจารย์อสุขภาพแข็งแรงค่ะวันซองเต้ค่ะท่านอาจารย์หนูมีคําถามหนึ่งคำถามนะคะคืออยากจะให้ท่านอาจารย์่ะช่วยกระจางให้หน่อยนะค่ะหนูฟังของหลวงตามหาบัวค่ะท่านบอกว่าพึงเจริญอันนี้จัดสัญญาเพื่อถอนอัศมิมานาเสียอนาตตาสัญญาก็พึงเห็นพึงตั้งใจไว้ด้วยดีความถอนอัศมิมานาเสีย ขึ้นเสียได้เป็นปรินิพานในทิฏฐิทำพบปัจจุบันนี้ทีเดียวอันนี้หมายถึงคือมั น, มนต้องเห็นตายรักในในทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะถึงมิพานได้มันถึงจะตัดความโลภความอยากต่างๆได้หมดอาส ม, มานะมันมันคือมันมันคือตัวเดียวกับตายรักสิรอคะท่านอาจารย์ไม่มาณนะก็คือตัวตนเนี่ย ต้องใช้ใจละคือไม่มีตัวตนมาเป็นมาแก้มันตอนเวลาเราคิดว่าเราเป็นตัวเราเนี้ต้อ่บอกนนี่ไม่ใช่นะไม่มีตัวเราครําว่าเราไม่มีคําว่าตัวเราไม่มีไอ <c oughs> คำที่ว่าเป็นตัวเราก็คือตัวตัวความคิดตัวสัญญาความจํำนี่ทั้งนี้ค่ะค่ะอย่าไปไกลเอาเอาเอาของใกล้ๆเราก่อน เอาเ <ฮะ S 1> วทเอาร่างกายเราเอาทรัพสมบัติข้าวของเองินทองเราไปก่อนมากมันเป็น <ฮะ S 1> ตายรักไปก่อน <ฮะ S 1> แล้วแเราทําให้เราเลิกเลิกไปยึดไปติดกันได้ก่อนน<ฮ>ะมันเป็นเรื่องระดับสูงน ะ, <ฮ>ะระคับที่ต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเข้าไปสู่ระดับที่เล็กกว่านั้นได้ค่<ฮ>ะคือหนูอยากต้องการ คืออยากจะเข้าใจเฉยๆ่ะค่ะถ้าอาจารย์ว่าตัวตนเนี่ยตัวตนนี้มันมีไปซ่อนอยู่สองที่ซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วก็ซ่อนอยู่ในจิตเนี่ะแล้วเราก็กาจัดตัวตนที่ซ่อนอยู่ในร่างกายก่ะนมาล่างกายเราไม่ให้ตัวตนมันเป็นเลน้ำลงไปพอปล่อยร่างกายได้แล้วมันก็จะไปดอกไปซ่อนในจิตอีกทีในความรู้สึกเล็กที่หนึ่าเป็นเราเราเป็นอะไรนุ่นเป็นนี่ อันนี้ก็เป็นตัวตัวตัวตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงไม่มีค่ะในจิตเป็นตัวรู้เท่านั้นเองไม่มีตัวตนในจิตค่ะท่านพระอาจารย์ค่ะนั่นต่อไปมันก็ยังทําไม่ได้อย่างนี้เพราะขณะดัานกายอะไรยังทําไม่ได้ตัวจิตมันละเอียดกว่านี้หลายเท่าค่ะ พยายามปล่อยวางร่างกายให้ได้ของว่าร่างกายไม่ยึดตัวเราเป็นเอนคนรับใช้เราไม่ต้องไปดูแลมันมากเกินไปค่ะส่วนใหญ่เราจะเลีงเจ้านายคือตัวเรานอกไปดูแลรุ่ล้อมากกว่าแต่งตัวให้มันหากระเป๋าให้มันหานองเท้าให้มันหาอะไรให้มันเยอะแยะไปหมดส่วนตัวเจ้าของนี่เป็นเหมือนขอทานไม่มีอะไร การที่หาสรัพภายในกลับไปหาทัพยภายนอกทรัพภายนอกก็หาให้ร่างกายนี่หาให้ลูกน้องส่วนเจ้านาต้องการทรัพยภายในก็ไม่หาให้เขาทรัพภายในก็คือศีลทานทาทาทานนับฐานศีลภาวนาคือทรัพภายในหมดแต่ไหาทรัพยภายนอกกันหมดแต่ไปแต่งตัวไปเสริมสวยความงามไปอะไรต่า แล้วก็พาไปเที er ่ยวกันเที <peanut> ่ยวนี้น่นเที่ยวที่นี่กินนู่นกินนี่อันนี้เป็นการเลี้ยงคนใช้นับดูแลคนใช้ไม่ดูแลตัวเจ้านายคือใจตอนนี้พยายามตัดตัวนี้ให้ได้ก่อนอย่าไปเลี้ยงดูมันมากเกินไปเอาแบบมั่งน้อยสันโดษสำหรับนั่งใช้มั่งน้อยสันโดษขอให้มันอยู่ได้ก็พอไม่ต้องหรูหราปัจจัยสิเสื้อผ้า ซื้อของลดราคาก็ได้ไม่ต้องไปซื้อของแพงมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันอาหารงูเราไปกินอาหารตามพัตตะคารหรือหลา้าขายเจียวทอดขาเจียวกินที่บ้านก็ได้เรื่องมันใช้มันเป็นเรื่องมันดีหรือไม่าเป็นเรื่องมันดีตามไปกินที่พัตตะคารไปที่หลู่ห้ามีบันเทิงมีอะไรต่างๆะ อันนี้เป็นการเลี้ยกคนใช้นะตัวเจ้านายไม่มีไม่ได้ทำทานเลยไม่ได้รักษาศีลเลยไม่ได้ภาวนาเลยทราบทายในเนี่ยีต้องการทานศีลภาวนาแต่เรามักจะไปบำรุงบำรุกับร่างกายด้วยลารยศสารเสลด้วยรูปเสียงกลิ่นรสกายอะไหอเหี่ยวยิวโหยนะ บางทีเราไม่อา่านทาขั้นสูงเราเราอยากจะรู้แต่เรายังไปไม่ถึงเราทําขั้นต่ำก่อนดีกว่าค่ะคืคะ ง, งแต่หนูอ่านไม่ใช่ค่ะพอดีหนูได้ยินนะคะพอดีพอหนูฟังของท่านพระอาจารย์แล้วพอดีของหลวงตาก็ผ่านเข้ามาพอผ่านเข้ามาหนูก็เลยแบบที่หลวงตาพูดนี่หมายถึงอะไรหนูก็เลยจด พอจดแล้วหนูก็เลยมาถามท่านอาจารย์นะคะเป็นการรู้ว่าค่ะนะตัวตนตัวตนเกิดที่ไหนหมอมันไม่ใช่ของปลอดตัวตนไม่มีพระพุทธเจ้าบอกอนันตาไม่มีตัวตนค่ะถ้าใครมีความรู้สึกนึกคิดกับสิ่งใดว่าเป็นตัวตนเป็นละเป็นของเรล่านีแสดงว่าไม่ใช่นะหลงนะค่ะถ้าเป็นของเราหั่านี้ก็หลงนะค่ะ ไม่มีอะไรเป็นของเราค่ะเข้าใจนะค่ะเข้าใจค่ะท่านอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติอยู่ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านต่อไปนะค่ะคุณอ้อมเชิญจากคุณอ้อมจากบอกเรียนน้ำมัสท่านอาจารย์แว่ายังไง ค่ะวันนี้มีคำถามค่ะพอดีรอบก่อนตัวสามสังโยชน์ลงลึกไปที่ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็การลูกคําศีลแล้วทีนี้ย้อนกลับมาที่ส ก, กายทิฏเตียค่ะอันตัวนี้ก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าใช่ไหมคะพ่อาจารย์ขันทั้งห้าแต่เวลาปฏิบัติก็เอาแค่ ส, สองตัวคือร่างกายแล้วก็เวทนา เวทนามันมาเป็นมันมาเป็นกลุกมันมาเป็นทีมเวทนาสัญญาสารฐานวิญญาณนี่มันมาทำเป็นทีมเวลากระทุกเวทนาขึ้นมานเราก็พิจารณาว่ามันไม่เที่เป็นทุกข์ไม่เชี่ยตัวเราไม่ใช่เราเป็นเหมือนดินฟ้าตายสั่งมันไม่ได้ห้ามันไม่ได้ถ้าอยากให้มันไม่มาก็จะทุกข์ถ้าอยากให้มันหายมันก็จะทุกข์ ถ้าไม่มีความอยากปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันไปใจมันจะไม่ทุกข์กับเลยเราเน้นที่เราไม่ทุกข์กับรูปแล้วก็เวทนาใช่ไหมคะอ่าสองอยา่างรูปก็คือนั่งเราเน้นแค่ ส, สองตัวนี้สองตัวนี้ก็พอก็คือความแก่และความตายก็คือนั่งตาย ค, ความเจ็บก็คือเวทนาค่ะที่เราจะต้องเจอแก่เจ็บตายผมบอกก็ไม่ต้องไปย่อมัันไห มันไม่จําเป็นเนี่ยหงอกก็หงอกกหงอกไม่หงอบ ก, ก็ยังอยู่ได้เหมือนเดิมถ้าไหนาจําเป็นอ่าถ้าตาแดงเนี่ยต้องไปหาหมอให้รักษาได้แต่ผมขาวไม่นี่ยต้องไปทําเลยเหมือนเดะมก็ ต, ตา ม, มา อ, อมาอยุนะคะตามอายุไปของอะไรที่ยังเป็นต้องซ่อมก็ซ่อมอันไหนไม่ทาเป็นก็ซ่อมก็ยังซ่อมน้ำหิวไม่ต้อง ไ, ไปเดินมันคเดี๋ยวก็ไปใช้โบท็อกช้อะไรฉีดให้มันตึงขึ้นใหม่ มันจะเป็นะคือความแก่กลัวความแก่กันอยากจะเป็นา ส, สาวสวยในสังวาลไม่รู้เลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ความจริงมันไม่เที่ยงนั่ากันถ้าดูคุณย่าคุณยายเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราไม่ใช่หรือใครคิดไหมวาเมื่อก่อนเขเป็นเหมือนเราเป็นค่ะแล้ทำไตอนนี้เขาไม่เป็นแล้วนะก็ค่ะก็ต้อง เปลี่ยนแปลงไป แ, แล้วเราก็เลี้ยงตัวเราก็ต้องมป็นเหมือนท่านค่ะสลับกันดูเราสลับตัวกันดูเหมือนฟาดฟอร์เวิร์ดถ้าเป็นเทพก็ฟาดฟอร์เวิร์ดไปอีกสี่สิบปีค่ ะ, คะเราก็ต้องมองมันเป็นไตายรักเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมคะห้ามมันได้ปะเขาว่าตายรักก็คือห้ามมันได้มันจะแก่ห้ามันแก่ได้มันจะงอห้ามมันได้ เกื่อวันมันงอไปก็อยู่กับมันไปธรรมดาไม่ต้องไปพุ่นวายไปกับมันไม่ต้องไปยอมผมไม่ต้ อ, องไปย้อนยังไงมันก็เดี๋ยวมันก็งอกคกมาใหม่เลยเส้นใหม่เส้นใมอม ะ, อะส่วนวิจนาค่ะมันเปลี่ยนไปเป็นมาสุดมาการ่างกายบางทีก็สุดบางทีก็ทุกข์ใช่ไหมเวลาหิวข้าวนี่สุดก็ทุกข์ทุกข์ค่ะ เวลากินอี่มก็สุกทุกทุกถ้าอิ่มมากก็ทุกขาไม่ถนะ้าเอาก็เอาอิมอ่มเอาอิมมอ่มค่ะสุกค<า>่ะแล้วเวลาที่ไม่หิวก็ไม่อิ่มนี่เขาเรียกว่าอะไรพอดีค่ะไม่สุกไม่ทุกข์แค่อือค่ะออาคือเวทนามันต้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่ต้องไปยึดติดกับมันอ่าถ้ามันมาแล้วเรา มันมันไม่ยอมหายอย่างบางอย่างมันมาแล้วเราทำให้มันหายได้กินข้าวเราจะหาข้าวกินมันก็หายออืมกินน้ําแล้วก็ดื่มน้ํามันก็หายนี่ถ้าเกิดปวดท้องขึ้นมามันมันอาจจะไม่หายมาองว่เลยกินยาบางทีก็ไม่หายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนรืปฏิบัติก็ไม่วี่งไปหาหมอไม่งไปหาธรรมะว่าเอ้ยมันไม่ใช่เราไป บ, บังคับมันไม่ได้ หน้าตามันมามันไปตามเรื่องของมันเดี๋ยวมันก็ไปถึงเวลามันก็ไปมันยังไม่ถึงเวลาก็ให้มันอยู่ไปไม่ต้องไปวุ่นวายมันค่ะนั่งสมาธิอยู่แล้วปวดขาก็ไม่ต้องไปอยากให้มันไม่ต้องไปขยับมันฝล่อยมนแล้วก็ทําใจให้นิ่งๆเชยๆหันอยู่ของมันไปอันนี้เนีว่ละสักกายทิฏฐิไรนะละเมตตาส่วนนั่งการมันจะตายก็บป่วยมันตายไปมันจะ แก่ก็ป่านมันแก่ไปละขันท่าคือละความแก่เจ็บตายนี่เองถ้าละความแก่เจ็บตายด้านไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายได้านก็ถือว่าละสัตยยาทิฏฐิได้อืมค่ะอาจารย์นะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะมีอะไรไหมไม่มีค่ะขอบพระคุณค่ะเมื่อวันก่อนมามาใส่บาตรหรือเปล่ามาใช่ไหมที่วัด ใครคะมันก่อนมาใส่บาที่วัดใช่ไหมใช่ค่ะก่อนขึ้นไปบนเขาอ่ะค่ะอ๋ะแล้วเป็นยังไงบ้างไปอยู่บนเขาดีค่ะพระอาจารย์ยังไงยังกลัวอยู่อ่ะกลัวไม่ไปละไปไม่กลัวตอนกลางคืนก็ไปนั่งข้างนอกอยู่นะคะเ่สมาธิที่ระเบียงอะค่ะไม่รู้สึกกลัวเลยไปนี่คือจะรู้สึกเหมือนปรับก่อน จะได้ยินเสียงอะไรก็จะตกใจเวลานั่งสมาธิแต่ว่าคืนที่สองนี้ตอนกลางคืนก็ออกไปนั่งข้างนอกได้ค่ะอ่าเไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วแหกลัวแต่ว่ามันก็น้อยแล้วอะค่ ะ, ะน้อยค่ะก็ดีค่ะพอาจารย์เดี๋ยมีโอกาสไปอีกเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาทำยังไงเออคือไม่คิดนะคะอาจารย์ยคิดเหรอใช่ค่ ะ, ะก็ก็มันความกลัวมันเกิดจากเราคิดขึ้นมาเอง่า อคิดคากลัวก็หายไปใช่ไหมค่ะโอเคดีได้ประโยชน์ไหยได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปอีกค่ะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณคุณพระดาตอนนี้ต้องแทนลับเป็นคน Tion แทนลับ t i n FC ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ที่เป็นปฏิบัติก็ดีมากเลยค่ะ คือมันนั่งจนมันเจ็บเจ็บแบบมันมันจะสงบก่อนนะคะแล้วมันก็มันถอนออกมาแล้วมารับรู้ความเจ็บแต่ว่าพอถอนออกมามันมันมันรับรู้ความเจ็บไม่ไม่ยังไม่มากเท่าไหร่แต่มันเหมือนมันเริ่มเจ็บแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่อยู่เบ็ขาอยู่บ้างหนูก็พยายามพูดโทใหม่ให้มันจะให้มันเข้าไปใหม่ แต่ทีเนี้ยมันมีคำนึงมันผุดขึ้นมาว่าใครใครเป็นคนที่เจ็บเนี่ค่ะ <S 2> <S 2> <S แล้วมันก็คิดแล้วมันก็คิดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เราเจ็บไอตัวที่เจ็บคือร่างกายค่ะ <S <S แล้วร่างกายเราก็คิดตอนอายุยี่สามสิบยี่สิบสิบเก้าไปจนถึงอยู่ในท้องแม่อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วมันก็กลับมาแล้วมันก็คิดไปถึงห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบตอนเราแก่ไปแต่มันมันค่อนข้างเหมือนมันเร็วเหมือนกันนะคะที่มันคิดอ่ะแล้วหนูก็ดึงมาคิดเมื่อกี้ว่าใครใครเปนคนใครเปนคนที่ตายแล้วไอ้ตรงที่เจ็บเนี่ยใครเป็นคนที่เจ็บเนี่ยก็มันก็คือมันก็คิดว่ามันก็เป็นรูป เป็นเป็นรูปเป็นกระดูกเป็นเนื้อที่มันเจ็บแต่ตัวตัวมันเองมันไม่รู้ว่ามันเจ็บไม่ค่ะแต่ความเจ็บอ่ะมันเพิ่มแต่ใจอ่ะมันนิ่งอยู่ที่เดิมนะคะอแล้วทีเนี้ยมันก็คิดว่าพอมันเห็นรูปปุ๊บมันก็ต่อไปเลยว่าเวทนานี่ไงมันเจ็บมันทุกมันอาจารย์ทุกขังอนัตตามันก็มาเป็นไม่รู้มาแล้วมันก็สัญญามก็มาเราไปจําว่าเนี่ยมันคืออาการแบบนี้คือเจ็บ อย่างเงี้ยมันก็มาแล้วก็สั่งขานี่เราคิดเองให้มันปรุมันก็ไม่เจ็บอะไรมันคือไอเนี้ยอาการเฉยๆมันใครไปบอกว่ามันเจ็บแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์มันแล้วก็เรารับรู้แล้วว่าใช่ค่ะมันมันมันไม่ใช่เราก็เรารับรู้แล้วว่ามันเราไปบอกว่ามันเจ็บเองอะว่าอาการเนี้ยมันเจ็บแล้วก็ต้องเปลี่ยนหมอไม่ใช่มันไม่เจ็บใช อ้าเราบองมันเจ็บแล้วก็เปลี่ยนว่าไม่เจ็บได้ใช่ค่ะแล้วแล้วมันก็เบาขึ้นไปเลยมันก็ลงลงเลยโล่งเบาแล้วก็ใจเราเราก็ปล่อยมันปล่อยเลยค่ะมันก็เฉ ย, เยมันก็รับรู้เฉยเฉยอย่างนั้นะค่ะอ่าก็คือวิธีสอนใจให้ปล่อยแต่หนูสงสัยแค่ ว, ว่าหนูกระสวดบนทําว่าเช้าหนูก็ยัง เปิดสวนอยู่เลยแต่ว่ามันเหมือนกับหยุดในบทธรรมวัชเช้าที่แปรนะค่ะมันเป็ น, น, น, น, น, นอันเนี้ยมันเวทนาเวทนาอนิจจาวิธานัตตาใช่ค่ะมันเหมือนอันนั้นอ่ะมันมันมาเตือนเราหรื อ, อยังไงตอนนั้นนาทีนั้นคะคะเพราะมันเจ็บมากประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์ที่ได้นนแต่วก<ะ>็แต่นี่เสถินนสคืออยู่มันได้อยู่ได้ค่ะ ม, นคนมันคนละมันคนละ จิตายากดูกันออกจากวิทนาไปประมาณนี้ค่ะมันเป็นคนดูไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนักแสดงหนุจอละคนนังยืนได้เฉมันเห็นแบบนั้นนะคะเราก็กจะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆ<ไ> ใ, ให้ให้จิตเราไม่ไม่ไปไม่ไปเอาวิทนาเข้ามาใส่ใ จ, ใ, จให้ใจเราทุกให้มันอยู่ คุณนอกให้มันอยู่ที่ร่างกายเราดูร่างกายแล้ว ก, ก็มันดูร่างกายอยู่เวทนามันอยู่ตรงนั้นแต่ใจเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิมค่ะใจเราเป็นคนดูนะของรง่างกายเอาเวทนาเป็นตัวเล่นเป ล, ละคร ต, ตัวเล่นตัวแสดงครับันท์มาแสดงไปไม่ต้องไปดีใจเสีย ใ, ใจบางคนดีหนาแล้วก็ร้องไห้ไปร้องร้องไป <c oughs> เพราะว่าครั้งนั้นที่มันให้มันเจ็บมากหนูนั่งขัดสมาธิเพชรขึ้นมาให้มันให้มันจะได้เจ็บเจ็บเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็เจ็บไนั่นแหละพยายามพิจารณาแยกนักจนกมันเข้าใจแล้วจิตนั่นก็จะเฉยไปเวทนาไม่หายไม่เป็นไรถ้าจิตเฉยแล้วไม่เป็นไรก็อยู่ประมันได้บางครั้งก็หายบางครั้งก็ไม่หายแต่เราแบบมันไม่ไม่สําคัญสำคัญที่ใจเราขอให้ใจเราไม่ทุกข์ก็แล้วกัน อาจารย์ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขอสอบถามอีกอันหนึ่งค่ะที่ว่าอาจารย์แนะนำคราวที่แล้วว่าให้เราดูอาการสามสิบสองค่ะเราต้องถอยด้วยไหมคะหมายถึงว่าต้องท่องท่องท่องท่องถอยหลังด้วยตออนอาจารย์สองมกลับมาสามสิบเอ็ดสามสิบอะไรค่ะเพราะว่าเรืต้องใช้สติมากขึ้นต้องใช้สติมากขึ้นมายถึงเต้องท่อถอยหลังได้ เพราะว่าบางทีเดี๋ยวเผื่อเจออะไรที่หนักขึ้นไปอีกจะได้อแล้วเราเวลาเจออะไรน้องใจใจมันไม่ดีกั็เราแชร์ภาษาหรสองหรือก็ได้เท่าชื่อไปไชื่อภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องภาษาบาลีก็ได้เดี๋ยวเดหัดท่องย้อนแปลอะไรก็ได้ม <laughs> ันก็ย้อนพอ <laughs> ถึงพอถึงน้ํามูนก็ถอยกลับมาน้ํามูลน้ําน้ำอะไราาได้กับข้อมาใหไ่พอถึงกรรมที่ถมใหม่แล้วก็กลับเข้าไปใหม่ <laughs> แล้วหน้าท้ายหลังไปได้ค่ะพระอาจารย์มีเท่านี้ค่ะต่อไปก็นึกถึงนึกถึงภาพของของอาการกต่างๆนั้นเราเป็นยังไงใช่เพราะว่าที่พระอาจารย์แนะนําแล้วหนูไปลองนึกมันมันมันนึกภาพมันมาด้วย อ, ะอ่ะเพรา ะ, ะ, ะเคยดูหนังสื่อไวอ้แล้วลองก่อนเขานึกถึงพอพูดถึงตัดไปเห็นในยัพท์อยูอ่ตรงไหนน้ำใจอยูอ่ตรงไหนปอดอยูอ่ตรงไหน มันยังจำได้อยู่ hammer, ที่เปิดปุ yeah. m ultimate, m pain, m ๊บมันมันมามันมาเะก็เลยถ้ไปเวลาไปเจอคนก็ดูอาการทางอิเลอนก็เขาไม่รู้ว่าเราดูเ้าเอ็กซ์เรย์เลยค่ะเอ็กซเรย์เข้าไปเยยิงเั็นนไหนเข้าหล่อเขาสวยเนยเราดูเขาแหวนมันสวยจริงหรือเปล่ามันหล่อจริงหรือเปล่าค่ะมองทะลุเขาแหวนเลก็ไม่มีอะไรน่าดูเลยมีแต่ หรือไม่แต่สุภาษิตไม่แต่ของเน่าของเสีย <c oughs> <Okay. S 2> ตัวเราก็เหมือนกันอทุกคนเหมือนกันเ้ามีทั้งเขาดูทั้งเราด้วยเวลาเราจะเสริมความงามในตัวเรากว่าเรากำลังเสริมอะไรผ้าเหมือนกับเป็นผ้าผ้าห่อพอขยะนั่งการ์ที่เหมือนกับอันหนังห่อขยะหนังห่อมีหนังแล้วข้งางในก็เป็นแากขยะนะ ตอปิกูนครัขอบคุณอาจารย์ูไม่ได้เนี่ยมันจะได้ทำลายก า, การมาตัญหาได้ราคทานธรรมราคทา ง, ทาาทางหลไปใครจะเขา้าใครจะหลอกใครจะสวยเฉยมันไม่ไปหลอไปสวยเรารูา้ธานแท้ของเขาแล้วรู้ของจริงของเขาแ้าะะนั้นแฟนเปิดหนังแล้วมันมีเลิฟซิน <rium> <asure> หนูหนูหนูเห็นเป็น <cod u ste ve> กรดูเป็นน้ำลายนเป็นมันมันดูไปอย่างนั้นเนาะดูแบบไม่นีอารมคนที่เขาไม่มีไม่มีปัญญาเขาว่าดูแค่อารมณ์คนที่มีปัญญาตประเทศเขาชอบมีฉากแบบนี้บ่อยก็ก็อาชีพมากของเราก็ผุกไปมาทันที ความมีมก็ไม่ขึ้นมาสุดภาพมันก็ขึ้นมาทันทีมันก็เห็นอย่างนั้นนะคะมันสมองแบบอะไรเอ๊ะ <c oughs> แ, อแล้วต่อ้ปก็นอนกับแฟนไม่ได้ไม่คือไม่อยู่แล้วอะค่ะแล้วแฟนก็ไม่ว่าไม่ค่ะเขาก็ของคือ <c oughs> ไม่ได้มันมานานแล้วค่ะอ่าก็ดีถ <c oughs> ้ยังอยู่กันได้ก็ดี อยู่กันเป็นเพื่อนค่ะถาเป็นเพื่อนนกันงค่ะาพาจารย์จะกลับไปก็ว่าตอนนี้จองไว้อยู่ค่ะแต่ว่ารอคุณป้าตอบกลับมาค่ะคช่วงปลายปีค่ะดีค่ะท่า <c oughs> นน้ก่อนนะมีอะไรไหมพระอาจารย์หมดแล้ะค่ะขอบพระคุณค่ะใครต่อคุณมณิกานะ่ยมณิกาเช่นมณิกา มนกาชายยาวเป่ อ, ปอปเป็นหมตีกลุ่ว่าอันนี้อ่ น, อ น, อนอลอแล้วพู้ะพูดได้ลนละกลบนมัสกาเจ้าค่ะอาจารย์เออมีอะไรไหมมีคาถามอะไรไก็จะถามข้าจาันว่ากนะารปฏิบัตินั้นก็ปฏิบัติอยู่นะคะอาจารย์แต่ว่าเวลาปฏิบัติแล้ว มันจะเห็นเป็นหลุมสีดํานะคะพอาจารย์หรือว่าเป็นความมืดแต่แต่บางครั้งก็ดีแต่บางครั้งก็ป็นคะ่ะอาจารย์เวลา<ำ>เวลาปฏิบัติใช้อะไรล่ะใช้สติกับกับอยู่กับอพุโทโธคะ่ะอาจารย์พุโทโธก็เวลาเห็นอะไรก็อย่าไปตามมันกลับมาหาที่พุโทโธครัอย่าไปสนใจ มันคล้ายกับจิตมันไหลลงไปนะครับพระอาจารย์ต้องใช้พูโทโธเดินกลับต้องใช้พูโทโธเดินกลับเพราะ ม, มันมันถูกหล อ, อกไปแล้วถ้าตามมันไปจิตก็จะไม่มีวันสงบเพราะเรื่งนี้นเราต้องการให้จิตสงบให้เย็นให้สบายต้องใช้คำใช้พูโทโธคอยคำกับคอยควบคุมอย่าให้มันไหลไปกลับไเจ้าค่ะพระอาจารย์มันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นภาพหลอนภาพหลอกเป็นมายาเท่ะนั้น แต่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันมันกลัวหท่านดกานั่นแหละเพราะมันมันหลอกเราไงแล้วอย่าไปสนใจให้กลับมาหาพุทโธทันทีนะเพราะมันมันจะไหลไปตามมันนต้องเรียนพุทโธเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราต้องรีบกลับมานะ้กลับมาพุทโธตามเดิมเราไม่ต้องการสิ่งแบบนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลที่เราต้องตาร ความว่างความสงบความเย็นความสบายถ้าพุโทโธไปเรื่อยเราก็ถึงจุด น, นั้นเองแต่ถ้าถูกอย่างอื่นมาหลอกปั้มเรามเราไม่พุโทโธต่อแล้วาก็ติดตรงนั้นดีไม่ดีก็เกิดอาการกลัวเกิดอาการอะไรขึ้นมาเราทำไการด้นั่ต่อไปก็ได้สําหรับคนบางคนะบรภาพหลอนนั้นนหละไม่เป็นของจริงเหมือนหลัง น, นะ หนังผีมันเป็นของจริงหรือเปล่ามันแค่เป็นหนังแต่คนดูหนังผียังกลัวเลยใช่ไหม<ะ>เพรา ะ, ะไม่มีสติ<ช>พอเริ่มกลัวต้องรีบท่องกลับมาอาพุโทโธพุโทโาแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วค่ะอันนี้มันก็เป็นพกพักนะครับอาจารย์บางทีก็รู้สึกว่าพอนั่งแป๊บมันก็โอเคนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็รู้สึกว่าลงแต่บางครั้งมันก็ติดในลักษณะอย่างนี้บ่อย ก็อยู่ที่สติของเราหนะึ่ะถ้ามีสตินี้มันก็โล่มันก็เบาเพรไม่มีสติมันเดีก๋ก็มันของเราเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นม า, านะงั้นถือหลักสติไว้ดีนะยึดหลักพุโทโธไว้ให้ดีเราจะจะจะได้ไปเข้าสมาธิได้นอยู่ที่ไหนนะั่นลืมถามที่คุณปริญญารณที่วารคุณพระอาจารย์เครเข้ามาหรือยัง เคยเข้าไปแล้วค่ะเคยไปวัดด้วยแล้วก็ในเดืนินในสารนะก็กลับกลับม า, าแล้วก็มามาที่บกบพระ้าจารนว่ามากักว่าอยู่สิบสี่วันนะคะผ้าจารย์แต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังอยู่สุขีรินนะคะผ้าจารย์แต่ว่าประเดือนเดือนพฤศจิกวันที่ห้านี้จะกลับกับดังนี้เลยค่ะผ้าจารย์อยากขอโพระอาจานแล้วด้วยว่าเหตุการณ์มันไม่ค่อยดีคขอดไปปวดภัยไปอยู่ที่โน่นเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ประมาณ ยี่สบห้าปีแล้วค่ะพระอาจารย์ก็หนึ่งปีก็มาเป็นจิตอาสาสอนอยู่เพราะว่าเกษียณแล้วละพระอาจารย์แล้วก็ในเดือนที่บอกว่าวันที่ห้าพฤศจิกาี่จะกลับไปก็วันวันอยู่เหมือนกันค่ะพระอาจารย์พรว่ามาอยู่ที่นี่ช้านานใช้สติดีปะ่ะใช้สตินับความหวันห่นอะไรจะเกิดแล้วก็ห้ามันไม่ได้นะไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันคนเรามันตายได้ทุกที่หรอกไม่จาเป็นจะต้องไปตายตรงโน้ อยนี้นก็ตายได้ถึงเวลามันจะตายนะกินอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่หวานนะเวลาหว่นก็ท่องพุโทธโธพุทโธไปตรงอภิจังแปลว่าความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกแห่ทุกคนครับก็ขึ้นได้กับทุกคนไมนะ่แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องตายนะคิดอย่างนี้ดีกว่าพร อ, อย่างนี้ดีกว่าจะได้ใจได้การาหานไม่หวานหนุ่ยไม่หวานคลั ก่อนนะโอารที่คุณประันต่อเช่นคุณประพันยังไม่คุณประพนธรบนการับอาจาย์อยื่ท่ไหนอยู่กรุงเทพมหานครครับมีคาถามอะไรไหมวันนี้มีคาถามครับสามีปัญญากันนี้ครับเป็นพระวัเคยทาบุญทาบาปรือเปานรับถึงมาอยู่ร่วมกันไม่แน่หรอกมันสองนี้มันมัน มันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเป็นเสมอไปมันอาจจะมีโอกาสบ้างบางครั้งบางคราวน้อ ง, ง, งกันแต่ไม่จำเป็นมันจะต้องเป็นเป็นอะไรกันมาก่อนอย่างจะมาเจอกันอย่างนี้มันจเป็นยังไม่ต้องไปงกังวลกับมั น, นกังวลว่าอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าหรือเป่ะอยู่ด้วยกันรักกันหรือเปล่า เหมือนกับแต่ก่อนก็เคยรักกันแต่หลังๆก็ไม่รักกันนะครับเขก็เลยต้องแยกแยกกันเพราะว่ามันมีลูกด้วยกันอย่างนี่ครับซึ่งก็ต้องดูแลและผิดชอบหน่งลูกครับก็ดูไปครับไม่ต้องไปย้อนอดีตว่ามันเป็นยังไงมายังไงดูปัจจุบันแล้วดูว่าเราจะทําังไงกับปัจจุบันให้มันดีที่สุดคือบางทีรู้สึกว่าเอเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันหรือเปล่าก็ไม่ดูนะครับ ก็เรียกคู่กรรมเนี่ยคู่กรรมหรือคูอ<ม>่บุญถ้าอยู่ถ้าอยู่ด้วยการร่อนร่างกันก็เรียกว่าคู่บุญถ้าอยู่ด้วยการลรทะเลาะกันนก็เรียกคู่กรรมก็คือก็คือไมไ่ไม่ได้คุยกันนคะครับไม่ได้ทะเลาะ ก, กันแต่ว่าก็ก็คงคือความคิดความเห็นแตกต่าง ก, กันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ก<อ>็แล<อ>้วไป ก็เป็น อ, อย่างี้เลยต้องกังวลก็เป็นอย่างนี้กังวลเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่บาีก็มีเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีด้วยความรักก็บางทีก็ทำให้เราทุกข์เหมือนกันนีะครับเราก็ต้องยอมอดเย็นยอมก็คือปล่อยวางไปใช่ไหมถ้าคุยกันแล้วเขาไม่ยอมก็ก็ปล่อยใหเขาปล่อยเขาเพรอยากจะทําอะไรกับลูกก็ปล่อยเขาเนี่ยออกไป แม้บางทีเราก็ไม่เห็นด้วยกับบางอย่างเราก็ต้องปล่อยไปใช่ไหมถ้าเราต้องการความเย็นไม่ต้องการที่จะไปมีเรื่องเวลาและยอมหยุดเย็นอประเต็นต่อมาครับอาจารย์ครับคือเอไม่กี่วันนี้ครับพถแล้วก็มีในช่องทางตัวเองครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกช่องทางหนึ่งแต่เขาเปลี่ยนเลนแล้วก็มาชนแล้วก็ล้มอย่างเงี้ยครับล้มน้บ ม, มบาดเจ็บนี่ครับ ทั้งคนขับและคนซ้อนหนึ่งครับอันนี้ถือเป็นบาปไหมครับถ้าเราไม่มีเจตนาไม่บาปเป็นอุบัติเหตุครับเป็นบัติเหตุครับแต่ชื่อพิสัยเขาก็ไม่มีเจตนาเราก็ไม่มีเจตนาความทั้งเหลอความไม่มีสติไม่มีความรอบครอบมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับแต่นี้พอดี ทางคนกลับก็พยายามที่จะให้ผมผิดให้ได้อะไรเงี้ยครับพยายามที่จะก็เป็นธรรมชาติของคนอะไม่ยอมรับผิดตัวยก็ให้ไปพิสูจน์กันครับตํารวจตรงอะไรไปเพราะว่าไปตามขันดอนของการพิสูจน์อยู่ครับคือพอดีผมที่รถมันมีกล้องหน้ารถนะครับแล้วผมก็มีมีบันทึกเอาไว้ตำรวจไปตำรวจก็ก็บอกแล้วว่าเออทางเขาผิดแต่ว่าเขาก็จะไม่ยอมรับก็พยายามที่จะบอกว่าเขาไม่ผิด เขาก็จะให้เราปิดให้ได้หรือร่วมรับผิดให้ได้อะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่ตาเขาคิดว่าถ้าเราในชนะดีกว่าเขาถ้าคิดว่าทาบุญทําทานไปช่วยเขาหน่อช่วยค่ารักษาพยาบาลอะไรให้เขาแต่ไม่ได้พว่าเราผิดแต่เพราะเห็นว่าเขาเจ็บแล้วเกาอาจจะเดือดร้อนเขาอาจจะไม่มีเงินที่จะรักษาตัวแล้วเราก็ทำบุญไปกันแล้วแต่คิดได้ผมก็คิดแบบนั้นกันครับคิดอย่างที่อาจารย์บอกเลยแล้วพอประกันเขาบอกว่าไม่ได้เด็ดขางอย่างเงี้ยครับ ว่เราไม่รู้ว่าเราจะคือหมายว่าในทางทางที่เรื่องเรื่องของประกันก็ให้เขาทำดำเงินไปแต่เรื่องที่เราจะใช้เงินเองเป็นเรื่องของเราเราก็บอกเขาว่าเราเนี่ไม่ได้เป็นการรับผิดอะไรนะเป็นการช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันเหตนป่วยเจ็บไายได้ปวดประศรีษานแา่นี้ไม่ได้เป็นการบอกว่าไม่จะรอให้เหตุการณ์มันเรียบร้อยก่อนแล้วมาให้เขาก็ได้ถ้าในนั้นก็รอให้คดีมันเรียบร้อยก่อนแล้วก็ ส่งขอเขาไปถ้าอยากไปช่วยเขาเราให้ครับครับก็ในการช่วยเหลือนี้ถือเป็นบุญใช่ไหมครับใช่เป็นการทําบุญทําทานเป็นการให้ความเมตตากรุณาต่อผู้อย่างอาชีพหมอพยาบาลนะครับครูอาจารย์พวกเนี่ครับในการเป็นอาชีพของพ่อพานแม่พานให้ให้ให้ความช่วยเหลือต่อผู้ครับก็เป็นอาชีพที่เป็นบุญนะครับเป็นบุญ เป็นหมอก็ให้ชีวิตเปนครูก็ให้ความรู้เป็นพระก็ให้ธรรมะชื่อเหลนี้ถือว่าเปอาชีพของแต่ว่าอาชีพหมอหรืออาชีพครูอาจารย์เนี่ยครับก็ให้ความรู้หรือช่วยเหลือคนเนี่ยครับรักษาคนไข้ครับแต่ก็มีการรับค่าตอบแทนแล้วยังเป็นบุญอยู่ไหมครับก็มันถ้ามันเป็นค่าตอบแทนพอสมเหตุสมผลถ้า ย, ยังต้องมีค่าตอบแทนเล ย, ยต้องเป็นตบบาทครับ แต่ถ้าเราถ้าค่าตอบแทนเพื่อมาเลิงดูเราไม่ได้เพื่อให้เราเล่าไม่้วยไม่เหมือนหมอที่ไปทํางานการเอกชนนี่โรงพยาบาลเอกชนนี่อาจจะถือว่ามันค่าตอบแทนมันมากกว่าความต้องการพื้นฐานของคนใช่ไหมครับถ้าทําแับโรงพยาบาลรัฐบาลนี่มันก็ค่าตอบแทนก็อยู่ในระดับขั้นมาตรฐานของความต้องการของมนุษย์นะกระจัยสี ก็แปลว่าหมอที่โรงพยาบาลเราอาจจะได้บุญมากกว่าบ้างการที่เราจะไปทําอาเอกชนเพราะว่ามีราคามีค่าต่างๆเยอะแยะเลครับครับหมอที่ก็มีอยู่นรงการยก็จะไม่ไปบางคนหมอบางคนเขาไม่ทำงานแล้วเป็นแล้วเราอยากทำงานแล้วยังต้องสอนลูกศิษย์อีกเีใช่ครับก็ไปวิจัยไปสอนแล้วก็ไปรักษาคนไข้เป็นการเสียสละถ้าเป็นการกรทําที่เสียสละมันก็เป็นการเป็นการทํา แต่ถ้าเป็นการทําเพื่อตอบป่วยมันก็ไม่ใช่เป็นการทำครับครับเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วครับหมดคำถามเป็นไรใช่ไหมเป็นน้อหรือเป็นเปอาจารย์ครับเป็นอาจารย์สอนคณะไหนสอนบริหารธุรกิจนะครับอครับเนี่ยท่านพี่นะ คุณปุ้ยจ้าคุณป้ยคุณ ป, ยณ ป, ยณป้ยอยู่ที่นักเซมเบอร์หคุณสวัสดีค่ะนมัสการกาบนมัสการค่ะได้ยินได้ยินชัดเจนพูดได้เลยอ่าได้ยินแล้วล่ะคะ่ะกาบนมัสการค่ะอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยู่รักเสมอร์ค่ะตอนนี้อากาศแย่มากเลยค่ะพอาจารย์ฝนตกที่นี่ก็ตกเหมือนกัน แต่น้ำไม่ท่วมค่ะไม่มีโควิดแล้วอยู่ไดฟ้าก็ต้องมีฝนเป็นธรรมดาค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะก็ปฏิบัตินามมารายงานตัวกับอาจารย์เพราะว่าปฏิบัตินามที่พอาจารย์สอนว่าให้หมันนั่งสมาธิทุกวันก็พยายามนั่งทุกวันทุกวันแต่ที่นี้มันติดขัดอยู่ช่วงสองสามวันมาเนี้ยคือเป็นอะไรไม่ทราบค่ะคือเราก็พักผ่อนดีนะฮะแต่ว่าพอถึงเวลาจะสวดมน มันง่วงว่องว่องว่องว่องว่งจนแบบต้องลมตัวลงดอนค่ะจาลองนองตกหน้ามัาหน่อยมันว่วงเลยเฮ้ยตือน้วยเตือนไว้แล้วลูกขึ้นมาเดินเลยอย่าไปใช้อ่อนกับมันนลยมันงงกับมันเข้ามันรู้ขึ้นมาเดินอืมแต่ถ้าพอมีลครพอมีละครขึ้นมาป้องหายว่วงเลย ยมไม่เคยดูละครเลยค่ะไม่ดูมาตั้งนานเลยไม่มีอะไรของที่เราชอบสร้างเนมาเมื่อไหร่ป็นหายง่วงกันทีเลเนาะใช่แล้วนันนี้กิเลยมันไม่ชอบมันก็เลยสร้างความง่วงมามาสกัดรากันแล้วตใช้มาตรการโรงงานนะตบหน้านักทีตกกิเลยใชแล้วแล้พอดีสองวันที่แล้วยมแบบนอนแบบนอนแบบไม่ไม่ จะตื่นแล้วมันเหมือนนี้อะไรมามาค้าตัวไว้อะไม่ให้ตื่นไม่ให้เราตื่นมามาไหว้พระพี่เลน น, นี่ก็แน <c oughs> ่นอนเราจะทำความดีนี่มันไปแต่เรื่องว่าคอยห้ามเราอยู่ด้วยแลเลพี่เล น, <c oughs> นเข้ามาอ่าแล้วก็ใช้มาต ร, รการเข้มแข็งลุกขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นม <c oughs> ปั้มอะไรวาวขวางแล้วก็บงังคับให้ลุกขึ้นมานยืนนะลุกขึ้นมานั่ ง, <c oughs> ล, งลุกมายืนเอาน้ามาล้างอน้างหน้าล้างตาเลยพอบางังคับเลย ไปไปตามมันลงมันกออ็ไม่ไหวไม่ไหวช่ อ, อชเดี๋วก็ครอบเลยอก็มองมว่าการส่วนมนเมืนอนกับการไปไปหาเงินไปได้เงินมัใเป็นการได้เงินหว่ามันจะรีบรู้ขึ้นมาเยใช่ไหมใชุ่กชเ <laughs> <laughs> ราบอกให้นี่เป็นทรัพย์ภายในนะการส่วนมนนี่เป็นทรัพย์ภายในเป็นเงินเงินที่เราติดตัวไปได้นะคาสมสงบสติยมส่วน อยู่ที่ทํางานโยมก็สวดอาใส่หูฟังเลยโยมก็สวดตาม uh, <okay. S 2> ค่ะ <Okay. S 2> คือมีโยมมีเพื่อนร่วมงาน อ, อคนสเปนซึ่งเขาเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่ามีมีปัญหาทีนี้เขาชอบโวยวายโวยวายโวยวายแต่ทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยโยมสวดอะไรของเธอสวดอะไรของเธอนะเขาก็พูดภาษาฝรั่งเศสกับเราว่าเธอสวดอะไรของเธอนะเสียงเพาะจังเลยบอกว่าเออสวดให้ยูฟังสิยู่จะได้ใจเย็นลง เราเออเราก็อธิบายให้กับฟังเขาบอกเออฉันชอบนะอือตอนนี้ยมลาครึ่งวันเพราะว่าเอืมมันรู้สึกไม่ค่อยจะดีและอยากยมมีความรู้สึกเราอยากจะนั่งสมาธิเราอยากจะสวดมนต์ก็เลยบอกบอกกับบอสบอกขอออกก่อนก็ดีดีถ้ามาออกมาเพื่อเพื่อทําบุญมาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าได้กาไรใช่เพราะว่าอยู่ไปมันก็เครีย ด, ยดมีแต่คนเครียดๆอะไรนีเเ้เราก็เลยบอกว่าเออวันวันหยุดเรามีเยอะ อีกอย่างหนึง่งมมันเราไม่ชอบอไรเครียดเคียดแล้ววันนี้มั น, มนวันที่แบบว่าเราถือศีลกินเจด้วยแล้วโยมก็มากินเจด้วยสิบวันจริงๆแล้วโยมก็กินอยู่แล้วทุกวันทุกวันไปตลอดชีวิตแหละแต่ว่าเอโยมอยากจะทําอะไรที่มันแบบเคร่งเคร่งเครียดเคียดเหมือนอย่างชาวบ้านเขาทําบ้างอะ่ะโยมก็เลยอะออกเลยขอออกก่อนไม่สนใจอะ่ะออ โอเคมีอะไรมีอะไรจะถามไหมไม่มีนะไม่มีค่ะโยมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์สั่งสอนทุกวันก็อยากจะแค่ขอมาขอพรพระอาจารย์ค่ะไอนราไม่ ร, รวยถกหวยทั่วมสวนไม่ใช่ามาไม่รู้เลยโยไม่การรือหวยเลย <c oughs> <c oughs> อวยม้อน <c oughs> อกลัวจะถูกรนะับ เราเนาะไม่ค่อยก ล, าลก้ากลัวกลัวไม่ถูกอ่าไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อคาถาเราเลยเราลองดูดิอ่อเดี๋ยวเดินรอบคนตัวหัวเยอะแยะนะโอสาธุค่ะ <c oughs> ขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะอ่ะคุณนายโฟเชิญต่อเลยคุณนาย นายพนอยู่ที่ไหนนี่สมัชการพระอาจารย์อ่าคนสอนดวงนอ่กรรมการอาจารค่ะแล้วเขามาร่วมฟังธรรมค่ะอาจารย์ท่นที่อยู่ที่สวรร์ตะเกียบอยู่รึเปล่าไค่ะพระอาจารย์อยู่บ้านค่ะทงานอะไรขายของหน้าบ้านขายของมีบ้านขายของเอง่งค่ะ ขายดีดดไหมช่วงนี้ขายดีไหก็เงียงเงียวค่ะอาจารย์โควิดด้วยค่ะอาจารย์ก็พออยู่ได้อ่าพอประทังชีวิตประหยัดประหยัดหนะ่อยะใช่ไห <ขา S 1> มาสาธุค่ะเงินไปที่ท่านต่อไปคุณวิไลพรเชิญคุณวิไลพรกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่าอะอยู่ที่ไหน อยู่กรุงเทพค่ะพุธนทธมนตรสายสองค่ะพระอาจารย์มีคำถามะอะไรไหมวันนีเ้เข้ามากับพระอาจารย์มาฟังเสียงพระอาจารย์แล้วก็มาฟังธรรมกับมีข้อสงสัยนิดนึงค่ะพระอาจารย์พอดีพอดีโยมจะทําเกษตรอินทรีย์แต่ตอนนี้โยมต้องมีลูกน้องใช่ไหมคะแต่พอมีลูกน้องเนี่ยโยมอยากรู้ว่าถ้าลูกน้องอะคะ่ะเขาเอาสัตว์เข้ามาเลี้ยงแล้วเขามีการแบบฆ่าสัตว์ในที่ของเราอย่างเงี้ยค่ะเราถือว่าเป็นส่วนมีส่วนร่วมในการที่ฆ่าสัตว์ไหมคะ ไม่หรอมันบาปเลยค่ะ ไ, ไม่บาปไม่โอเคค่ะเพราะว่ามีบอกกับลูกน้องว่าถ้ามีกฎอยูอย่างหนึ่งคือไม่ไม่อยากให้เขาฆ่าสัตว์ในที่ของเราอะค่ะเร<อ> า, า, าท่านก็ท่านก็ทําได้ก็ดีมั น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเขตอรภัยทานเหมือนเหมือนที่วัดเนี่ยวันนี้ก็ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามห้ามรังแกสัตว์ห้ามทำร้ายสัตว์ให้เมตตาสัตว์ถ้าเรนจ้ของที่เราก็บอกก็ได้เราเรากำหนดเงื่อนไขได้ ใช่ค่ะถ้าเขาไ ม, ถาาไม่ถ้าเขาไม่ทำตามเราก็เลิจกจ้างเขาได้ใช่ค่ะแต่ว่าแฟนนะคะเขาบอกว่าก็เป็นวิถีชีวิตของของชาวบ้านเธอมาห้ามเขาได้ยังไงเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าโยมก็มีบอกแฟนบอกว่าอืมพอดีตั้งแต่เกิดมาในชีวิตหนิงจะถือศีลห้าแล้วก็จะไม่ฆ่าสาัตว์แทบจะไม่ฆ่าสัตว์เลยก็ ก, ก็จะมีเนี่ยกลัวจะมีก็เป็นเป็นการเป็นการช่วยเขารักษาศีลไปในตัวด้วยอ๋อค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, คะยังนก็เห็นเขาวัดทํามวัดทําได้ มาจาดเขียนป้ายะคับ แ, แต่ก็ไม่ได้ไปควบคุไมไปคอยเฝ้าว่าคนนั่นฆ่าหรือไม่ฆ่าเห็นใจแล้วเราก็ทําเขีใต้าบอกว่านี่เป็นเขตเขตอภัยทานี่ค่ะพระอาจารย์เราก็บอกเขาว่าที่ของเรานี้ถือว่าเป็นเขตอภัยทานเขตที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายถ่าจะฆ่าก็ขอความกรุณาไปฆ่าที่อยู่นก็แล้ว่ะ ได้ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งสืบเนื่องมาจากที่ถามเฟซบุ๊กกับคุณหลาเมื่อเมื่อพุดที่แลวว้วอะค่ะเอ่อที่โยมถ้าโยมจะเลี้ยงไก่เพื่อที่จะเอาเออจะเลี้ยงไก่อ่ะค่ะเพื่อที่จะเอาขี้ของเขาอะมาม า, มาทําเป็นปุ๋ยในการเกษตรอินทรีย์แล้วโยมก็กล่าวว่าโยมโยมจะไปไถ่ไถ่ชีวิตจากวัวที่โลงฆ่าสาัตว์เพื่อเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะเอาปุ๋ยปุ๋ยจากจากจากมูลของเขามามาทําเป็นเกษตรอินทรีย์อะค่ะแต่ตอนนี้โยมมีข้อข้องใจว่า ถ้าเราเลี้ยงไก่ไข่อ่ะค่ะพระอาจารย์ถ้าเราเอาไข่เขาออกมาเนี้ยเป็นการพักลูกพักแม่เขามันจะเป็นกรรมผูกพันเราไหมคะไม่หรอเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มายึดติดเรไข่แล้วเขาจะทิ้งตรงนี้เขาไม่ได้อ๋อค่ะโอเคค่ะแต่เพียงแต่เรามีบอกว่าถ้าหญิงมีบอกแฟนไว้บอกว่าถ้าจะเลี้ยงไก่ไข่คือมีข้อแม้นะว่าถ้าเขาไข่มาโอเคได้แต่ว่าขอถามพระอาจารย์ก่อนแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ฆ่า ข่าไก่เลยไข่ไข่นี่มันมีตัวแบบถ้ามันไข่แบบชนิดมีตัวมันก็ต้องปล่อยให้มันรอดไปตามธรรมชาติอ๋อไก่ ม, มีสองแบบเหรอคะพอาจารย์ก็ไม่รู้เป็นกันนะเขาบอกไข่แบบไม่มีตัวกับไข่ที่พักตัวด้าน ม, นมีป่าเราก็ไม่รู้อ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าถึงเวลาที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆต้องขอศึกษาเรื่องนี้ค่ะอาจารย์แล้ศึกษาดูว่ามีมีไข่แบบที่มันมันมัน มันไม่มันไม่ซัก ม, ม, มันไม่เป็นตัวนี่ไหมเคยได้ยินว่ามีนะบทีนี่มันได้ค่ะพระอาจารย์กลาวขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะทุกวันนี้ก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์อยู่เมื่อสักครู่นี้มีลูกลูกสาวเข้ามาค่ะแล้วก็ลูกสาวถามว่าพระอาจารย์อายเท่าไหร่โยมบอกว่าพระอาจารย์เกือบแปดสิบแล้วลูกลูกสาวบอกว่าโอ้ดูหน้าพระอาจารย์เหมือนห้าสิบกว่าเองเจ้าค่ะอ๋อแม่ขอบใจได้ลูกลูกเลยบอกว่า คนที่มีศีลคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่นั่งที่นั่งสมาธิหน้าตาจะสดใส mm hmm. ค่ะพระอาจารย์แล้วตอนนี้โยมก็จะสอนลูกในเรื่องที่ว่าโยมจำได้ขึ้นใจที่พระอาจารย์เคยเทศว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราอย่าหยิบแล้วเคยมีคนถามธรรมพระอาจารย์ว่า ถ้าเดินไปแล้วเห็นเงินตกอยู่ถึงแม้เราจะเอาเงินนั้นอะไปทําบุญบาปหรือเปล่าใช่ไหมคะพระอาจารย์บอกว่าถึงแม้ยังไงเงินนั้นมันไม่ใช่ของของเราเราจะเอาไปทําบุญก็คือยังบาปอยู่ดีทุกวันนี้ลูกจะจําอยู่ในใจแล้วก็สอนลูกๆห ล, ล, ลานตลอดแล้วก็ลูกเดินเข้าไปในลิฟที่โรงพยาบาลลูกก็เดินไปคนเดียวอะคะ่ะแล้วกม็มีเงินตกอยู่ส0งร้อสอนพระอาจารย์ก็ขึ้นมาเลยคะ่ะลูกก็มองผ่านไปว่าไม่ใช่ของเราเราเร า, เราก็ไม่หยิบแล้วก็เดินผ่านเงินไป อ่าดีจะได่ไเป็นปัญหาพอเราหยิบมาเล่าเนีน่ยเราก็ไม่ถ้าเราท้าหาเจ้าของได<ไ>้ก็โอเคแต่หาเจ้าของไม่ได้ลุงรูกจะทําอะไรเก็บมา<ไ>มนี่ยมก็มันก็เป็นเหมือนการเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็โยมก็มามาบอกกับลูกๆแล้วแล้วพอดีมีเพื่อนลูกอยู่คนหนึ่งเขาก็ฟังเขาบอกว่าโอ้โหม้าวันนั้นวันนั้นผมไปสะเว่นผมเห็นเงินตกอยู่พันหนึ่งผมมานึกถึงคําพูดมาม้าเลยครับว่า ถ้าไม่ใช่ของอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราห้ามหยิบผมก็คิดอยู่ตั้งนานว่าผมจะทํำยังไงดีแต่ผมก็คิดไปขึ้นมาผมก็เลยหยิบตังค์พันนั้นฝากไว้ให้พนักงานว่าถ้ามีคนมาถามก็ต้องบอกนะว่าตังค์อันเนี้ยอยู่อยู่ตรงนี้ก็ได้ขอบคุณพระอาจารย์งนั้นก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเก็บของตกแล้วก็ไปมอบให้กับผู้ที่เขารับผิดชอบของสถานที่นี้ไม่เป็นไรได้ใช่ค่ะถ้าเกิดเค้าขอว่ามาถามหา เอาบางอย่างก็มีคนใส่บาตเอาโทรศัพท์มือถือใส่มากับของอ๋อค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ั้นก็ไม่รู้พอดีเราก็ของเราเยอะเราก็แบ่งให้ญาติโยมคนหึ่ไปญาติโยมก็บอกเอาวหลวงพ่อมีโทรศัพท์ติดมาด้วยให้ให้ถุงนี้ลอยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเราให้คนที่เขาเปิดเครื่องเป็นให้เขาเปิดถึงเธอเจ้าของโทรเข้ามาเปล่าก็โทรเข้ามาก็เลยติดต่อเข้าไปแล้วพ่อก็มารับคืนกลับไป ค่ะผ้าจานถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนี้เป็นการช่วยเหลือกันให้ของได้กลับคืนสู่เจ้าของได้ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนของลูกก็บอกว่าเอ๊ะเพราะพนักงานเขาอยู่ตรงนั้นเขาน่าจะรับผิดชอบได้กลายเป็นคําสอนผ้าจานที่ส่งต่อได้หลายรุ่นเลยค่ะแล้วค่ะไม่เอาเราอย่าไปเอาดี่ค่ะที่ดึงของของเจ้าของเราใช่ค่ะเขาก็รับใช่ไหใช่ค่ะเพราะตอนตอนแรกสมัยก่อนโยมก็คิดว่า เออถ้าถ้าเราเห็นตังตกอยู่เราหยิบแล้วเราเอาไปทําบุญก็ถือว่าเราเราได้ทําบุญแต่หลังจากฟังพระจารย์เทพตั้งแต่นั้นมาโยมไม่เคยหยิบเลยเดียโยมก็เดินทางมันจะได้มันต้องเป็นของเราต้องเป็นเงินของเราได้ใช่ค่ะใช่ค่ะลูกลูกก็จะสอนลูกๆกับหลานๆเสมอว่าถ้าคนที่เขาทําของตกแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาบอกเลยว่าอนุญาตเลยใครตกอยู่โยมใครจะหยิบก็หยิบไปเลยอันนี้เราหยิบได้แต่ว่า คือคนที่เขาทําของตกก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าของเขาตกเพราะฉะนั้นพราะฉะนั้น่ะเขายังไม่ได้อนุญาตให้เราหยิบเพราะนั้นเราเห็นเราก็ต้องเดินผ่านใช่นอกจากเราเห็นเห็นทันตาเห็นเขาตกแล้วเราหยิบให้เขาบอกเราเหตุ้นก็ไม่เป็นไรใช่แล้วของมันตกวางไว้เรามองรอบๆไม่รู้ใครเป็นเจ้าของนี่เราก็ต้องมีสถานการณ์ว่าฝากใครไว้ได้ไหมค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์กับกับเรียนถามอีกข้อหนึ่งค่ะสมมติว่าถ้าเรามีที่ซึ่งเราสามารถจะ คือคือโยมอยากเอาที่นะคะทําคุณประโยชน์ต่อผู้ศาสนาถ้าโยมอยากจะถวายที่ที่อยู่ตรงนครสวรรค์พภายุหาอาขาอันนี้โยมจะต้องยังไงอะคะโยมไปต้องติดต่อพระแต่ว่าโยมที่มีปัญหาปัญหคิดถือว่าการที่เราถวายที่ให้กับทางวัดหรือว่าทางทางทางทางพระก็จะเป็นเป็นมันจะสร้างภาระให้กับทางทางหลวงพ่อไหมคะที่ว่าจะต้องไปบุรณะที่ต้องหาคนไปอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คนที่ก็อยากได้ก็มีคนที่ไม่อยากได้ก็มีค่ะดังั้นี้เราจะรู้ยังไองอะคะพระอาจรยต้องสอบถามดูเริ่มต้นก็ต้องการต้องการหาพระที่อยู่ในชั้เป้ของเราก่อนเใช่ไหมอยากได<า>้เป็นที่ปฏิบัติการในที่เรียนส่งนะคะแล้วเราก็ต้องไปหาพระที่ท่านปฏิบัติทำค่ะนั่นแหละกลับเรียนทำก็ต้องไปสอบดูแล้วถ้าไปเจอแล้วก็ต้องถามว่าท่านจะรับไหมท่านจะรับไหมใช่ค่ะถ้าท่านไม่รับก็ต้องหาองค์อื่นไปเรื่อยๆ่ปจนเจอองค์ที่รับ ค่ะถ้ามีพระอาจารย์แนะนําด้วยนะคะอยู่ตรงนครสวรรค์นะะพระอาจารย์หรือตรงพายุห่าประมาณสามไร่ค่ะพระอาจารย์ก็ตั้งใจไว้ตั้งที่ก็คือตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนนี้ก็มีคนดูเยอะแยะเดี๋ยวข้าอจะมาติดต่อไว้เลได้ค่ะพระอาจารย์อากาศพระอาจารย์ค่ะค่ะค่ะหมดแล้วใช่ไหมทุกค่ะพระอาจารย์หมดแล้วค่ะหมดคําถามแล้วค่ะอยากถามคือพระอาจารย์ค่ะ เออพระอาจารย์ค่ะเดือนเดือนเดือนหน้าเดือนเดือนพฤศจิกจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่เขาซีโอนะคะอ๋อดีจับเยอะกันเรื่อยๆจับจ่ายทุกค่ะอ่ะคุณจอยตับคุณจอยตอนนี้อยู่พัทยานี่อยู่ที่กลับไปที่ปทุมแล้วจอยอยาค่ะฮะ อยู่พัทยาค่ะยัอยู่พัทยาเี่ปาามีใครอยู่ยังมีญาติอยู่มีแม่แล้วก็ป้าแล้วก็ลุงอยู่ค่ะอแลูกสาวสคนไม่ได้มามาแต่เขาก็ตื่นไม่ไหวแต่ไม่ไหวไม่ท้าวก็เลยไปกับไอ้ตัวเล็กคนเดียวแต่เดี๋ยวไปอีกค่ะยังยังไม่กลับกับวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเด็กๆต้ฉีดวัคซีนด้วยค่ะฉีดไฟเซอร์กันอมีอะไรไหม โอเคใช่บาการกับเนี่ยง่ายค่ะยังไปคะโอเคออคุณปลว่าอะไรเชิญคุณปลว่าอะไรแปรว่าอะไรสีราชาค่ะวันนี้เอ่อถือสินแปดแล้วก็งดอาหารนะคะทีนี้ที่ยมยมคือปกติยมต้อง จนต้องไปตรวจอาหารที่ห้องอาหารพนักงานเหมือกค่ะก็พอไปตรวจอาหารปกติเนี่ยเวลาปกติคือยถ้าถ้ามื้อไหนหน้าทานก็ก็จะนั่งทานไปด้วยอย่างเช่นมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันเนี <Yes. okay. ้ยถือสินแต่แล้วก็มอมองดูอาหารแล้วก็เฉยเฉยแล้วก็รู้สึกสะอิดสะเอียนเหมือนกับมันเริ่มเริ่มค่อยค่อยค่อยปฏิบัติได้แล้วค่ะก็คือเมื่อก่อนจะกังวลว่าถ้าไม่ได้ทานอาหารแล้วจะจะหิวไงค่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรอ ไม่ดีเป็นเป็นการก้าวหน้าเพราะอาหารนี่กินมากเกินไปั็เป็นอุปสรรคต่อ ก, การปฏิบัติครับเราจับประมาณในการรับประทานอาหารผูร้ ป, ปฏิบัติธรรมน่าจะต้องเริ่มเริ่มคนเอาเข้าวคนกับกับอันนั้นก็อีก<น>อย่างแต่ที่พูดถึงหมายถึงปริมาณในการรับประทานกี่ท่านเอาเอาครั้งเดียวก่อนทุกเอาสิบแปดก่อนครับต่อไปก็เอาฟัละครั้งเดียว จะพยายามเดี๋ยวตอนนี้เป็นสอ ง, งมื้อในอนาคตก็อ า, าจะเวลาเวลา ก, กินมันยังหิวมันยังโลภมันยังคิดถึงอาหารอยู่ก็มันยังเลกกนนืกินชนิดนี้นชนิดเดียวก็ทีนี้ก็ค่อยคนค่อยคุ้มเหมือนนันกศกษาว่างมาด้วยเลยเรี <c oughs> ยนอยชั้นไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้เอมเรียนอยู่ม .4 แล้วค่ะม .4 นะเรียนที่ไหนเชียงอนเหรอเชีงฟอนค่ ะ, อ, คะอ่าเชียงอ น้องสาวเราก็จบเช่นปอนแต่ว่าอเอ่อเทอมนี้มันจบเทอมหนึ่งแล้วคะ่ะแต่ว่าเทอมหน้าไม่ต่อเทอมสองแล้วค่ะเออทําไมล่ะเอ่เอดรอปออกไปสอบเทียบค่ะอ๋อจะดีกว่าสอบเทียบจะดีกว่าเรียนะก็ค่ะมันมันมันอยู่ในส่วนที่หนูรู้สึกว่าหนูแบบว่ามีกําลังทําแล้วก็เป็นรู้ตัวว่าเหมือนชอบอะไรเดียวค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าอยากทําตรงนั้นให้เต็มที่เลยก็เลยคุยกับแม่ตอนแรกก็อย่างที่อย่างที่เคยปรึกษาอาจารย์ไปแม่ตอนแรกแม่เขาเคิดว่าจะให้ทายังไงเพราะว่าช่วงนั้นหนูก็เครียดๆตอนนี้ก็เลยกลับออกมาเพื่อแบบอ่านหนังสือแล้วก็ติวว่าเดี๋ยวจะไปสอบช่วงปลายปีนี้แล้วค่ะอ่ได้เราดูเป็นโปรแกรมค่ะอ่าโปรแกรมดีซึ่งสามารถที่จะไปสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยอินเตอร์ได้จ้ะโอเคก็ดีเราทำดูนะ พยายามที่ไหนครับตำแหน่ ง, ท, งที่นั่นนะโอเคขอบพระคุณเจ้าค่ะหมดแล้วใช่ไม้มมีอะไรจะถามไหมไม่มีเจค่ะคุณมาลยต่อมาลีนี่คุณมาลีาต่อหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคําถามอะไรค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่แต่ว่ามันน้อยลงถ้าเทียบกับที่เราไปอยู่วัดนะคะ นอนแน่นอนมันอยู่ที่บ้านก็ไม่เหมือนกับอยู่ที่ว้านนตอนตอนนี้เริ่มเริ่มกลับไปทํางานนะคะหลวงพ่ออันนี้อยู่ที่บ้านนี่อยู่ที่ทํางานตอนตอนนี้กลับมาแล้วค่ะมาอยู่ที่บางบัวทองค่ะยังคอนโดยังไม่ได้กลับไปอยู่อะค่ะยังกลับมาที่นี่ก่อนนะคะเการปฏิบัติถ้าที่เราจะปฏิบัติได้ก็แล้วกันอย่าทิ้งนะคะค่ะอ๋อไม่ไม่ทิ้งค่ะหลวงพ่อ บางทีมันมีเรื่องทุกทุกใจเนี้่ก็หลบไปอยู่หลบไปอยู่กับพูดโทรไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็พยายามพยายามอยู่อยู่ให้ได้แล้วก็ก็นึกคิดซะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรหลวงพ่อเหมือนกรรมเก่าหรือวิบาก ท, ที่เราต้องรับแล้วก็ต้องอยู่ก็ทำพยายามจะทใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ห, หลวงพ่อแล้วก็ถึงเวลาหนูก็ปฏิบัติ คือถ้ามีเวลาว่างหนูก็ไปปฏิบัติหรือว่าตื่นนอนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทําได้เราก็จะทําอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็เดี๋ยวขอเดือนเป็นเดือนหน้าถ้าไม่ติดอะไรหนูก็จะไปปฏิบัติไปอยู่วัดอีกอะค่ะหลวงพ่อดีไปเรื่อยๆมีโอกาสเมื่อไหร่ไปเลยอ๋อแล้วแล้ ว, แ, ลวแต่ช่วงเวลาว่าอาจจะได้จํานวนวันไม่มากคือถ้ามีช่วงตอนไหนหนูก็จะพยายาม พยายามค่ะหลว่อได้เท่าไหร่ก็ดีเราไม่ได้เลยนะพอหลงพ่อ <Okay. S 2> วันนี้หนูไม่มีคาถามค่ะหลวงพ่ อ, อ ง, งั้นฟังไปก่อนเดี๋ยวอยากจะถามที่หลังก็ได้ขอบพระคุณพระหลวงพ่อ่าื่องคุณซาลนทอนต่อคุณซาลินทอนอยู่สหรัฐ อ, อ, อ, อเมริกานวัสการกลับนวัฒการค่ะอาจารย์เจ้าค่ะยมทำยังทา ง, งานอยู่ค่ะยมกับ ไปวันพอหัดสุกค่ ะ, คะพอดีเขาจ้างพนักงานใหม่มาแล้ว เ, เขาจะให้ยมช่วยไปนั่งไปเป็นเพื่อนเขา uh huh. เพื่อคอยคอยดูแลเขาอะค่ะ hmm. ค่ะพระอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิเราจนจนเรารวมจิตเรารวมเข้าไปแล้วเราถอนขึ้นมามันจะมีความรู้ความคิดอะค่ะใช่ไหมคะเรายมอยากจะทราบว่าไอความรู้ความคิดที่มันผุดขึ้นมาเนี่ย มันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนอะคะเราก็ใช้มนววุษย์วิเคราะห์ดูเลยเหมือนทองทองแท้กับทองความแล้วก็ต้องวิเคราะห์อยู่ถ้ายังแยกแยะไม่ได้ก็อย่าไปเชื่อมั น, น, นก่อนแขวนไว้ก่อนค่ะจนกว่าเราจ ะ, ะสามารถแยกแยะได้พิสูจน์ได้ว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงแล้วก็ค่อยเชื่อได้ถ้ายังเชื่อไม่ได้ก็แขวนไว้ก่อนค่ะเหมือนมันเป็นข้อธรรมะที่ผุดขึ้นมาในใจแล้วก็ สอนว่าไอ้ที่เราปฏิบัติไปเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเราลืมอะไรเราควรจะทํำยังไงเป็นประมาณนี้อะค่ะแล้วก็ก็ดูว่ามัน ม, ม, นมันมันเป็นสิ่งที่เรามาใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ไดเอามาใช้ประโยชน์ดไม่ได้ก็ปล่อยมันผ่านไปถ้ามาใช้ประโยชน์ดได้ก็ลองเามาทำํำดูแล้วในกรณีอย่างนี้นี่เราควรจะพิจารณาให้หยุดความคิด กลับมาใช้พุโทโธเพื่อให้หยุดหรือว่าพิจารณาดูว่ารู้สักแต่ว่ารู้อะค่ะถ้าสติเรายังไม่แ ก, ก่กล้าเรายังเข้าสมาธิแบบไม่ไม่ไม่คล่อแคล่วอ่องไวก้ก็กลับมาเจริญสติอย่าเพิ่งไปคิดทงางปัญญาถ้าถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้น ในระยะในระหว่างวันโยมก็ควรจะพุดโธไปทั้งวันกําหนดอิริยาบถย่อยเพื่อเจริญตัศติต่อเนื่องแล้วดูความคิดเลยก็ได้พอมันคิดก็สั่งให้มันอยุดคิดถ้าสั่งให้มันหยุดคิดได้ก็ดูความคิดก็ได้โอถ้าสมมุติว่าสติโยมักทสติมีกําลังมากพอความที่พุทธก็บอกว่กให้อยุดคิดอยุดคิดให้ลุ่เฉยเแล้วถ้าในลักษณะนี้จะทําเหมือนกับอ พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปพร้อมกันเลยได้ไหมคะไม่ถึง้าในความคิดที่ผุดขึ้นอย่างตอนี่เราเอาสติไปนี่ไปใช้จะเอาวิทนานี่เราตอนที่นั่งเราเจ็บนี่ไปอันนั้นจะได้เจอของจริงค่ะยังไม่เจอของจริงคิดไปมันก็อาจจะกลายเป็นความฟลุกงชัติไปคิดไปเป็นการจินตนาการไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอารมณ์ถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ผุดขึ้นนะคะ ก็ยืนมันได้ก็เหมือนเอามาความขึ้นมันบาด้วยกันถ้ามีสติมันได้ก็หยุดมันแต่แต่อย่าปล่อยให้มันอย่าไปดูว่ามันเกิดแล้วดับถ้าดูมันเกิดแล้วดับมันไม่เกิดมันไม่ดับในทางนั้นก็ฟุ้งไปเรื่อยๆใช่ค่ะบางทีลงมันไม่ดับก็ต้องทําให้มันดับมันตอนที่เราฝึกสติแล้วสามารถดับมันได้ก็ต้องดับมันไปค่ะอาจารย์แต่พอถึงขั้นปัญญาแล้วเนี่ยตอบมันแอาจจะปล่อยให้มันเกิดดับของมันเอง แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาค่ะอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะกลับนมัสการขบคุณค่ะพอาจารย์ไม่ไงเป็นจริงยังไม่พอวันนี้เดี๋ยวก็คงมาค่ะบดูดีเสียงก็คงมาอ่าสุภาพสุาเชตร์จากเท็เซัสจากดัล l ัสเท็กซกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะป็นไงลงโทษตัวเองมั้งเหรอลงโทษแล้วค่ะวันนั้นไม่ทานอาหารเ่ ตอนตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าจะไหวไหมอะไรเงี้ย น, นะคะแต่ก็กลับไปกลับมาหลังจากใบสองไม่หิวฮะแล้วรู้สึกมีกำลังเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยเจ้าค่ะดีมากจริงๆก็ <นะ S 2> ดีเลยเจ้าค่ะทำดีร่างกายเรามีอาหารสะสมไม่ยเยอะแล้วไม่ต้องกลัวหร อ, ะะ อ, อกอดอดสัก <c oughs> สิบวันก็ย้อนได้พลาน <c oughs> แบบแตกมาแบบเออแบบทิ่พระอาจารย์บอกเลยแบบอุ๊ยกําลังดีเลยเนาะค่ะนั่งสมาธิเดินอะไรอุ๊ยแบบสบายหรือบอกว่าตาเตมันจะดีขึ้นสติมันจะดังแววพราะมันเราต้องระมัดระวังนะกลัวกิเลสมันจะมาลอกมาร่อให้เราหิวนะมันคงยข่มใจนเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นวันต่อมาก็แบบเอ๊ะมีอะไรเข้ามากระทบก็ก็ก็หยุดมันเร็วขึ้นคนนึ้ถึง ใช่เจ้าค่ะรู้สึกมันมันก็ตามมันได้ตอนนี้นิดหน่อยเจ้าค่ะดูไปเรื่อยๆปฏิบัติทำไปเรื่อยๆมันยิ่งสนุกนะ ย, ยิ่งเห็นความสามารถของเราเลยโอยสามารถท ำ, ทำอย่างนันทํานี้ได้เมื่อก่อนทําไม่ได้เมื่อก่อน อ, อัวอ่อนตปวกเปียกอะไรมากระทบหน่อยก็ไปนะเจ้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะนี่เฉยนี่ท่าทางเอ่อท่าทามันมีแค่นี้เหรอ <laughs> สนุกเจ้าค่ะสนุกสนุกรู้สึกแบบเออแล้วบางทีความคิดเข้ามาแล้วเราแบบมันเห็นมันพูดกับเราแล้วเราไม่ทําตามมันเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าพอเราไม่ทําตามมันนี่เราชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะมีแบบดีใจเออเราเราเรารู้จักแบบเอยไม่ใช่ไม่ใช่เราทําเราไม่ทําตามอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็สนุกสนุกเจ้าค่ะแต่ก็อย่าประมาทนะมันมันชอบมาตอนที่เราประมาทตอนที่เราเฉลี่ยนี้มันจะมาแบบย่องเงียบมา มันนอกเราได้เหมือนกันนะได้ได้เจ้ค่ะลูกของสัยอย่างหนึ่งก็้าค่ะอย่างอย่างแบบภายนอกเหตุการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันเนี้ยค่ะรถก็มารถกระบะมาชนรถเราอะค่ะ<ม>ข้างหลังลูกก็แบบพอสามีก็อารมณ์ขึ้นเลยแต่ลูกก็ไม่อารมณ์ขึ้นอะไรเงี<ม>้ยคือลูกสังเกตหลายๆอย่างว่าเวลาสิ่งอื่นมากระทบภายนอกเนี่ยลูกจะ ค่อนข้างจะคุบทําใจได้เจ้าค่ะแต่อย่างเดียวที่ลําบากมากในการทําใจคือถ้ามีอะไรมาขาดไม่ให้เราแบบนั่งสมาธิตรงเวลาหรือหรือทำให้เราปฏิบัติไม่ลงเนี่ยเจ้าค่ะที่ทําให้ลูกแบบยังยังรู้สึกหงุดหงิดนะเจ้าค่ะเรื่องเนี้ยเรื่องของการปฏิบัตินะเจ้าค่ะแต่ถ้าเหตุการ่าเราไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้สมมตไปก็ต้องปรับไปแล้ว ปับเข้ากับความในจริงช่วงไหนมีคนมาลอ<ม>บลวนมาเยี่ยมมาหาเป็นช่วงที่เรานั่งสมาธิแล้วปฏิเสธเขาไม่ได้ก็เอะก็<ม>ปฏิบัติกับเขาไปแทนก่อนคุยกับเขาไปก่อนนะ<ม>ค่ะเดีวลอให้เวลาว่างก่อมาปฏิบัติครับเยอะค่ะ<ม>เรื่องอื่นกลายเป็นสนใจน้อยแต่พออะไรที่มาเกี่ยวกับเรื่องขัดปฏิบัตินี้จะแบบ อช่แบบแบบจะมีอารมณ์จะมีอารมณ์มมนิดนึงไม่ก็อย่าอย่าไปยึดติด ย, ยึดติกการปฏิบัติบางครั้งไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องทําใจว่าตอนนี้ช่วงนี้ไม่ว่างไม่สะดวกนั่งแล้วไปอแล้วค่ะหลังจากทำดีหลังชุดเฉยได้ ดช่ค่ะหลังจากที่พระอาจารย์สอนแบบนี้เมื่อครั้งที่แล้วเจ้าค่ะลูกก็พยายามนึกเอามาสอนใจตลอดก็ทำให้รู้สึกโล่งขึ้นแล้วการปฏิบัติมีความสุขขึ้นเพราะว่าไม่ไปยึดติดกับเวลามักแบบจะแบบสตรี ก, กับเวลาจนเกินไปเจ้าค่ะก็ะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกมีความสุขสนุก ข, ขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะใช่ดี ต้องรู้จักปรับต้อง flexible บ้าง น, นะชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ s t เหมือนเหมือนท่อนไมต้องเป็นต้องเป็นเหมือนใ <c oughs> บหญ้าใบหญ้านี่ลมพัดอะไรกันาดไนมันก็ไม่หกัก <c oughs> ต้องเป็นท่าไม้นี่ลมแรงมาพัดมันหักเลยนะต้นไม้ลมเลยแต่ใบหญ้านี่สบายตีลูตีูไปตามไม่ไม่ได้ตีลูมาเอ็เนไปตามลม <c oughs> ไม่ไม่หกักจริงเราบางทีต้อง flexible แบบนั้นนะ รู้จักปรับให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆเราอยู่ในน่องของวันนี้จังแต่การที่มีกฎมีระเบียบมีเวลามันก็ดีแต่ต้องรู้จักว่าบางทีมันก็ต้องปรับตามเหตุการณ์เพราะถ้าไม่มีเวลาอะไรเดี๋ยวมันก็ถลายถลายเพราะไม่มีกําหนดเวลาเดี๋ยวมันก็ไม่ทำใช่ไหมก็ต้องมีกำหนดเวลาแต่เมื่อถึงเวลานั้นถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่สุดวิสัยทําไม่ได้ก็ต้องปรับใจเราให้เข้ากับเหตุการณ์ เหมือนก็อยู่กับความเป็นจริงเหมือนที่พระอาจารย์สอนจะไม่อยู่กับความอยากถ้าอยู่ความอยากเมื่อไหร่จะทุกขันทีเพรไม่ได้นำใจอยากถ้าจะอยู่ความจริงก็ไม่มีวันทุกข์เจ้าค่ะเจ้าค่ะรับคําสอนเจ้าค่ะเจ้าค่ะถือเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้ค่ะคุณที่วาต่อคุณท่วาเช่นกาบนักการจะกลับอาจารย์มีคำถามเดิมเจ้าค่ะ โอเคดีอย่างนั้นไปที่คนกลายพิษเลยคนกลายพิษจากพรนะอาจรย์กลับนักสการครับอาจารย์ครั บ, อ, รรบอันนี้อันนี้มีอคําถามข้อสงสัยอยากจะให้พระอาจารย์เทศน์นิดหนึ่งครับก็คือฟังเทศจากพระอาจารย์ว่าพอเราหมดบุญหมดบาปก็ก็กลับมาเป็นมนุษย์นะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือได้ ความทีิเดี๋ยวก่อนความที่มันไม่หมดบุญหมดบาปมันมันช่วงที่บุญกับบาปมันมีกำลังสูสีกันอ๋อครับเพราะบุญกับบาปมันบางทีเรายังสะสมไม่ยังไม่ยังยังไม่ส่ผลก็มีเหลืออยู่ในใจแต่พอดีเป็นช่วงที่บุญกับบาปที่เรามีในใจมันมีกาลังเท่ากันการที่พวมหมดบุญหมดบาปนี้มันมันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็เอตามความเข้าใจเนี่ยก็คือ พระพุทธเจ้าท่านท่านท่านบอกไว้ว่าเ อ, อมนุษย์เนี่ยกว่าจะได้เกิดมันยากมากเหมือนเต่าตาบอดที่ที่ทุกๆุกร้อยจีกลับขึ้นมาหายใจอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ยากมากเนาะแล้วก็ที่พระอาจารย์บอกเนี่ยอืมประกอบกับที่ที่บอกว่าเราเคยเกิดมาเป็นแสนแสนล้านแสนล้านชาตินอ้องตนน้าตาเราไหลที่มากกว่าน้ำในมหาส ม, มุทรเนี่ย มันมันทำให้เห็นว่าเออมันเราเกิดมาในสังสารวัตนี้แสดงว่ามันนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เออที่บอกว่าศาสนาจะมีศาสนาพุทธในในพระพุทธเจ้าท่านนี้จะอยู่ได้ห้าพันปีเนี่ยมันมันก็จะยิ่งเห็นความสำคัญของของเรื่องเวลาของเรื่องอะไรเนี้ยปราจารย์ครั บ, รรบแล้วแล้วเวลาเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราอยู่ในทางโลกเนี่ย มันก็เราให้ความสําคัญเนาะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาทําให้เราแบบจะต้องไปทําต้องอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับก็เลยอยากจะขอความเมตตาจากอาจารย์ให้ความกระจา่างเรนี้นะครับเอเราต้องกํำลัดกรอกของความต้องการของเราให้มันน้อยลงไปถเราไม่มีเขาคือน้อยก็คือเอาแค่สิ่งที่จําเป็นต้องมีเขาออกเป็นปัจจัยสี่อย่างนี้ไม่มีปัจจัยสี่เขาออก แต่ตอนนี้ทราบคุณทํางานมานานแนละ้วสะสเมเงินมามากพอแล้วนะถ้าไม่ทํางานคุณก็ไม่เหลื่อยนานคุณมีกินมีปัจจัยสิคุณก็ลิกทางานดีกว่าเอาเวลามาปฏิบัติทำดีกว่านี่คืคอสิ่งที่เราต้องกาหนดถ้าเราไม่กําหนดความโลภมันก็อยากได้โน้นอยากได้นี่อยากได้ร้านก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากได้ร้อยล้านแต่มันไม่มีวันจบเราต้องใช้หลักธทมคือความมากน้อยสันโดษมาเป็นกรอบควบคุมความอยาก ทำนัอนก็คือเอาเท่าที่จำเป็นสันโดิมก็คือยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้จะจะน้อยกว่าความจำเป็นก็ถ้าได้ทำนั้นก็โอเคครับ<ฮ>แล้วเราก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้ไมนะ่งั้นเดี๋ยว็ต้องมายุ่งกับเรื่องนั้นเรื่อนน ง, <ฮ>งนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกันใช่หมธรรมะกี่วกับนเกี่ยวข้องกับคนคนนี้นคนนี้เขาช่วยเราเราก็ต้องช่วยเขาอะไรกันไป มันต้องบมดเวลาไปกับการปฏิสัมพันธ์กับคนครับเวลาต้องลดบทบาทการการเกี่ยวข้องกับคนให้น้อยลงด้วยการทํางานให้น้อยลงครับก็จะ ไ, ได้ ม, มีเวลาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นครับลุกลกก็ตั้งใจว่าจะพยายามแบ่งสัดส่วนของการปฏิบัติธรรมเรื่องฟังธรรมเรื่องนั่งสมาธิให้ให้ได้วันละแปดชั่วโมงนะครับก็พยายามจะ ตั้งเป้าประมาณอย่นี้ก็โอเคใช่ไหมครับดีได้เท่าไหร่ได้ยิ่งมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีต่อไปก็เป็นเหมือนพระเลยได้ไ ด, ได้ได้วันละยี่สิบชั่วโมงเหลือไว้สี่ชั่วโมงสลับนอนครับผมพอใช่ไหมครับสีชั่วโมงถ้าปฏิบททัติธรรมเต็มถ้าปฏิ บ, ททบัติธรรมแบบเต็มที่นะก็นอนแค่สี่ชั่วโมงก็พอกลางวันอาจจะพักสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ช่วงช่วงกลางวัน มันอาจจะง่วงมากจะพักได้ชั่วโมงออทั้งคืนสี่ชั่วโมงก็อกพอพระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้พระนอนแค่คืนลสี่ชั่วโมงครับตอนแรกนึกว่าถ้านอนน้อยเดี๋ยวสุขภาพเ อ, อสังฐานจะจะจะไปนี้ไปก่อนนี่ครับไม่หรอกถ้าปฏิบัติธรรมที่มันไม่ได้ไปทํางานทําการไม่ได้ใช้เรี่ยวแรงมากไมไ่มีความจำเปไ็นต้องพักมาก แล้วยิ่งถ้าปฏิบัติมีสติตมากเท่าไหร่มันยิ่งไม่ง่วงมันยิ่งไม่หลับก็เป็นวิธีหาเวลามาปฏิบัติทําให้มากขึ้นไงใช่ไหมถ้าเราเอา8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงทํางานเราก็เหลือแค่8ชั่วโมงไว้ปฏิบัติทำแต่ถ้ า, านอน4งานไม่ทําเลยแล้วก็มีเวลาปฏิบัติทำได้20ชั่วโมงต่อวัน ใช่ไหมคาร์เล่มากลครับคาร์เล่มากกับกับกับในความเมตตาครับอาจารย์ครับผมมีท่านนี้โอเคเมื่อหลายจังหับของไทยแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเลยตอนนี้อยู่ที่ฟอร์นั่นตลอดเลยอ๋อไม่ได้เปิดไม่ได้ยินเอ่อมามาเยี่ยมครอบครัวครับภรรยาและลูกภรรยามาเปิดร้านอาหารเพื่อให้ลูกๆได้เรียนฟรีที่นี่ครับลูกก็เรียนเรียนอยู่ มาเยี่ยมปีละสองครั้งแต่ว่าหมดหมดไม่ไม่ได้มาโควิดเกือบสองปีเที่ยวนี้ก็เลยมาเดือนกว่าครับอาจารย์ครับแล่วต้อกลับ ม, มาทำงานที่เมืองไทยเหรอใช่ครับใครับมีมีบริษัทที่เมืองไทยอยู่สี่ห้าบริษัทครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวต้องทีเ่เคลียร์ ค, ยครับรา อ, อาจารยนะ์ครับแล้วกอาจารย์นี้ก่านนะครับครับใชคุณพรเทพจ่าคุณพนเทพ เทพได้ยินไหมที่ไหนมันเทพฮัลโหลครับอ่าอยู่ที่ไหนอยู่อยุธยาครับาอาจารย์มีนคำถามไหมอ่าไม่มีครับวันนี้มารับฟังอย่างเดียวครับโ <Okay. S 2> อเคงั้นก็ขอข้ามไปที่ท่านต่อไปเลยนะจากคุณพระเทพคือใครเอ่ยคุณวสิทธิ์วสิทธิ์อะไวสิทธิ์เชิญ ย <Yeah>, สิการนวัสการครับอาจารย์อยู่บางแสนเงยสิอยู่บางแสนครับผมวั น, น, ว, น, นวันนี้มีคําถามครับพระอาจารย์ <Yeah. S 2> คือว่าอ่าประมาณช่วงช่วงบ่ายผมได้อ่านอ่านแบบเหมือนที่เขาแชร์มาคําคําอ่าคําธรรมะของพระอาจารย์นะครับแล้วเหมือนพระอาจารย์บอกว่าร่างกายร่างกายเนี้ยแบบ ถึงเราจะรักษาดียังไงดูแลดียังไงเจอหมอเก่งยังไงอย่า ง, รางรประมาณเนี้ยคือเหมือนเหมือนยังไงก็รักษาไว้ไม่ได้เงรรี้ยแล้วแล้วตอนตอนอ่านหรือทําความเข้าใจมันรู้สึกเข้าใจแต่มันมันมันรู้สึกยากกับกับความเข้าใจแบบความเป็นจริงอ่ะครับอาจารย์มันต้องอ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆแล้ค่อ ย, อยทําค่อยๆหัดทําไปไค่อยๆลดความกังวลและความห่วงใจ ขอร่างกายให้มันน้อยลงไปอันไหนที่มันพอจะลดได้กบลดลงไปคือในความรู้สึกเหมือนกับเรารักร่างกายมากแต่ว่าคือพออ่านแล้วแบบเฮ้ยมันมันเนี่ยมันใช่นะมันจริงๆนะถึงเราจะยักรักยังไงเงี้ยครับอาจารย์ก็พยายามนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆทุกครั้งที่เราไปกังวลไปห่วงร่างกายก็หมายม่าไม่ทำไงห่วงไม่ห่วงแล้วก็ตายเหมือนกันอย่างนี่ ครับอาจารย์ห่วมก็ตายไม่ห่วมก็ตายยังไงสบายกว่ากันห่วงแลไม่ห่วงดีกว่ากันเราเราพูดคุยเราตัวเองดูถามตัวเองก็ก็คือว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราเราต้องทํำยังไงต้องต้องเหมือนต้องพูดคุยตัวเองตลอดเลยครับอาจารย์ดีือว่าก็โดยเฉพาะเวลาที่เรากังวลกังวลกับร่างกายครับพูดกับมันเลยนะกังวลแล้วตายหรือเป่าถ้ามันจะตายห้ามมันได้หปะ่ะ แล้วไม่กําวลนั้นยางไรจะดีกว่ากันมันก็ตายเหมือนกันไปพยายามพยายามคิดเหมือนที่วาจาจารย์บอกแต่ว่ามันอยากอยากอยากข้ามตรงนี้ไปให้ได้มันรู้สึกว่าเราห่วงร่างกายตัวเองมากเกินไปครับดัง<อ><ย>นั้นเราพยายามพิจานะรณาความไม่ความตายของร่างกายไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะยอมรับความจริงได้เพราะญาติสอนแบบว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ต้องตายเป็นธรรมดาร่วมมุนความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือเวลาเวลาเวลาเห็นคนหรือเวลาเห็นใครอยู่ในปียังบอกถึงว่าเนี่ยทุกคนต้องตายนะมันไม่มีใครอยู่นะมันต้องไม่ไม่แบบเนี้ยครับอาจารย์มันมันมั น, ม, นมันได้ไหมครับอาจารย์ได้แต่มันเอาตัวเราก่อนดีกว่าคนอื่นเขาจะตายไม่ตา ย, ไ ม, ตายไม่เขาไม่เป็นปัญหาแต่เราต้องตายแน่น คำพิ จ, จรารณานอกจากคนที่เรารักเราหวงเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาก็ต้องตาย ก, กันนะต้องเหมือนเรา <S <S คนที่เราไม่รักไม่ไม่สนใจไม่ไม่ต้องพิจารณาเสียเวลาเพราะเราเราไม่เดือดร้อนเขาตายก็ไม่ตายนะใจนะแต่ก็พิจารณาได้ไม่ห้ามในที่สุดทุกคนก็ต้องตายกันใช่ไหม <S <S ไม่มีใครอยู่คำฟ้า ครับอาจารย์โอเคนะครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ไปที่คนธนพลต่อแจ้งคุณธนพลเป็นยังไงกลาวนาัสกานครับอาจารย์ครับวันนี้มีคําถามครับอ่ารย์คาถามเรื่องเรื่องสมัสมัชสมัชมานภานาครับอาจารย์คือในเจอตุตุชานเนี่ยในชาติสี่เนี่ยครับพอเป็นอุเบกขาแล้วยังมีสติคุมอยู่ไหมครับ มีเนสติมันไม่หายแสติมันจะเดือขึ้นถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นอัปปนาไหมครับอาจารย์อัปปนาสมาธิรับแล้วถ้าเป็นอุปจาระนี่ก็ก็คือคือจะเป็นเป็นว่าแยกออกไปมันมันจะไปเที่ยวมันจะไปรับนมแล้วใช่ไหมครับเข้าใจแล้วครับอันนี้คําถามอีกคำถามหนึ่งก็คือในส่วนที่พอขึ้นเป็นอรูปฌานเนี่ยครับในในอรูปฌานนี้ก็ยังต้องเพ่งไหมครับอาจารย์ ก็ต้องเพ่งเพ่งเพ่งความว่างความปัสจาวิดูสภาพความว่างของจิตนะท่านจิตมีสเตจยิ่งยิ่งมากขึ้นมันก็มันเพ่งดูที่ตัวจิตเองดูที่ตัวจิตตอนนั้นอย่างนี้ก็จะเดินต่อไปจากจากชา้นสี่หรือว่ามันเหมือนแยกมันก็จากชา้นสี่ก็ขึ้นไปขึ้นไปสู่ชา้นห้าชันหกชั้นเจ็ดชันแปดต่อไปอืมแล้ว อย่างถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่าอาการสารนันจาเนี่ยครับที่ใช้อากาศเป็นอารมณ์เนี่ยแล้วมันจะเป็นสภาวะยังไงครับอาจารย์มันเป็นธรรมสภาวะที่เป็นที่จิตกำลังเป็นอยู่ตอนนั้นเนี mm ่ย hmm. เราเรามาันนึกคิดขึ้นมาไม่ได้มันต้องเป็นแล้วเราก็เราก็ใช้อานตอนนั้นเป็นอารมณ์ถ้าอย่างอย่างถ้าเกิดสม ม, มุติว่าเอ่อพอพอพ อ, พออย่างสภาวะที่เราเจอก็คือสมมติว่าพอมันเป็นเบรคขาแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือ น, น มันเป็นสภาวะที่ที่เป็นอวกาศที่มันว่างๆอย่างเงี้ยอันนี้จะจะเป็นอาการสารงนานาไหมครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็รล้วแต่อันนี้แล้วแต่ว่ามันสงอมกมาละเอียดขนาดไหนแล้วมันก็จะเป็นไปแต่ในตอนข้างปฏิบัติเราไม่ค่อยคำนวณกันเรื่องรูปประชาขนาดไหนครับอาให้มันอยู่แค่ในรูปประชาให้ได้อยู่ในชานสีใหได้นาที่สุดท้าที่จะนานได้ แม้กับความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างใช่มันปฏิบัติไปมันจะรู้เองว่าเรามีกาลังพอที่จะให้มันเข้าไปถึงด้วยกว่านนั้นได้ครับอยู่ที่กาลังสติของเราครับถ้ามันมีมันก็มันก็จะเข้าไปได้ของมันเอถ้าไม่มีมันก็อยู่แค่ตรงตรงตรงชาติสิพอครับเข้าใจแล้วครับแล้วต้องการเรคขาจากการนั่ง จากการด้าชาตสีมันจะไม่อยู่เบิกาได้จอเฉยต่ออารมณ์ต่างๆสำคัญที่ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณโอเครู้สึกว่าทุกคนที่เปิดเปิดวิดีโอนี้ก็ได้พูดได้ถามกันทุกคนแล้วมีขายออกคุณจีบคุณจีบมากับมองไม่เห็นใช่คุณจีบพอพูดถึงก็มาเลยนะมันก็มีญานอย่างสร้เหรอ ตามมาสักการ์ละพระอาจารย์โยมแวะ <c oughs> <cloud> ออกมาคุยข้างอนอกเจ้านายเจ้านายไม่ว่าเจ้า <c oughs> นายไม่กละยังไม่มาเจ้าหนายของปฐมลาแต่เพื่อนลงงานนั่งอยู่โยมก็เลยไม่อยากคุยให้เขาได้ <g c oughs> okay. ยินโยมเข้ามาพระอาจารย์คุยกับสลีมทอนอยู่ค่ะ <c oughs> โยมยังเอ้ยครั้งที่แล้ก็เข้ามาตอนที่เขาคุยกับพระอาจารย์พอดีตอนนี้ก็ เ, ามาเหมือนจิตมันผูกกันไปแล้วค่ะโอเคคุยกับคนนี้คนนี้ก็มาอะไร น, <ย>นี่ค่ะพระอาจารย์ชาวแฟร์เป็นฟาสฟาชาวแฟร์ฟาทูค่ะไม่แน่เหมือนกันนะคะ <ừ. S 2> อาจจะเคยเป็นอะไรทากรรมทําน่าจะเรียกว่าทําบุญร่วมกันมากกว่าคู่บุญขูบุญคู่บุญคูบุญค่ะก ก็มีอะไรค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ยมก็ปฏิบัติก็สมาธิก็นั่งบ้างนิดหน่อยช่วงหลังๆช่วงนี้มันมีอารมณ์กระห่มมาก่อกวนนะคะอย่านิดหน่อยต้องนั่งลงมากใช่ค่ะเราเรียว่าเออสิ่งเดียวที่จะระงับความฟุ้งซ่านของตวเอสมาธินสมาธิอย่าไปมากน้อยให้มากน้อยเรื่องหนึ่งเรื่องดูหนังฟังเพงเนี่ยเรื่องกินเนี่ยมากน้อยได้แต่สมาธิอี่ยมากอย่ามากน้อย เจ้ค่ะต้องมากมความโล่งีสมาธินี้ไม่เป็นกิเลสค่ะใช่ค่ะยมว่ายิ่งเราไม่ทำมันก็จะยิ่งไม่ค่อยอยากับไม่ใช่ไม่ขอยากทำเหมือนยิ่งไม่ทายิ่งไม่ทำอยากไม่บอ my ม่ s อสสกอตแ e ร์เจ้านายเจ้านายมายกมือไหว้เจ้านายเฉยเลยเป็นคนไทยเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งค่ะเจ้านายมาจอดรถเพิ่งมาถึงยงยกมือไหว้เป็นภาษาไทย มีคนไทยทำงานนี่การหรือเปล่าีที่ทำงานไม่มีค่ะมีแต่มีแต่ฝรังหมดเลยค่ะ morning m i k e I'm on the phone just จะไหนมาแล้วนายไม่ว่าอะไรคุยไม่ว่าอะไรค่ะอันนี้ถือว่าเราขโมยเวลาไหมคะไม่แล้วก็มีเบรกได้แบบมี smoke break แล้วก็มี phone break ก็ได้ใช่ใช่ผมก็ไม่เป็นไรเขา smoke กันเราไม่ smoke เราก็มาเบรกก็ได้ใช่ phone เบรกก็ได้ โยมก็ยพยายามเจาะเจาะจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะคุยกับซลินฮอนอยู่เหมือนกันค่ะว่าโยมมันไม่ค่อยปฏิบัติแบบสดมนใช่แต่ช่วงหลังๆมันจะละเลยการนั่งสมาธิเลยเหมือนกันค่ะบางทีเรารู้สึกผิดว่าเราจะต้องทำให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะพอยิ่งทำน้อยกลายเป็นว่าจิตโยมิ่งอ่อนแอแบบเกิดปัญหาทีก็อถ้ามาอยู่ดีๆน้ำตาก็รู้สึกว่าแบบต้องกาหนดเวลาต้องบังคับนะอย่าปล่อยให้ ท, ทาตามอารมณ์ จะเป็นเหมือนกระต่ายให้เป็นเหมือนต่าเตามันทำไปเรื่อยๆทีเราเล่น แ, ลแค่น้อยดีเราไม่ทําำกระต่ายมันทำตามตอมาลงมนะันอะอยากจะทํำว่ามันทําใหญ่มาอะไรขี้เกียจไม่ทําะไรใช่เจ้าค่ะโยมก็เลยรู้สึกตอนนี้ก็เลยบางทีกับลูกก็ไม่ได้อย่างใจโยมก็อ้าแม่ก็บ่นไปลูกก็เริ่มเป็นวัยรุ่นลูกก็เริ่มอยากฟังโยมก็เอ้เราควรจะบ่นไหมเนาะหรือปล่อยเขาเขาก็มีการของเขาหรือเปล่าแถ้าเราไม่ดัด ถ้าเราสอนจะสอนได้แต่อย่าไปบ่นใช่ลูกมันเบื่อเพราะเราบ่นนะแต่ถ้าเราสอนแม่มันไม่เบื่อแล้วโยมเลยแยกแยกไม่ออกระหว่างสอนกับบ่นเพราะโยมก็สอนไปด้วยแต่พูดยาวไปหน่อยลูกก็เลยบอกแม่แม่พูดยาวเกินไปอะไรเงี้ยเพราะน้าพอดยาวมันมันก็อยู่ค่ะถ้าเขาถ้าเขารับข่าวสารเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องพยายามเหมือนเดิมยังไปบ่นเขาก็เบื่อ ใช่ค่ะยมจะแก้เรื่องนี้ยังไงดีคะพระอาจารย์บางทีเรารู้สึกว่าทําไมทีเขาอยู่กับพ่อเขาคือตอนนี้ยมกับสามีก็แยกกันใช่ไหมคะที่มันทีเขาอยู่กับพ่อเขาเขาดูเป็นระเบียบเขาดูทําได้อย่างใจเหมือนกับไม่ต้องให้การบ้านก็ว่ากาจะเคารพพ่อเขาพราะเขาพ่อเขาอาจจะพูดทาให้เขาไม่กล้าเคารพได้ทั้งที่โยมก็ โดมก็บอกอ้าวอย่างเมื่อชายเขาบอกเออเนี่ยจุดประสงค์ของพ่อกับแม่เหมือนกันเลยต้องการให้ลูกเป็นเหมือนกันแต่ทําไมหนูอยู่บ้านพ่อหนูทําอีกแบบหนืออยู่บ้านแม่หนูทําอีกแบบทั้งที่หนูก็คนเดียวกันบางทีเ ร, <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าเราไม่ได้อยู่ตลาดเวลาใช่<ม>หนูไม่ต้องกังวลนไม่ต้องไปกังวลเรื่องของคนอื่นแค่กังวลเรื่องของเรากับเอาก็พอใช่ไฮยมก็เลยว่าเออเราให้ไยมเลิก เรื่องนี้ได้ก็ลองใช้พูดเห็นด้วยเห็นด้วยผลด้วยอย่าพูดด้วยอารมณ์อย่าเอาแพ้อาชนะอย่าไปเถียงว่าฉันเป็นแม่จะต้องฟังฉันไม่ได้ค่ะเราใช้เห็นใคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะบางทีก็อย่ากเรียน้ำเหมือนกันเด็กผู้หญิงทอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้นะทําอย่างนั้นจะได้ผลอย่างนั้นนะเรื่อกเอานะฉันฉันฉันไม่ตัดสินใจให้คนนะอย่างนี้ดีกว่าค่ะ แำแบบโอ้าต <OM EN> ้องทําอย่างนั t t <y eles> ้นนะเธาต้องทำอย่างนี ok ้นะไม่ทำเนี่ยเเป็นยังไงเป็นยังไงเขาไม่ชอบไปกดดันเขาใช่ค่ะพระอาจารย์เราถ้าเกิดมันอยู่ที่เทคนิคของการพูดนะเรื่องนี้นะเพื่อนก็เพื่อนก็พอใจก็ได้เพื่อนเขาไม่พอใจก็ได้เรื่องเดียวใช่ใช่ถูกต้องค่ะมันอยู่ที่การพูดแล้วอยู่ที่คนรับสารด้วยเหมือนกันค่ะโยมก็เลยพยายามตอนนี้ก็เลยว่าอะเดี๋ยว นั่งสมาธิให้เยอะจิตใจจะได้สงบก่อนพูดกับลูกจะได้ตั้งสตินิดนึงออก่อนจะพูดก็พูดโทรทำมือ ท, ทโฟไปทนะั้งสิบวินาทีก่อนนะพระอาจารย์ค่ะถ้าเราเศร้าในฐานะที่เราเป็นแม่คนออคนนี้ก็เป่ายาอยู่ข้างข้าถ้าเราเป็นแม่คนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าบางครั้งลูกไม่ได้ตั้งใจให้เราเสียใจแต่เราร้องไห้เราเสียใจเองอันนี้ลูกเราจะบาปไหมคะไม่บาปเรา เราไปหวังอะไรจากเขาเพราะเราไม่ได้เราก็เสียใจเราอย่าไปหวังมันไม่มันไม่ได้สร้างบาปเพราะเคยได้ยินแม่องให้นอกจากก็มีเจตนาเจตนาถึงบาปถ้าเขาไม่มีเจตนาไม่บาปค่ะไม่บาปสาหรับลูกนะคะโอเคค่ะค่ะอย่าโยมแก่แค่ผมไม่อยากเขาเพราะเขาไม่ค่อยเขาอยู่ที่นี่มันก็ไม่ค่อยได้ทํา ใช่กลับไปจ้ค่ะอาจารย์ไค์หคนค่ะค่ะกลับแล้วมัธการค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะอาจารย์รักษาสุขภาพค่ะดับเบลับบคับบับบป็นใคระกลับแมัธยการค่ะพาจารย์อ๋เคยเข้ามาปะไม่เคยยังไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะอาจรยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะอ๋ออยากจะถามอะไรไหม มีคําถามมีมีสองสองเรื่องนะคะอาจารยเ์เรื่องแรกเป็นทุกของความเสื่อมของร่างกายนะคะอาจารย์ mm hmm. เ อ, อ, อยากจ ะ, จะเล่าสภาวัธรรมนิดนึงเ อ, อตอนที่พอเราเราเรารับรู้ว่าร่างกายเรามต้องเสือ่อมครับอาจารย์ก็ใช้วิธีสอนใจให้ยอมรับว่าร่างกายต้องต้องต้องแก่เจ็บตายใช่ไหมคือพยายามมาหลายครั้งแต่มีมีครั้งครั้งล่าสุดครั้งมีงที่ใจมันมันยอม เราพิจารณาเพราะร่างกายต้องต้องเสื่อมมันเหมือนมันหยุดไม่มีสังขารปรงแต่งนะคะแล้วก็เราก็มาคิดต่อว่าแต่ใจเราอย่างหนึ่งทุกค่ะพันจารย์เราก็เลยนั่งค้นนิดนึงว่าใจมันทุกต้องต้องมีความอยากก็เลยหาว่าเราอยากอะไรก็เลยทน ว, ว่าอ๋อเราอยากให้เออร่างกายเรากลับมาดีเหมือนเดิมใช่ไหมพันจาร์พอพอโอเคเรารู้เรามันตรงกับที่เราเราศึกษาทำว่า ทุกเพราะความอยากคั้งนั้นเราก็ยอมตับอนกันทีนี้สิ่งที่เหลือในใจค่ะอาจารย์มันคือความทุกขตัวเดียวเลยทีก็เลยใช้พุทโธเลยยึดพุทโธจนพุทโธนานมากจนทุกที่มันเหลืออยู่ในใจพระอาจารย์มันค่อยๆแยกออกแล้วก็เรารู้แล้วก็ชุบแยกปัญหาแล้วมันค่อยๆถูกต้องมันห่างแล้วมันหนัก <ừ> พอมันหนักแล้วเราก็ไม่รู้จะถึกแบกไว้ทําไมก็เลยวางทีทุก ทุกใจอันนี้ ม, นมันมันดับดับไปต่อหน้าต่อ ต, อตออาค่ะใช่ทุกทุกอันเนี้ยมันมีมีมาแบบหลายสิบปีแล้วจนจนครั้งปฏิบัติจนจนครั้งนี้เห็นได้ชัดครับพระเจอาหลังจากจิช่วยช่วยกับปัญญาสองอย่างช่วยกันใช่บางทีปัญญาอย่างเดียวมันไม่มีกำลังพออ่าถูกต้องเลยครับพระเจ้าทีนี้หลังคําถามคืออยู่หลังหลังจากเหตุการณ์นั้นครับพระเจ้า พ อ, พอโอเคเราเราต้องรักษาตัวเราเราต้องรับรู้เรื่อยๆว่าโอเคเรามันมันเสื่อมลงไปอีรักษาไม่ได้เนี่ยอาจารย์เออหลังจากนั้นเราเราจะไม่ถล่มไปประงแต่งละเพราะเรารู้ว่าที่สุดมันคือพร อ, อยากจริงชุกชุกแล้วก็ดับทีนี้อ่ะแต่คําถามคือพอพอเราเราจะไม่ถล่มไปไปปรุงแต่งมันละอาจารย์เราจะเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆพอพอโอเคถึงถึงวันนัดถึงจะต้องรักษาตัวใจเราก็ยังมี อารมณ์จัตใจที่ปกติมันก็จะมีกระเพื่อมนิดเนี่ยค่ะพอาจารย์โอเคเราก็ดูแล้วก็วางไม่ไม่ตรงแตกคําถามทีหน้าที่เราต้องทําให้ใจไม่ทุกเลยว่าพอมันมีสิ่งกระทบเราก็คอยตามรู้ระ ว, วงังระห ว, ว่างไปเรื่อยค่ะพระอาจารย์ใช่ไม่ไม่ให้มันทุกเลยแต่ก็ไม่ได้หมายเราจะทําอะไรไม่ได้เราทําโดยที่ทําให้ใจเราไม่ทุกเท่านั้นเองอย่าไปหวังอะไรจากาการกระทําของเราเช่นั้นต้องไปหาหมอเข้ไป รักษาได้ก็รักษาจะหายไม่หายก็ไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่เรารักษาแล้วรักษาไปหน้าที่เราคือรักษาใจรักษาใจด้วยแล้วก็แล้วก็ดูแลร่างกายไปด้วยเข้าใจคือคือเราห้ามสิ่งกระทกล้วเกิดทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมขอจันเราเราแค่รักษาใจเราทุกข์ก็รู้ว่าถ้าทุกข์ก็รู้ใจเรายังอยากยังมีความอยากค่ะค่ะแล้วก็พอดี พยายามปฏิบัติเพื่อเพื่อปล่อยวางร่างกายแต่มันทําไมเราต้องมาจัดการแต่ใจอะค่ะพระอาจารย์นนใจ<น> <ใน S 2> มันไยึดกับร่างกายใจไปนยึด ก, กับร่างกายแล้วถึงต้องมาจัดการให้ใจไม่ให้ยึด ก, กับร่างกายแล้วค <วะ S 1> ือกันต้องปฏิบัติสติกับปฏิบัติปัญญาสองอย่างอย่างที่คุณพูดมาเขาถูกว่าไงที่คุณพูดเมื่อกี้หรอครับ ทุกการเรื่องของร่างกายแล้วพอใช้พุโทโธพุโทโธก็ยังหายทุกได้ใช่แล้วเราต้องพิจารณาพวกอสุภะอะไรนี้มันช่วยเสริมไหมคะอาจารย์อันนั้นก็อยูอระดับใ น, นเรื่องของ้องกามอารมณ์ถ้าเราต้องการที่จะเลิกกามอารมณ์เราก็ต้องพิจารณาสุภะถ้าเราต้องอยากปล่อยวางร่างกายก่อนเราก็พิจารณาควาตยแบบนี้พิจารณาว่ามันเรามีไม่พ้นความตายร่างกายนีไม่พ้น มันต้องตายเราต้องยอมให้มันตายให้ได้คด้วยการทําใจอย่าไปต่อต้านครับพรากก็อยากให้มันไม่ตายพออยากให้มันไม่ตายความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาทันทีถ้ากิดความทุกข์แล้วเรารู้ว่าเราต้องการให้มันตายแต่เรายังทําใจไม่ได้เราก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธช่วยค่ะค่ะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะอาจารย์เรื่องเรื่องความเสี่ยงของการปฏิบัตินะคะ พอดีครูบาอาจารย์ที่สอนภาวนานท่านท่านลาสังขารไปปีเรศษเอ่อการปฏิบัติของเราก็ก็ถดถอยไปเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ร่างวิให้จิตรวมก็ค่อนข้างยากแล้วก็ความเพียรก็น้อยไปเยอะทั้งทั้งสติและภาวน า, นานทีนี้จนได้มาฟังคลิปพระอาจารย์สุชานะคะมีมีคลิปนึงพระอาจารย์พูดถึงหลวงตา ม, มาหาบัวตอนที่ท่านปฏิบัติแล้วเกิดความเสีอ่อมอ่าใช่ค่ะก็เลยไปไปหาฟัง ก็เลยรู้สึกเออฟังคลิปของหลวงตาแล้วสึกเลยว่าต้องกลับมาด้วยพุโทโธใช่ไหมคะอาจารย์ได้สติไม่มีความภูมใจมีแต่ความคปปี่ตรงแต่ความอยากมันก็ยิ่งทาให้ใจงุ่มง่ารก็เลยก็เลยกลับมาทําความเพียรใหม่แล้วก็ใช้การดูสู่พระอาจารย์สอน ม, มาช่วยช่วยช่วยได้ต้งสติไหม่ทำมาสร้างสติขึ้นมาใพุโทโธพุโทโธทีนี้พอกลับมาภาวสติและภาวนาค่ะ เวทนาที่เราเคยวานเฉยได้มันก็ยังไม่เป็นปัญหาเหมือนเดิมพระอาจารย์มันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่บางวันเราฟุ้งซานก็จะแรงหนึ่งแต่ตัวที่เป็นปัญหาคือสังขารเนี่ยพระอาจารย์เรายังปรุงแต่งยังเดือดร้อนกับสังขารก็เราต้องใช้สติพูทโธเราน้อยไปเราปรุแต่งเราก็ต้องหยุดมันด้วแข่งกันใช้พุทโธแปลว่าการปฏิบัติมันเสื่อมได้ใช่ไหมคะอาจ ขื้นในระดับของสติสมาธินี่มันยังเสื่มได้แต่พอขึ้นสู่ระดับปัญญาแล้วมันจะไม่เสื่มที่ถ้าเราเข้าถึงอริยาาสัจสี่ก็ถึงตายรักได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นจะไม่เป็นปัญหากระลายต่อไปค่ะทีนี้ถ้าถ้าเราเคยปฏิบัติได้ดีมากค่ะพอาจารย์แล้วก็มันไม่ดีเหมือนเดิมเราก็<น>ทุกจนจนจนหลวงพ่อที่สอนท่านท่านก็สอนเราจนเราเราเคเรารพวางได้ ปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่หวังผลแต่ช่วงนี้พอท่านไม่อยู่เนี่ยมันมันอีกด้านเนี่ยพระอาจารย์เราเราปฏิบัติได้ไม่ดีเหมือนเดิมเราเราก็ทุกข์อีกช่วงหนึ่มันคือกิเลสใช่ไหมพระอาจารย์ถ้าเป็นความทุกข์มันก็เกิดจากกิเลสเท่านั<อ>า<อ>้นความอยากาอยากอยา ก, อยากจะได้ผลเหมือนเมื่อก่อนนี่แต่ไม่ได้มันก็ทุกขนก์นะอ เ, เราก็ต้องยอมเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าที่เราไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเท่าที่ควร แล้วเราก็มามามาเสริมการปฏิบัตินั่นเองมันก็ได้ของของที่เราเคยได้แต่ไปอยากเฉยเฉยไม่มีวันได้เราไม่ได้มันก็ทุกข์แปลว่าการปฏิบัติเราเราต้องเตรียมใจรับตลอดใช่ไหมคะว่าถ้าเราเพี้ยนหนักแล้ก็จะเสื่อมใช่ไหมจะเริ่ีเสื่มอมไม่กับรถเนี่ยคุณเหยียบคันเร่งมันก็วิ่งเร็วใช่ไหมพอคุณปล่อยคันเร่งมันก็วิ่งยาวลง การปฏิบัติก็เป็นเหมือนเหียบครันเร่งยิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งได้ผลเยอะขึ้นพอหยุดปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลอะไรอะขอยาถามเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกําลังใจแล้วแล้วเมื่ อ, อไหลถึงจะไม่เสือะะเ่อมเหรอพ่ะย่ะจ๊ะกำลังถึงขั้นปัญญาขั้นปัญญาขั้นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วมันพอได้โสดาบันแล้วมันก็จะไม่เสือ่อมแต่ถ้า<ข>ยังอยู่ขั้นสมาธิขั้นสติอยู่แล้วปัญญาก็ยังแบบว่าเป็นปัญญาแบบ เอยังยังดับความทุกไม่ได้ก็ยังเสพได้ค่ะแล้วขอขอขอนุญาตคำถามสุดท้ายนะคะพระอาจารย์ถ้าเราเริ่มกลับมาภาวนาแล้วเราคือก่อนหน้าเนี่ยเราเราภาวนาจากพุทโธจนมันหายใช่ไหมอาจารย์แล้วก็จิตมันรวมว่างเป็นเป็นเป็ น, ปนค่อยๆตามลําดับที่นี่บ้านกลางค่งคะพระอาจารย์ถ้าถ้าสติเรามันจดจ่ออยู่กับ กับความว่างนั้นสักนิ่งถ้งวันไหนนิ่งครับมันมันจะดึงเราให้ลึกเข้าไปค่ะอาจารย์จนเป็สภาวะที่เหมือนอยู่ในอวกาศค่ะอาจารย์ไม่มีร่างกายไม่มีเวลาไม่มีเสียงเงียบเอได้ทีนี้มันมันเกิดไม่กี่ครั้งค่ะอาจารย์แต่ว่าพอมันมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเออพอสักพักมันก็จะถอดออกมาเองถ้ามันจะมีอยู่ครั้งน่ะคร่ะอาจารย์ที่มันอยู่สภาวะนั้นนานมากจน เพรงะนั้นเรากลัวขึ้นมาขอสารเราเราไม่รู้จะจะกลับยังไงแต่พอเราถึงเวลามันกลับมาเองพอสติแล้วย้อนเมื่อไหร่มันก็ถอมไปพอพอเราเผยคิดมันก็เลยถอนออกมาไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวมันจะมีโอกาสที่เรากลับมาที่ร่างกายนี้ได้ขอพระเชษฐาไม่มีหรอกไม่มีหรอกเพราะจากร่างกายเกิดตายไมกระทันหนนี้เรากลับมาไม่ได้ก็ถ้ามันนานก็นานไปเรื่อยใช่ไหมครับตอนนเอาสติแล้วดี ก็สติเราหย่อนบ้างมันก็จะเริ่มถอนออกมาแบบสมาธิที่เราต้องการในการเจริญปฏิบัติธรรมคือแค่ตรงจิตสงบรวมแล้วก็ว่างใช่ไหมจ๊ะว่างเป็นเบคาวตรงนั้นก็เพียงพ อ, อ, พอใช่ไหมพอแล้วให้มันอยู่ตรงนั้นนานๆก็ได้ถ้าเราสติเรามีกำลังมากจะเพ่งให้มันเข้าไปเรื่อยกว่านั้นก็ได้พอดีมีช่วงหนึ่งเราถู ก, ถกหลวงพ่อท่านสอนให้ ไปนั่งในที่ที่น่ากลัวค่ะพระอาจารย์่งนั้นเราเรากลัวมากจนเราต้องพูดโทรศแบบทีละจุดหน่ยเราฝึกทางนั้นดีกว่าใช่ไหมพระอาจารย์ดีดีเราไปหาที่น่ากลัวได้ยิ่งดีโอเคค่ะพระอาจารย์แต่ยากนิดนึงเพอพอครูอาจารย์ไม่อยู่เราจะก็ดูก็ค่อยๆทําปตามกำลังของเราเข้าใจขึ้นมากค่ะพระอาจารย์ ก็ติดตามม้เรื่อยๆมีอะไรก็เข้ามาถามได้นะใช่ขอบคุณค่ะใช่โอเคอด้วยใครเออคุณสปาร์นาเลยอคุณสปาร์นาเชินนวัสการเจ้าค่ะอ่เป็นยังไงเจา้าค่ะพรจ า, าจารย์โยมมาถือศีลที่วัดที่ลบบุรีเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่กับคุณแม่ <laughs> แม่อายุ72แล้วค่ะเพิง่งปัก ค่ะคุณแม่อยู่ที่บ้านผมผาเลโยมมานอนพักกับคุณแม่ค่ะโอเคอย่าคุณมามาเพราะว่าจะปฏิบัติได้ไม่อยากมานั่งคุยกันเลยคุณแม่คนละยานธรรมเจ้าค่ะวันนี้วันนี้โยมมากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคแล้วขอขออนุญาตถามนิดนึงที่ต่อจากโยมท่านเมื่อกี้ที่พระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าถ้าเห็นไตรลักษณ์หรือเห็นอริยสัจเนี่ย คำว่าไตารลักษณ์ในที่นี้นี่หมายถึงว่าไตารลักษณ์ทุกเรื่องหรือหรือเป็นบางเรื่องค่ะอาจารย์ก็มันได้มันได้เป็นทีละเรื่องกันไปก่อบเนี่ยเช่นเห็นร่างกายก่เห็นเมตนาอะไรแล้วมันก็ปล่อยเป็นเรื่องๆไปมันไม่ได้เห็นแบบ ท, ทีเดียวความมันเป็นหดนอกจากปัญญาเราฉลาดสามารถสามารถกระจายถึงทุกเรื่องได้เลยครันน้งเดียวเลยก็ได้ถ้าไม่ได้ก้าทีละเรื่องอย่างอย่างคระโยมยกตัวอย่างอย่างที่ตะกอนเนี่ย คือคืออาจจะเป็นเพราะความที่เราเราหลงนะคะที่ชอบพอชอบดอกจอมปีเพราะที่บ้านเนี่ยปลูกดอกดอกจอมปีแล้วต้นพอดอกพอมันออกดอกเต็มต้นเนี่ยโยมก็จะเก็บแล้วเอาไปบูชาพระ พ, พอพอพระอาจารย์มาสอนเรื่องใจรักโยมก็มองว่าคือมันมันออกดอกมาให้เราชมแค่สองหรือสามวันแล้วมันก็เหี่ยวแล้วมันก็เริ่มเน่าเริ่มขึ้นลาอันนี้คือมองมองเห็นมันตอนนี้คือความที่ที่เราจะไป พอใจกับมันก็ก็หยุดลงอันนี้จะรีบเห็นใจรักไหมคะพระอาจารย์ก็เห็นในเรื่องของดอกไมาา้จะวอาสามารถไปใช้กับเรื่องอื่นได้ในร่างกายของคนอขออะไระต่างๆมันก็ต้องเหี่ยวต้องเช้าต้องต้องเก่าทุกทสิ่งทุกอย่างก็ต้องเข้าสู่สภาพเสื่อมโทรมไปในที่สุดเจ้าค่ะก็อันนี้ในเรื่องของความไม่เที่ยงในในเรื่องของร่างกายก็ก็มองอยู่ทุกวันเจ้าค่ะแต่ว่า ก็คือเป็นเป็นไตรักอยู่ใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ใช่เหมือนกับร่างกายกับดอกไม้นี่ก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติเลยต่างกันนังค่ะอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเราเราเห็นไตรักแล้วใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์ก็เห็นแล้วแต่ต้องปล่อยได้หรือเปล่าด้วยต้องปล่อยมันได้ยังไม่อยากเพราะมันอยู่บ้างถ้าเห็นแล้วไม่ไปยุ่งกับมันเลยก็แปลว่าเขจะเห็นจริงถ้าเห็นแล้วยังไปยุ่งกับมันอยู่ก็ยังว่าเห็นไม่จริงก็ค่ะก็ค่ะก็พยายามจะ ดีแล้วก็พยายามทดสอบตัวเองไอ้นันมันตายแล้วแต่ก็ยังอยากได้อย่างนีน้มันก็แสดงว่าไม่ยังเห็นไม่จริงอดคอะไรยันะพา อ, อจารย์นะโอเะขอบพระคุณไปที่คุณมนทาต่อคุณมนทาใช่พมนณาอยู่ที่ไหนเอ่ยต่ออยู่มุงชนนวสการค่ะพระจาย์ได้ยินนะ อรันเอ็ก็บอกว่าใส่บาตอยู่ใช่ไหมตักให้ต้องช่ำช้า่งค่ะก็วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์นะคะก็คือเป็นการเล่าพระอาจารย์ฟังว่าที่พระอาจารย์แนะนําในเรื่องของการไปปฏิบัตินะคะจากคราวที่แล้วอ่ะค่ะว่าที่หนูนั่งสมาธิอะค่ะใช้เวลายาวนานขึ้นแล้วจิตมันดิ่งเข้าไปเหนือความสงบแล้วพระอาจารย์แนะนําว่าคนที่จะทําต่อเนื่องแล้วก็ให้ยาวนาน ตอนนี้จิตอมันดีดออกมาเองใช่ไหมคะเขาที่แล้วเนี่ยหนูก็เลยลองมาให้ครวนดูว่าเราจะทำยังไงให้มันเพิ่มเติมก็เลยเพิ่มเวลาขึ้นนะคะแล้วก็ลองนั่งให้มันอยู่ในความสงบผลปรากฏว่าก็เลยมันมันมีคําถามขึ้นมาพระอาจารย์ว่าเอ๊เราน่าจะทําอะไรที่เพิ่มมากา ก, กับการใช้เวลาก็เลยมาอดอาหารดูค่ะในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะลองอดอดอาหารดูแล้วก็ได้เห็นตัวเองว่า เมาเวลาเรานั่งอะค่ะมันก็จะมีสภาวะว่ามันก็คิดถึงเรื่องอาหารบางครั้งแต่เราก็กลับมาอยู่กับความสงบพยายามข่มใจอะค่ะแล้วก็ใช้เวลาให้นา น, านมากขึ้นก็พยายามนั่งให้ได้ประมาณสองชั่วโมงแต่ว่ามันก็ดีดออกออกก่อนที่จะดีดนะคะพระอาจารย์มันก็จะบอกว่ามันมีเสียงขึ้นมาบอกว่ามันเป็นสภาวะ ว, ว่าเราอยู่ตรงนั่งอยู่อย่างเี้ยแต่มันก็คือมันไม่ได้อะไร อันนี้อันนี้เสียงมันเหมือนแบบมันพูดในใจเรานะคะให้เราอ่ะเหมือนแบบมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่สักครั้งหนึ่งจิตมันก็ไหลไปว่ามันก็เห็นภาพอาหารขึ้นมาเราก็เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เราคือหนูกำลัจะบอกว่าสภาวะตอนนั้นมันมันเห็นถึงความต่อเนื่องว่าเราเห็นนะคะแต่หนูไม่สามารถแยกได้ว่ามันเป็นความคิดหรือมันเป็นใจเราอ่ะค่ะว่าไอ้อาหารนั้นอะที่เราใจเราไหลไปที่อาหารมันก็ไม่ใช่เราอ่ะค่ะมันเป็นใจกิเลส แต่ใจเรามันอยู่ที่เราแต่มันก็เหมือนย้อนไปย้อนมาเงียเหมือนหนูกำลังสู้กับกับกับไอ้ไอ้ที่ใจมันไหลไปอ่ะมันก็มีความคิดพุ่งขึ้นมาว่ามันคือใจกิเลสแต่ใจเราจริงๆอ่ะอยู่ในสภาวะนี้นะนั่งอยู่ความสงบเนี่ยค่ะมันมันไม่ดีดออกค่ะแต่ว่ามันเหมือนมันมันกลายเป็นว่ามันไปคุยไปสู้กันนะคะพระอาจารย์อยากจะขอคําแนะนําอะค่ะว่าหนูพยายามเพิ่มเติมตัวเองอย่างเนี้ยค่ะครับเรอ่มต้นง่า พอมันจะไปไปสู้กับอาหารก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดใจหมดนลยค่นะยังไม่ต้องไปคุยกันไม่ต้องไปเห็นว่ามันเป็นเราเรามันเป็นมันหรือไม่ไ ม, oh. ไม่ใช้พุโทโธหยุดมันดีกว่าแสดงว่าถ้ารูปอาหาโผล่ขึ้นมาแสดงว่าสติเราเราเร า, าน้อยแล้วกิเลส ม, มันปรุงแต่ขึ้นมานะ่ะเห็นเราก็ต้องใช้สติหยุดมันค่ะ พุทโธพุทโธพุทโธใช้พุทโธกำกับไปตลอดจนกว่าจะครบเวลาใช่ไหมคะจนกว่าปัญหาปัญหาไปแล้วเราก็หยุดก็ได้เรไม่มีตัวเราก็อยู่ให้มีสติรู้เฉยๆแล้วถ้าเกิดเราปรุงแต่งอาหารขึ้นมาก็ใช้พุทโธพุทโธอีกนี้แล้วถ้ามันจะหยุดดีดออกตอนไหนก็แล้วแต่เขาหรือว่าเราจะต้องกำกับว่าเช่นเราจะอยู่ต่อแล้วไม่ต่อถ้าเราต้องการอยู่ต่อแล้วก็ก็พุทโธใหม ถ้ามันเดือดสลายมันสติแล้วหมดกํำลังอแล้วก็ต้องโทรพุทธรเริ่มวันก็คือสรุปแล้วไม่ต้องไปถกเถียงกับเขาค่ะเนื่องจากตอนนี้ไม่ใช่การพัญญาตอนนี้เราขั้นสติขั้นเราฝึกสติอย่างพยายามใช้สติอย่างเดียวมันหลอกเราใช่ไหมคะให้เราไปเไปคุยให้เราไปคิดไปตื้นตัน เพรก่อนหน้านี้ไม่มีให้คุยอะค่ะมันเหมือนแบบเราก็ดิ่งไปได้เรื่อยๆสงบไปเรื่อยแต่พอมันหลอกให้เราปัญหาปัญหาไม่เยอะปูแตงกวาหารมาหลอกก่อให้เราดิ่งค่ ะ, คะก็เลยลองอดดูว่าเอ๊ะอะไรที่มันจะทําให้เราเห็นมันแต่ว่าจากจะขอให้อาจารย์ว่ามันได้เห็นชัดขึ้นนะคะแค่บางทีอาจจะไม่ไม่ถูกทางว่าจะไปคุยถ้าเรามีสตินี้พุโทโธเราจะไม่ทุกกับเวลาเราอดาพอมันจะนึกถึงอาหารแล้วก็หยุดมันนพุโทโธพุโทโธ หรือถ้าจะใช้ปัญญาการนึกถึงอาหารที่มันเสื่อมนะเนื่องอาหารที่อยู่ในปากอาหารที่อยู่ในท้อมอาหารที่ถ่ายออกมาค่ะมันจะทําให้ผอาหารที่อร่อยไี่หายไปใช่ค่ะก็พยายามกับพิจารณาไปเรื่อๆตอนนี้ก็เลยอ ย, อ, อย่าไปเฉงอย่าไปนั่งวิจัยว่าเป็นเรารู้ไม่เป็นเาราเป็นยังไอันนี้ไม่ใช่วิธีปฏิบัติไม่ต้องไปวิจัยออสี่เวลาค่ ะ, คะ ค่ะได้ได้แนวแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ไปเพิ่มพุทธโถให้เข้มข้นเข้มงวดขึ้นเอาาให้มันว่างให้มันผลิตอะไรโถมาลอใจเราค่ะแต่เรื่องอาหารนี่จะบอกว่าถ้าแชร์ในในกลุ่มจะดีมากเลยค่ะมันได้เห็นจริงๆริงเยค่ะเห็นชัดกับการที่ทั้งท้องร้องทั้งกรมแต่งทั้งอะไรแต่แต่ว่าถ้าเราจับอยู่กับเรามันมันก็หายเหมือนกันนาถ้าเรา ใช่ค่ะมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องสร้างสติขึ้นมาสู้กันไปใช่ค่ะแล้ว ก, ก็ชัดเจนดีค่ะและชัดเจนรู้สึกว่า เ, เป็นเป็นรูปตัวเองว่าน่าจะลองทำไปเรื่อยเรื่อยรื่อยเรื่าตัจริง ก, ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะค่ะเพราะไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ขอบคุณคมากค่ะคุณแม่เชิญขึ้นมาหน่อยค่ะอยู่ที่ไหนเปบดหน้าแล้ อ่าสช่คุณนอยู่ที่ไหนอยู่บุรีรัมย์ค่ะพาจารย์เคยเคยเข้ามาป่ะยไม่เคยค่ะโอเคมีคำถามไหมหนูหนูอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าคือเอ่อกรณีที่เราเริ่มปฏิบัติอะค่ะแล้วก็ระหว่างที่จับลมหายใจกับพุทโธกับบริกรรมพุทโธเนี่ยมันจะมีผลต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะคือ มันอยู่ที่เราความถ น, นัดของเราเราชอบอะไรมันเป็นเหมือนอาหารเนี่ยพุทโธก็เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวดูลงก็เป็นเหมือนกับข้าวผัดนี้เราชอบแบบไห น, นแล้วก็เอาแบบนั้นกินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันได้ผลเท่ากันถ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบว่าถ้าเกิดไม่ไิกรรมพุทโทูโธจะจะถึงช้ากว่าอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่หรอกมันอยู่ที่เราเราชอบแบบไห น, นเราพอใจกับแบบไห น, นเราชอบดูเราก็ดูลงไป เราชอบพูดโทเราก็พูดโทไปบางคนก็เอาทั้งสองอย่างป น, นกันก็ได้หายใจเข้าร้องว่าพูดหายใจออกเขาว่าโทรกันนะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีเดินจงกรมอะค่ะถ้าเกิดว่าหนูหนูหนูถนัดจับจับลมหายใจมากกว่าแล้วก็ถ้าเดินจงกรม น, นี้หนูหนูต้องบริการพุดโทแบบเท้าขวาพุดเท้าซ้ายโทรอย่างนี้ไหมคะถ้าเดินดรู้สึกว่าดูลมมันอาจจะยากกว่าดูเท้านะียดูเท้ามันจะง่ายค่ะ แต่ถ้าหนดูลมไา้ก็ดูลมแทนเนี้ยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดโทก็ัพทนะไม่ต้องพุดโท ร, ม ไ, ไ, มโทรไม่ต้องดูท้าก็ได้ให้ดูดูลมไปดูลมไปโอเคค่ะแล้วก็ขออีกหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์คือหนูยังทราบว่ากรณีที่ผู้พากษาตัดสินประหารชีวิตอะค่ะหรือว่ากรณีพนังกงานอายการที่เขาขอให้ตัดสินประหารชีวิตตรงเนี้ค่ะถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งไหมคะในความเห็นพระอาจารย์ผิดถ้าในส่วนเะนื บอกให้เขาให้เขาทำให้เขาค่าก็เด้แล้วฆ่าเองก็ได้ถือว่าผิดสิ่งทอานอือคือคือแม้ว่าแมแม้ว่าจะทําไปตามเออเป็นเพชฌฆาตก็ผิดเป็นเพชฌฆาตก็ผิดเออเป็นตารวจไปฆ่าเป็นทหารไปฆ่าก็ผิดเหมกันทั้งทางทางัทง้ทงกฎแห่งกรรมมันถือว่าผิดเว่าเป็นการฆ่าพีจารณาว่าฆ่าด้วยเหตุผลนี่มันตักันนีโทษหนักเบาต่างกัน ค่ะแล้วกรณีที่ถ้าอันนี้หนูเปรียบเทียบเองว่าถ้าสมมติว่าแบบย ม, มาบาลก็คือคนที่เขาตัดสินในลาโล ก, กอะค่ะที่เขาแบบก็ก็ตัดสินแบบว่าก็มีการแบบฆ่าแล้วตายเกิดตายเกิดอย่างเงี้ยมัน ม, มีโทษหนักเบาต่างกันไงมีโทษหนักเบาต่างกันถามว่าผิดไหมคือผิดแต่ว่าโทษไม่ได้หนักมากเพราะว่าอ่ใช่ไม่ไม่ได้ทําด้วยความ ด้วยความเจตนาตั้งใจที่จะไปฆ่าเขงโดยตรงแต่ทาพอดหน้าที่ค่ะแต่ถามว่าผิดไหมคือยังผิดก็ยังผิดค่ะแต่ผิดน้อยกว่าความี้เวลาโกรธใครแล้วไปฆ่าแบบนี้ในนี้หนักกว่าอืมโอเคค่ะพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นหนูก็ไม่มีคำถามแล้วเกิเวลา ทำบาปเช่นฆ่าเนี่ยมันจะไปเกิดหลายที่แล้วแต่ค่าด้วยเหตุผลใดถ้าฆ่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นอาชีพมันเป็นเรื่องต้องฆ่าเนี่ยตายไปก็ไปเป็นสัตว์ในราชาพอในราชาก็ต้องฆ่าสัตว์อื่นเพื่อกินเพื่ออยู่รอดคนถ้าใช้การฆ่าเพื่ออยู่รอดก็เป็นเหมือนกับสัตว์ในราชาค่ะแล้วกรณีถ้าผูดว่าษาตัดสินนะคะพระอาจารย์คือในเมืองไทยตอนเนี้ยโทษประหารชีวิตะจะมี น้อยมากเคสน้อยมากที่จะจับประหารเพราะว่าจะมีกรณีรถโทษเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นจําคุกยาวหน่อยหรือว่าแบบกรณีแต่ถ้ามาก็ไม่เป็นไรทําไม่ฆ่าก็นอ๋อถ้าไม่แต่แต่สมมติว่าเป็นโทษประหารปุ๊บแต่ว่าพอเขาเป็นนักโทษชั้นดีเป็นนักโทษชั้นดีแล้วถ้ายังไม่ถ้างไมู่กฆ่าก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่ถูกฆ่ากรรมก็ยังไม่สําเร็จค่ะทำงานเขาถูกฆ่า ต้อง <สา S 2> ต้อ ง, องคือหมายถึงว่าต้องต้องเราเร า, เราต้องสั่งไปแล้วแล้วเขาก็ต้องตายก่อนถึงจะผิดอย่างนี้ิผดถ้าสั่งไปแล้วเขายังรอแล้วก็ยังอุทธรณ์ได้อะไรอยู่ได้แล้วไม่ได้รับรับอภัยโทวอะไร่แล้วเขาไม่ถูกฆ่าก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ทําะค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากรณีเรากลัวเพราะว่ามันมีอคติสีคือหมายถึงว่ากลัวกลัวว่าจะหวาปก็เลยไม่ไม่กล้าสั่งไปตามไปตามตัวบทกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็เราก็ผิดในหน้าที่อีกอย่างนี้ก็ผิดก็เหมือนพูดกหก ไม่พูดตาความจริงไม่มีสัจจะค่ะยังไงเราก็ต้องทําตามหน้าที่แต่หน้าที่นี้ก็มีความผิดอยู่นั่นเองใช่ก็เปลี่ยนอาชีพเท่นั้นเองค่ะไปเป็นหมอแทนไปเป็นพยาบาลแทนค่ <c oughs> ะอาจารย์ค่ะแล้วก็กรณีถ้าเกิดว่าสั่งจําคุกนี่เขามีทุกเพราะว่าสมมติว่าสมมติว่าเราสั่งจําคุกไปไอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีความทุกข์แต่เขาผิดจริงๆเราจะได้รับไม่ได้เเพราะว่ามัน มันเป็นการเหมือนกับปรามเขาเป็นการเป็นสั่งสอนเขาให้เขาเห็นโทษของการกระทําผิดของเขาอืมค่ะพระอาจารย์งั้นหนูการลงโทษแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปไม่ได้เป็นบาปเพราะเราไม่ได้ไปทําร้ายชีวิตเขาค่ะหนูสอบถามห้ก่อนตอนนี้หนูยังไม่ได้เป็นนะแต่หนูหนูว่าเรียนกฎหมายแล้วก็กําลังจะสอบเลยอ่าก็แล้วแต่เข้าไปเป็นสารเยาวชนหรือเป็นสารอะไรก็ได้ไปยัง นี่ไม่ต้อสารแผงก็ได้ทำคลื่าความร้อนพวกมันต้องใช่ออยันคะ่ะอาจารย์คือสี่ปีย้ายอย่างนี้คะ่ะแล้วเป็นสารอย่าที่ทําเขาไม่เวลาแลนวะก็ถ้าเราไม่จําวนเกี่ยวกับการเลื่อนเลืนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ จ, จะขอปฏิเสธแล้วถ้าคดียาาที่ที่มีการโทษประหารก็จะขอขอไม่รับค่ะก็ไปรูเนะี่ยอันนี้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่ง ถ้าเราอยากจะรักษาสินมากกว่าเงินเดือนหรืรรรรอตำแหน่างงานที่เรากาจะต้องใช้ทําแบบนี้ด้วยเปลี่ยนงานไปตอนนี้คือมีสออย่างคือระหว่างสอบอายการกับเพื่อภษาซึ่งอายการก็ไปทูนขอไปขอไปให้สารตัดสินซึ่งในคําขอของพนักงานอายการก็คือถ้าเป็นทษประหารก็คือขอให้ประหารชีวิตนั่นเองแล้วก็นคนตัดสินมันก็มีส่วนส่วนส่ว น, ส, วนส่วนทำบาส่วนที่ทําให้เขาตาย ก็ไปทําคดีพวกแพงไม่ได้แล้วไปทําทนายเปิดสํานักงานทนายความของเราเองบนเนี่อตอนนี้เป็นทนายทำไมตอนนี้เป็นทนายอยู่ก็เป็นทนายต่อไปเป็นทนายต่อไปไม่ต้องตอบดีเลยไม่้องไ่ต้ออเรื่อเป็นทนายที่ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนก็ได้ได้บนนี้ถามอาจารย์ นูนูได้แนวทางแน้ะโอเคนะค่ะขอบคุณมากๆาเลยค่ะประจับค่ะสวัสดีค่ะมีใครที่เข้ามาทีหลังคนรีโบเลยใช่คนรีโบคนไหนบีโบเออนว่าเมย์คนไหนคนีโบเปิดเปิดเองได้เลยพูดได้เลยฮะอ๋อสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนอยู่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่ <Okay. S 2> ม, มีคำถามอะไรหรือเปล่ามีมีค่ะคือเขาเมื่อปีที่แล้วหนูไปปฏิบัติธรรมค่ะแล้วทีนี้ตอนที่หนูนั่งมันมีแสงสว่างเข้ามาแล้วทีนี้มันเหมือนคนคนเดินเข้ามาหาหนูอะค่ะ mm. แล้วทีนี้เขามาตบตบที่หน้าหนูตรงตรงที่เ mm. บาะที่หนูนั่งอะค่ะ mm. แล้วมันก็มีเสียงแบบคำรามอะถ mm. ามค่ะ mm. หนูเ mm. ลิดเปิดเปิงเลยค่ะพ่อ อย่างนี้ก็เดียกว่านั่งแบบไม่มีสติไงนั่งฝันเราต้องนั่งก็ต้องมีสติต้องมีพุทโธพุทโธแล้วดูลมหายใจแล้วภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมาวัานหลังนั่งอย่าไปนั่งแบบนั้นนะนั่งเราต้องทำพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วจะไม่มีภาพอะไรต่างๆมาเกิดขึ้นมาแล้วหนูตะเลิดเปิดเปิงเลยค่ะพระ อ, อาจารย์เพรนั่นแหละเพราะว่าเราเราเป็นคนที่กลัวมันก็จะแบบเปิดเปิืงไป ค่ะถ้ามีสติแล้วไม่กลัวก็รู้ว่ามันก็เป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนภาพร้อนภาพหลอกเราแนี้ค่ะแต่ตอนนี้หนูหนูรู้สึกว่าหนูดีขึ้นหนูปฏิบัติทุกเช้าหนูแล้วก็ฟังพระอาจารย์ธรรมะบนเขาตอนตอ น, ตอนบ2สอง ะ, ค, ะค่ะก็เริ่มขึ้นค่ะพยายามให้มีสตินะต้องมีพุโทโธมีดูลงนอย่าอย่านั่งเฉยเนะค่ ะ, คะแล้วที่โทษ น, นะคะถ้าสมมติว่าเรา ตอนแรกเราสมถะแล้วแล้วตอนถึงวิปัสสนานี่มันจะมาเองใช่ไหมคะผ้าจารยัอ ว, วิปัสสนาเราต้องสอนใจเช่นสอนใจว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงนะอย่างนั้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างเงี้ยนี่เรียกวิปัสสนาอ๋อไม่มาเองมันต้องสอนนะมันมันถึงมันจะมันถึงจะมาเองได้ค่ะ แล้วต่อไปมันก็จะมาเองเพราะเราเพราะเราสามนึกบ่อยมันก็จะมาคอยเตือนเราให้ให้ร่างกายเราไม่เที่ยงนะเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะค่ะแต่ถ้ามันไม่สอนมันเลยมันก็ไม่มาค่ะมันต้องพยายามสอนมันบ่อยๆค่ะแล้วต่อไปมันจะมาเองไม่ต้องสอนมันพอเห็นร่างกายเราบอกเออเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วนะค่ะตอนที่มาเนี่ยเห็นร่างกายแล้วบอกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมากก็่าค่ะ ก็หนูพยายามท่องอะไรนะอันนี้ทุกขังอันัาตาหนูพยายามจะบอกตัวเองนะคะตัวแรกตัวแไม่เที่ยงไม่เก่ยงตัวเราเป็นดินยาบรมไฟค่ะตอนนี้ก็ดีดีขึ้นเยอะเลยค่ะฟังพระอาจารย์ทุกวันโอเคทราบทุกค่ะดีมากดีมากเลยดีใจมีคนติดตามทุกวันค่ะธรรมะบนเขาตอนบ่ายสองนะคะดีนะติดตามเลตอนนี้ยังเป็นของเก่า จะไม่มีคขาใหม่อ๋อค่ะค่ะค่ะขับกับขอพอะคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุด้วจะมีใครอีกไหที่เข้ามาใหม่เอามาทัทาลพรแล้วปิดศพพัลพรปิดนรรีการครับหลวงตาเป็นไงเร็วสบายดีนะการเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าขาอ่า มีโจรกรรมเข้าบ้านเจ้าค่ะแล้วลูกก็อันนี้จำไหมอันนี้จำไหมจ้อค่ะแล้วก็คําคําสอนหลวงพ่อค่ะมันก็เข้ามาอาจเสียของแล้วก็อย่าเสียใจเจ้าค่ะก็เลยไม่ไม่ได้ทุกข์กับมันมแล้วก็มองถึงความเป็นอนัตตาความความไม่เที่ย ง, งก็ค่ะก็ แล้วก็นึกถึงำคำคำพูดของหลวงพ่อว่าทําบุญก็ก็บอกทําบุญใหญ่ไปก็มีความจุขไปต้องกาก็เลยทําบุญแต่ไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไม่ไม่ต้องเสียเวลาขนของไปมีคนมาขนที่บ้านเราไปเลยกเหมือนมาช้อปปิ้งในห้างาแล้วเราก็จะได้ซื้อของใหม่มาใช้ได้ใช่ไหมลูกก็คิดอย่างหลวงพ่ อ, อคิดว่าอันเนี้ยเขาสงสัยเขา ไม่ให้อยากให้ลูกปฏิบัติเต็มที่จากให้ลูกปฏิบัติเต็มที่ไม่ต้องมาใช้แล้วหลุยวีต้องเอาไปใช้หลุยวีต้องโลเหล็กอะไรก็ขนไปหมดเลยก<ช>็เลยใจมันเราลูกก็พิจารณาตามที่คําที่หลงวงพ่อสอนเออดีนะ<ช>เราได้ทําบุญ ใ, ใหญ่จังหวะแสดงว่าเราไม่โชคดีอันนี้อำนาจของธรรมะเป็นอย่างเนี้นะทันนี้งง่งของการ ม, <คำ S 1> มีธรรมะ เขาเป็นเมื่อก่อนลูกต้องฟูมไฟแน่เลยเจ้าค <c oughs> ่ะ <c oughs> เพราะว่าของลูกโรเล็กสองเรือนแล้วของสามีเขาก็แพงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเอออันแรกเลยก็เ อ, อมองเห็นว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติแต่เหมือนเขามีธรรมะในใจนะเขาโอเคช่างมันริวลูกไม่เป็นน้องลิวไม่เป็นไรก็กก็็ตีแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่างมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วลูกก็นึกคำพูดหลวงพ่อเข้ามาในสมอง เสียของแล้วอย่าเสียใจก็ก็ก็ไม่ไม่เสียใจกันก็อย่าเสียสองเร่งเสียเร่งเดียวว่าใช่เจ้าค่ะลูกจํำสอหลวงพ่อได้เลยว่าอย่าเสียสองเร่งเสียของแล้วก็อย่าเสียใจแล้วก็เลยบอกโอ้ยแล้วของที่เหลือเนี่ยหรือที่ต้องเลยมีเป็นตู้เอยวจะประมูลแล้วเอาเงินไปทําบุญให้หมดเลยโอเคฉันจะฉันปล่อยวางหรือก็ปล่อยไว้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปทําอะไรก็ไดรอให้มันไหลรอบก็ได้ จะมนันนแล้ว่ไม่ต้องไปประมูลได้เสียเวลาแต่เนี่ย <c oughs> เราจะให้เราเหมืนใครเอามาเอาใครมีบุญก็เอาไปก็แล้วกันก <c oughs> ็จริงจริงแล้วลูกเพราะมันโควิดเนี่ยพ่อแม่โควิดก็ลูกก็จะแบบนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วก็เพื่อนเพื่อนมาปฏิบัติธรรมแล้วลูกก็จะชอกเอาประมูลแล้วก็ออกของไปเอาเงินไปทําบุญที่วัดกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันโควิด <c oughs> เพื่อนเพื่อนที่ลอนดอนก็ก็มาเกิดไม่ได้เแล้วก็บ <c oughs> ุญใหญ่ ไม่ถูกเจ้าค่ะได้ทำมุลโดยที่ไม่ได้ไปวุ่นวายเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทํามาหลวงพ่อเนี่ยลูกก็คงทุกข์เจ้าค่ะลุกคงทุกข์คงฟู่มไฟเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ต้องเลี้บอกได้ทำมาข้อหนึ่งบอกหลุงตาสิลูกครับเปล่าแล้วมนุษย์ไปแค่อะไรการเรียนเล็กๆคนไปใส่มูลราคาไม่ไวเยอะแต่จริงก็เป็นแค่สิ่งของใช่มันก็เป็นแค่อะไรการ ในการงแหลกซื้อนาฬิกาปลอมมันก็เดี๋ยวนี้ที่พัทยาคนฝรั่งจะชำมาซื้อโลหเปลอมเลยนะพอเราเราไปซื้อโลหกปลอมมันเก็บมาในบ้านเราเั่นเล่นงานคนยาเล่นงานขโมยมันตั้งดัดล้งมันมากมันขโมยนะ <c oughs> เดี๋ยววันหลังเราขอปลอมไปบ้างหลงพ่อพูดเหมือนสามีเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกโอเคไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวซื้อให้ใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ เดี๋ยวก็ไปหาซื้อของปอนมาใส่ในกล่องเอาไว้ในแกะเหมือนเดิมแล้วเธอจะเอาของจริงเก็บไว้ตั้งนานกันเนีับตอนแรกก็เหมือนกโกรครับเพราะว่าเดียวอยู่อยี่อยู่ในห้องก็ไดิ้นเสียงโจนมันเข้ามาแล้วมันเร็วมากมันก็ไปแต่ตอนนี้แล้วมันไม่มาทำร้ายเราถือว่าเป็นบุญละอดทิตย์นยี้่ากนน็มโห่ลครับตอนแรกมันเลี้ยปกติครับแต่ก็ไม่ได้อบอก จะให้สละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตเนี่ยครับอย่าไปเสียดายทัพย์เสียดายชีวิตดีกว่าครับโอเคครับเป็นบุญของเราที่เขาไม่มาทำลายเรานะ่เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเออนี่แหละเป็นบทเรืยนสอนใจว่าอย่าไปมีอะไรมากมั่งน้อยสันโดษดีกว่าเจ้าค่ะหลวงพ่อ แวลามันเห็นออยากได้มันลืมว่ามันจะต้องหายไปสักวันหนึ่งใช่ไหมใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เห็นอนิจังพอเห็นเะมามันจะต้องอยู่กับเราเป็นของเราเป็นตลอดใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อครับต่อไปนี้เวลาเห็นอะไรปั๊บอยากจะได้อะไรปั๊บมันคิดถึงอนิจจังเป็นมาเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้ามันจําเป็นอย่างการมีมันดีป่ะถราเท่าที่จำเป็นเป็นของที่จําเป็นต้องมีอันไหนมันจําเป็นต้องมีอย่าเป็นงมี ถ้ า, นนามีวิากไปยึดจะไปติดเดี๋ยวเป็นของชั่วงข้าวสมบัติขาดคัน ช, ชง <c oughs> รอบนี้ก็รู้ว่ารู้ว่าธรรมะหลวงพ่อเนี่ยมันมันทนําให้ลูกแบบรู้ว่าว่าจะว่าได้ขึ้นขึ้นมาเยอเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อจังค่ะนี่น่าแสดงว่าเราเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วนะไม่ทุกข์ไม่ <c oughs> ไม่หวั่ใจไม่เสียใจ ไม่ไม่เสียใ จ, จค่ะไม่เสียใจแล้วยัง อ, อ๋อยังยังยังลูกค้ารู้สึกว่าอ๋อสายเพราะว่าข้อมือลูกมันเล็กมากอย่างเงี้ยนาฬิกาที่เขาเอาไปเนี่ยก็คงไปขายจะมาเอ า, จ ะ, า, เอาจะมาเอาสายเอาไปต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้นะมีอะไรไว้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะ อ้าลูกไม่รู้ว่าพี่เขากล่าวบอกเพราะเมเพราะว่าลูกอ่าพี่เขาให้เขาจับอาหารจัดมาอยู่เรื่อยเพียงแต่เพียงแต่เขาเขาไม่ได้บอกทุกครั้งเขคงคิดว่าเรารู้ว่าทุกครั้งที่ก้าวมาถวายก็เป็นของเจ้าค่ะก็คือทุกวันเจ้าค่ะกินกินสลัดทุกวันก็มีของมาขถวายมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอะไรด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะมีทุกวันค่ะมีทุกวันมา สามสี่ปีแล้วมีทุกวันไม่ไม่มีขาดนะคะได้ทุกทำไปใครจะรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรขอให้เรารู้ก็เราจะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจะปิดทองหลังพระสบายใจเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอพรหลวงพ่อกันด้วยเจ้าค่ะวันนี้ที่บ้านข้าว้ามไ้าวกล้าปลอดไฟอย่าขึ้นซ้ำสองเจ้าค่ะหลวงพ่อกลับขอบให้เป็นการใช้หนี้เก่าไปก็จะหลุดมืองทนหมดกรรมกันไป สาธุสาธุสาธุเจ้ า, าค่ะสาธุเจ้ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะครับขอบพระคุณฝรล่งพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุสาธุขอโปรยลมไสของลูกหลานด้วยเจ้าค่ะโอเคด้านที่เข้ามาถามมญหามรูม้สึกได้ถามทุกคนแล้ววันนี้ก็ขอให้ออกคำถามจาก facebook มั่งนะเชินเฟซบุ๊ o เวลา มีคำถามจากทาง Facebook แล้วก็ YouTube ทั้งหมดสิบสองคำถามเจ้าคะ่ะคำถา ม, มแรกเป็นคำถามฝากถามจากคุณปลาตัวผมเองเป็นโรคซึมเศร้าสมาธิและความจำยังไม่ดีต้องทานยาหนึ่งปีผมทำบุญสวดมนต์ภาวนาพุทโธครับช่วงนี้ดูแลคุณแม่ซึ่งอยู่ในขั้นดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายท่านนอนมากอยู่บนเตียงไม่พูดสื่อสาร ผมเปิดเทศธรรมะบดสวดมนต์ให้คุณแม่ฟังรบกวนถามพระอาจารย์ว่าเราเป็นลูกควรปฏิบัติอย่างไรต่อคุณแม่ครับก็นี่แหละก็ทํถาถูกแล้วก็เลงดูคุณน้าไปให้อาหารให้อะไรไปส่วนทําจิตใจว่าธรรมะมาให้ท่านฟังไปก่อนํารมะท่านฟังไปหรือชวนท่านสวดมนต์ได้สวดมนต์ด้วยกันไปก็ได้คําถามต่อไปจากคุณวิถีลูกอีสาน เพิ่งโดนแชร์ลูกโซ่มาสูญเงินไปหลายแสนครับตอนนี้ทุกใจมากครับควรวางใจอย่างไรดีครับก็เป็นเหมือนงานที่ถูกขโมยไป แ, แล้วกันขโมยแล้วไม่เอามาคืนแล้วหรอนะคำถามต่อไปจากคุณนัชชาน้อมกราบน้ัมการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะโยมอยากกราบเรียนถามว่าวันนี้ทำสมาธิตัวโยกทั้งวันเลยเจ้าคะ่ะ นั่งดูมันบังคับได้แป๊บเดียวก็โยกอีกเจ้าค่ะขอแนะนำเจ้ะค่ะพ่าเวลานั่งเราไม่มีสติไงเ้าเรานั่งแบบมีสติมันนั่งราต้องท่องพุโทโธพุโทโธไปแล้วสวดอนไปแล้วดูลมหายใจเข้าออกไปมันก็จะไม่มันตวัวมันก็จะไม่โยกคำถต่อไปจากคุณบัวเมื่อนั่งสมาธิไปถึงระยะหนึ่งชั่วโมงเกิดอาการปวดขาอย่างที่สุด ต้องกำหนดอย่างไรถึงจะนั่งต่อได้คะก็อยู่กับสติอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหลายใจต่อไปส่วนใหญ่อาจจะอยู่กับลมไม่ได้ก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับการเจ็ตของร่างกายคําถามต่อไปจากคุณวราวีราอาจารย์เจ้าคะสมัยตอนหนูอายุสิบเจ็ดเคยฝันได้ยินบทสวดคาถ า, าอะไรไม่ทราบเจ้าคะ่ะ พอตื่นเช้ามาหนูก็จําคาถาได้ปัจจุบันนี้ผ่านไปสี่สิบปีหนูก็ยังจําคาถานั้นได้เป็นคาถาที่ไม่ยาวแต่ไม่แต่หนูไม่ทราบความหมายหนูควรท่องคาถานั้นดีไหมเจ้าคะหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วคาถานั้นในฝันเป็นเสียงสวดที่ลอยมาจากวัดเขาอูโต้จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าคะ่ะก็หนูชอบมนไหนก็หนูเอาไปสวดได้นั่เป็นไง <c oughs> บทสวนมนต์ก็มีไว้เพื่อให้เราเจริญสตินี่านถามต่อไปจากคุณพรพันธ์กลับนมั ส, สการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะโยมปวดหัวไมเกรนมากแต่มีเราเป็นผู้ปวดแต่ก็ไม่ได้กินยารู้สึกว่าปวดจนทนไหวเลยกลับมาอยู่กับลมหายใจพอกลับมาอยู่กับลมหายใจก็ไม่ได้รับรู้ถึงความปวดแล้วก็หลับไป แบบนี้เป็นการแยกกายกับจิตหรือไม่เจ้าคะเป็นการนอนมากกว่าเป็นการหลับมากกว่าถ้าแยกกายกับจิตต้องไม่หลับต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาเพราะว่าร่างกายเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ร่างกายก็เป็นดินน้ําลมส่เป็นวัตถุเป็นตุ๊กตาตัวนึ่งอย่างนีเรียกว่าแยกกายกับจิตกันถ้าแยกก็หลับก็แสดงว่าแยกไม่ไม่ได้ตลอด ตอบซะก่อนหมดแรงหมดสติคำถามต่อไปจากคุณอาทิตย์สาธุขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับคือผมมีความคิดอยากจะไปบวชกับพระอาจารย์สักสามเดือนไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรคือคิดตั้งใจไว้แต่ยังไม่มีกําหนดการที่แน่ชัดขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับคือเราไม่มีตําแหน่งหน้าที่ที่จะบวชใครได้เขาไม่ตั้งเราให้เป็นประชญ์ไม่ได้ตั้งให้เราเป็นเจ้าว่า เราก็เป็นเหมือนท่านลูกวันทุกหนึ่งถ้าอยากจะบวชที่วัด น, นี้ก็ต้องเข้ามาหาเจ้าว่าแล้วไปขออนุญาตจากเจ้าว่าเขาถ้าเขาถ้าเขามีการเขาก็จะบวชให้ก็ต้องไปพบปรับเจ้าว่าแเราไม่มีหน้าที่ในการบวชด้วยการรับพระให้มาให้คนมาอยู่ในวัด น, นี้เราเป็นผู้อาศัยคนหนึ่งในวัด น, นี้เท่านี้คำถามต่อไปจากคุณสงวน กลับนมัสการครับท่านพระอาจารย์ผมอยากถามธาตุไฟมาจากไหนครับและมาอย่างไรครับธาตุไฟมันก็มาจากไฟในเรยมันมันไหนไหะธาตุไฟมันก็มาจากไฟท่านน้ําก็มาจากน้ําท่านลมก็มาจากลมท่าตดินก็มาจากดินคาถามต่อไปจากคุณจิ๊บกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอฝากคําถามค่ะ เราจะฝึกสติหรือจเจริญปัญญาระหว่างวันที่เราทํางานอย่างไรคะก็ให้มีสติอยู่ใน ง, งานที่เรากำลังทำอยํานำเขียนในงก็อย่าไปคิดถึงแฟนอย่าไปคิดถึงเพื่อนอย่าไปคิดถึงที่เที่ยวที่นั่นที่นี่อย่าไปคิดถึงเรื่องให้อยู่กับเรื่องงานที่เรากำลังทําในปัจจุบันในตลอดทั้งวันคําถามต่อไปจากคุณพลัสทําหมันแมวจะบาปไหมคะ ไม่เบามบามีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทั้งหมดสามคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกการปฏิบัติธรรมคืออะไรมีกี่ขั้นตอนครับใช่ทานศีลภาวนาหรือไม่ครับใช่การปฏิบัติธรรมก็คือการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปดนยการทำทานดนยการรักษาศีลด้ยการภาวนาคำถามที่สอง การฟังธรรมจัดเป็นส่วนไหนในการปฏิบัติครับเป็นการศึกษาซึ่งเป็นแยกออกจากการปฏิบตัติต้องศึกษาก่อนแล้วถึงค่อยไปปฏิบตัติถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ว่าเราปฏิบัติอะไรรับการศึกษานี้เป็นเหมือนแผนที่ที่จะบอกว่าเราเราจะเดินไปในทิศทางไหนเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ต้องมีแผนที่ก่อน เราต้องการกำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจแล้วก็ต้องศึกษาวิธีที่จะทําทให้เรากาจัดความทุกข์พอเราศึกษาเราก็จะรู้ว่าเราต้องทําทานเราต้องรักษาศีลเราต้องภาวนาเราก็นำํำเราก็ไปปฏิบัติทานศีลภาวนาเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลเรียกว่าปฏิเวทคือความทุกข์ต่างๆในใจก็จะหมดไปตามลำดับคําถามที่สาม เวลาพุโทโธหรือจับลมหายใจบางครั้งมีปัญหาเกิดความตึงเครียดขึ้นที่ร่างกายหรือจิตใจเป็นเพราะทำอะไรผิดตรงไหนหรือควรแก้ไขอย่างไรครับมันไม่ผิดเรามันเป็นธรรมชาติเวลาที่เราจะนั่งดูลมหรือพุโทโธนี่มันจะมีอาการแปลกๆโผล่ขึ้นมาได้ก็ไม่ต้องไปสนใจนให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองหวั มีเข้ามาเพิ่ม อ, อีกสองคำถามเจ้าค่ะคำ <Okay. S 2> ถามต่อไปจากคุณโรนันโดฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วกลับไปอ่านหนังสือธรรมะสายหลวงฝู่มั่นแล้วเข้าใจมากขึ้นจากแต่ก่อนไม่เข้าใจและพบว่าสอนเหมือนกันคือมาลงที่ไตรลักษณ์และอริยสัจสีผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องคำถา ม, ถามต่อไปจากคุณเบล กลับนมรสการครับผู้ที่พลั้งมือทำให้แม่บาดเจ็บ ด, ด้วยความโกรธถือเป็นกรรมหนักหรือไม่ครับก็หนักเพราะว่าแต่ยังไม่หนักเท่ากับทำร้ายชีวิตของแม่เราไม่ควรต้องระมัดระวังเวลาอยู่ใกล้พ่อกล้แม่ต้องมีความสำรวมต้องมีความมีความเคารพแล้วก็มีสติอยากปล่อยให้เกิดอารมณ์ขึ้นมา คำถามสุดท้ายจากคุณวอลลวีขอเรียนถามค่ะปกติเวลามีปัญหาต่างๆเข้ามาเรามักจะคิดวนไปวนมาพยายามพิจารณาหาเหตุผลหาทางแก้ปัญหาสุท้ายแก้ไม่ออกสักทีรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนำแก้ไขด้วยค่ะถ้าแก้ไม่ออกก็หยุดแก้ถ้าพักใช้พุทโธพุทโธหยุดหยุดจิตเราให้จิตเราปล่อยวางปัญหาไว้ชั่วคราว่ พอเราจิตเราสงบแล้วเวลากลับมาดูปัญหาอาจจะเห็นเห็นเห็นวิธีแก้ก็ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ก็ป่อนไปปัญหามันก็หายไปเองเพราะ้องอย่างไม่เทียมมีคำถามเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากคุณพัทรพลขอถามพระอาจารย์ครับการรักษาศีลแปดผมอยากถามว่าการทอดไข่เป็นอาหารนี้ผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่ศีลข้อหก หลังเที่ยงทานอะไรได้บ้างครับคือไข่ที้เท่าที่เข้าใจนะเป็นไข่ที่เป็นเป็นไข่เป็นกับไข่ไข่ตายถ้าเป็นไข่ตายคือไม่มีตัวก็ไม่ไม่บาดถ้ายังเป็นตัวเป็นสามารถเป็นฟันออกมาเป็นตัวไก่ได้ก็เรีว่าบาดส่วนหลังเที่ยงนะหลังเที่ยงก็พระเจ้าอนุญาตเอขาเรียกว่าเภสัชห้าชนิดคือเป็นยาแก้ แก่อาจจะแก้ท้องท้องเสียปวดท้องหรืออะไรนี้ก็มีน้ํำพึ่งน้ำอ้อยก็คือน้ําตาน้ํามันเนยข้นเนยใสนี่เป็นสิ่งที่รับประทานได้แล้วก็อีกอย่างก็คือพวกน้ําน้ําผลไม้คัน้นแต่ต้องเป็นน้ําที่ไม่มีเนื้อติดมาต้องต้องกรองเนื้อออกจากจากน้ําดือดแต่น้ําได้น้ําส้มแต่ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่า ปั้นนะตักผลไม้ที่ใหญ่กว่าเช่นมนละลกอเช่นแตงโมเช่นสับ ป, ประรดมะพราวยัไม่ถึงไม่เอามาพอน้ําของผลไม้เห่านี้มารับประทานไม่นะมาดื่มไม่นะถ้าเป็นผลไม้เล็กได้อโงนอย่างนี้แอปเปิ้ลอย่างนี้เ่งนี้เอามาคั้นแต่ต้องเอาต้องกรองให้เอาเนื้อออกไปอันนี้สําหรับพระนะสําหรับโยนี่มือซามาจะ ในสินแปดไม่ได้ห้ามสินแปดไม่ได้คงไม่ได้ละอีกขนาดนั้นสินแปดก็คือเพียงแต่ไม่ให้รับประทานอาหารเท่านั้นเองแต่พวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ดื่มได้ยกเว้นเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเช่นนมนี้นมถั่วเหลืองโ อ, อมัลตินอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นอาหารอยู่ดื่มไม่ได้มีอีกสองคำถามเข้ามาเจ้าค่ะคำถามจากคุณพัทรพล สินข้อเจ็ดดูหนังดูละครได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้อะไรที่เป็นเรื่องบันเทิงนีไม่ได้แต่ถ้าดูธรรมะไนดะ้ความท้อย่างนี้ตอนนี้มานั่งฟังสอนนาธรรมอย่างนี้ได้คำถามสุดท้ายจากคุณสุนาผมทำสมาธิแล้วสันสะเทือนที่ตรงหน้าอกแต่มีสติถูกต้องไหมครับ ก็ถ้ามันสะเทือนล้วเรามีสติเราไม่ไปเดือดร้อนกลับมาก็ก็ถูกต้องแล้วก็แต่ต้องมีสตินะก็ต้องอยู่ลงและต้องมีพุทโธนะหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วโอเคกาจะหมดเวลาแล้วเลยประมาณแปดนาทีก็สามชั่วโมงมีใครอยากจะถามหรือไมถ้ามีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็เปิดเลยถ้าไม่มีกรจะได้ ยุติการสนทนาธรรมกันไว้เพียงแค่นี้ก่อนลวไว้อทิน้าค่อยมาว่าเหมนใหม่ห น, นะขอให้ท่านจงนาเอาทาที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิ